1. ตอนมูลเหตุของพระวิริยงเขียนประวัติพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์มั่นภูริตทตถธีระเป็นพระประมาจารย์ทางกรรมฐานท่านได้แสดงความสามารถในด้านนี้อย่างสูงทุกประการตามความเป็นจริงก็ปรากฏ ยังไม่มีสิทธิ์คนใดจะกล้าปฏิเสธคุณธรรมต่างๆที่ได้ปรากฏขึ้นนั้นฝังอยู่ในดวงจิตของผู้เป็นสิทธิ์อย่างไม่มีทางเลือนลางเป็นความจริงเหลือเกินที่ว่าท่านได้ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาจนเป็นที่รับรองจากปัญญาชนทั้งหลายผลประโยชน์เกิดจากการฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมนั้น ยอมปรากฏอยู่แก่ผู้ที่น้อมตัวเข้าเป็นสิทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าท่านเพียงแต่เป็นชั้นหลานเหลนหรือเพียงอ่านประวัติของท่านก็ทําให้เกิดความเลื่อมใสยอย่างซาบซึ้งตรึงใจแล้วการฟังหรือการอ่านประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นผู้ฟังควรจะได้ตระหนักถึงข้อปฏิบัติปฏิปทา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 อาจจะแก้โรคให้แก่ท่านได้ในภายหลังเพราะยาขมใครก็ไม่อยากรับประทานจะรับประทานก็ต่อเมื่อถึงคราวจาเป็นแต่ยาขมก็ได้ช่วยชีวิตมนุษย์มาแล้วมากต่อมากไม่ใช่หรือการเขียนประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัติธระของข้าพเจ้าโดยการได้ยินได้ฟังจากตัวท่านเองและครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า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 อ, อนชาติภูมิพุทธศักราช2413ท่านเกิดในตระกูลแก่นแก้วบิดาชื่อคำด่วงมารดาชื่อนางจันเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมาแมพศ2413ณบ้านคำบง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 จึงเป็นที่รักแก่บิดามารดาเป็นอย่างยิ่งท่านได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยไทยน้อยขอมจากสำนักอาได้ศึกษารู้เร็วจนอาออกปากชมว่าฉลาดมากเมื่ออ่านหนังสือได้แล้วท่านก็ได้ค้นคว้าหนังสือประวัติศาสตร์และนวนิยายของภาคอีสานเขาเรียกกันว่าลำพื้นลำแผ่น เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านท่านจะเล่าถึงนิยายเก่าอันมีคติธรรมมากเช่นเสียวสวาดเป็นต้น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 บารมีได้ส่งให้พระองค์ออกบรรพชาสแสวงหามโมกขธรรมโดยเกิดขึ้นในพระหาริไทของพระองค์เองจนกระทําให้สำเร็จพระโพธิญาณในที่สุดแม้พระสาวกทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อบุญติดตามผูกอุปนิสัยก็เป็นเหตุให้น้อมเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในขอบเขตของพระบรมศาสดาพ้นทุกข์ไป พระอาจารย์มัณฑปูริทตาเทระก็เห็นจะเป็นเช่นกับพระสาวกเหล่านั้นจึงมีเหตุปัจจัยแนะนำจิตของท่านให้น้อมไปเพื่อบรรพชาเป็นสัมมเนนเมื่ออายุได้15ปีหลังจากบวชเป็นสัมเนนอยู่สองปีบิดาขอร้องให้ลาสิกขาไปช่วยงานทางบ้านเมื่ออายุได้17ปีท่านก็ได้ลาสิกขาไปช่วยเต็มความสามารถในการนั้น แม้ท่านลาสิขาไปแล้วก็ลาจะกายเท่านั้นส่วนใจยังครองเพศปัปรปะชิตจึงทำให้ท่านระลึกอยู่ไม่ายอีกอย่างหนึ่งเพราะติดใจในคำสอนของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากคาสั่งของยายนี้คอยสกิดใจอยู่เสมอเป็นเพราะเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วท่านจึงเบื่อการวาสวิสัย ครั้นเมื่ออายุ22ปีจึงลาบิดามานดาผู้สมบทท่านทั้งสองก็อนุญาตท่านได้เข้าไปเล่าเรียนธรรมะที่สำนักท่านพระอาจารย์เสากันตะศีลเถระวัดเลียบอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทเป็นพิสุภาวะในพระพุทธศาสนาที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยกวีอ่อน เป็นพระอุปชายะพระครูศรีทาชยะเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2434นามกุที่อุปชาตั้งให้คือภูริทัตโตแปลว่าผู้ให้ความรู้ ตอนทุดงสแสวงหาธรรมะพุทธศักราช2434ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้ที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบแต่จะสแสวงหาความก้าวหน้าเรื่อยไปแม้แต่ท่านบวชเข้ามาใหม่ก็มิใช่เมื่อบวชแล้วก็ฉันและจำวัดได้มาอยู่กับพระปฏิบัติ ก็อยากจะทําให้เห็นจริงเห็นจังไปเสียเลยความไม่ชอบอยู่นิ่งของท่านนี่เองทําให้ท่านต้องซักไซ้์ไต่ถามหาความจริงเอากับท่านพระอาจารย์เสาวอยู่ตลอดเวลาท่านเนี่ยวรบเร้าให้พระอาจารย์สอนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นแต่พระอาจารย์ก็หมดความรู้ที่จะสอนต่อไปท่านพระอาจารย์เสาวท่านก็เอ็นดูสิทธิคนนี้ของท่านอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นสิทธิคนโปรดก็ว่าได้ ท่านจึงยอมพาศีกของท่านไปทุกหุนทุกแห่งตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสวงหาความสงบแต่ก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่จึงได้พาธุดงข้ามไปฝั่งประเทศลาวจนถึงเมืองหลวงพระบางเมื่อได้ยินได้ฟังว่าพระอาจารย์ไหนเก่งทางสอนกรรมฐานก็จะได้แวะไปพักอยู่และขอเรียนกรรมฐานด้วยแต่จนแล้วจนรอด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 สมควรแก่ผู้สแสวงหาบาเพ็ญสมณธรรมอยู่อาศัยจะได้ยังความไม่ประมาทให้เป็นไปในตนปีนั้นท่านได้พักบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับบ้านถ้ำท่านทั้งสามได้พักจำพรรษาอยู่ที่นั้นในระหว่างพรรษานั้นท่านพระจานทร์สาวและสมณเณรได้จับไข้ามาเลี ย, ยมีอาการหนักบ้างเบาบ้าง ไม่ถึงกับร้ายแรงจริงท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าวันหนึ่งมีคณะอุบาสกอุบาสิกาได้นำผ้ามาบาังสกุลท่านพระอาจารย์เสาวจะต้องการตัดจีวรเราก็ต้องจัดทำทุกอย่างกว่าจะเย็บเสร็จเพราะต้องเย็บด้วยมือใช้เวลาถึงเจวันจึงเสร็จพอยังไม่เสร็จดีเลยไขมันเกิดมาจับเอาทาให้เราต้อง เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในใจว่าเน้นก็ไข้อาจารย์ก็ไข้เราก็กลับจะมาเป็นไข้ซะอีกถ้าต่างคนต่างหนักใครเล่าจะดูแลรักษากันถ้าเกิดล้มตายกันเขา้าใครจะเอาใครไปทิ้งไปเผากันเล่าเจ้า ก, กรรมเอ๋ยอยู่ด้วยกันสามองค์ก็เจ็บป่วยไปตามๆกันยิ่งกว่านั้นอาจารย์ของเรานั่นแหละจะร้อนใจมาก ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าเราได้คิดมานะขึ้นมาในใจว่าบัดนี้เราไม่มีทางเลือกทางอื่นแล้วที่จะมาระงับเวทนานี้ได้เพราะยาจะฉันแก้ไขก็ไม่มีเลยมีแต่กำลังอนุภาพแห่งภาวนานี้เท่านั้นเพราะว่าเรามาอยู่สถานที่นี้ก็เพื่อจะอบรมตนในทางเจริญกรรมฐานภาวนา เราจะมาคิดแต่แสสายไปในทางอื่นหาควรไหมเราต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่งจึงจะถูกแม้จะตายขอให้ตายด้วยการภาวนาไม่ต้องท้อถอยอ่อนแอจะต้องเป็นผู้กล้าหาญจึงจะจัดว่าเป็นนักพรตได้แล้วเราก็ตัดสินใจปฏิบัติบูบชาพระพุทธศาสนาด้วยข้อปฏิบัตินั้นท่านจึงกําหนดพุทโธเป็นบริกรรมต่อไป เพราะขณะนั้นท่านก็ยังไม่สันทัศน์ในการเจริญกรรมฐานเท่าไหร่ครั้นบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ขึ้นมาว่ากายนี้เป็นที่อาศัยของจิตและเป็นทางเดินของจิตเปรียบเสมือนแผ่นดินย่อมมีทางน้อยใหญ่เป็นที่สัญจรของมูสัตว์ทุกหมู่ทุกเหล่า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 เพราะไม่มีใครช่วยแล้วเรานั่งสมาธิเข้าที่โดยการเสียสละกำหนดจิตแล้วทำความสงบทำให้เป็นหนึ่งแน่วแน่ไม่ให้ออกนอกเป็นอารมณ์ได้เลยเพราะขณะนั้นทุกขเวทนากล้าจริงๆพอกำหนดความเป็นหนึ่งนิ่งจริงๆอยู่ครู่หนึ่งปรากฏว่าศีรษะลั่นเปรี้ยปพระไปหมด จนเหงื่อไหลออกมาเหมือนกับรถน้าเมื่อออกจากสมาธิปรากฏว่าไข้ได้หายไปราวกับปลิดทิ้งนี่เป็นระงับอาพาธโดยธรรมโอสถเป็นครั้งแรกของเร า, าเราได้พยาบาลอาจารย์ของเราได้เต็มที่ในการเดินทางในครั้งนี้นั้นได้เป็นชิ้นนี้หลายหนบางครั้งมาเลเรียขึ้นสมองแทบเอาชีวิตไม่รอด เมื่อลูกศิษย์อาจารย์ปรึกษากันเห็นว่าไม่มีผลในการเดินทุดงอันธุระกันดาลเช่นนี้แล้วต่างก็ชวนกันกลับประเทศไทย ตอนสถาปนาพระาธาตุพนมท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าขณะที่ข้าพเจ้าตัาห ม, มาถวายท่านเวลากลางวันต่อไปอีกว่าพวกเราก็ต้องเดินทางหลังจากออกพรรษาแล้วร่อนแรมตามฝั่งแม่น้ำโขงเรื่อยลงมาณนะฝั่งแม่น้ำโขงนั้นก็มีหมู่บ้านเป็นย่อมย่อมหลายกก เช่นภูไทยไทยดำลาวโสงท่านเล่าว่าภูไทยมีศรัทธาดีกว่าทุกก๊กแต่ภูไทยนี้การภาวนาจิตใจอ่อนรวมง่ายรักษาไม่ค่อยเป็นส่วนลาวโสงนั้นไม่ค่อยเอาไหนเลยแต่ทุกๆกก๊กก็ทําบุญนับถือพุทธท้งนั้นเขาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ก็นับว่าดีแต่ขณะ น, นี้ตัวของเราเอง ก็ยังมองไม่เห็นธรรมะของจริงยังหาที่พึ่งแก่ตนยังไม่ได้จะไปสอนผู้อื่นก็เห็นจะทำให้ตัวของเราเนื่นช้าจึงไม่แสดงทำอะไรนอกจากเดินทางไปพักไปบำเพ็ญสมณะธรรมไปตามแต่จะได้ครั้นแล้วท่านพระจารย์เสาก็พาข้าแม่น้ำโขงกลับประเทศไทยที่ท่าข้ามตรงกับพระธาตุพนมพอดี ท่านเล่าไปเคี้ยวหมากไปอย่างอารมณ์ดีว่าขณะนั้นพระท่าพนมไม่มีใครเหลียวแลดอกมีแต่เถาวันานานาชนิดปกคลุมจนมิดเหลือแต่ยอดต้นไม้รกกรุงรังไปหมดทั้งสามสิทธิอาจารย์ก็พากันพักอยู่ที่นั่นเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมขณะ ท, ที่ท่านอยู่กันนั้นพอตกเวลากลางคืนประมาณส5ห้าทุ่ม จะปรากฏมีแสงสีเขียววงกลมเท่ากับลูกมะพร้าวและมีรัศมีสว่างเป็นทางพุดออกจากยอดพระเจดีแล้วก็ลอยห่างออกไปจนสุดสายตาและเมื่อถึงเวลาก่อนจะแจ้งตีสามตีสแสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึงองค์พระเจดีแล้วก็หายวับเข้าองค์พระเจดีไปทั้งสองค์สิทธิอาจารย์ ได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนี้ทุกๆวันท่านพระอาจารสาวกันตาีลาเถระจึงพูดว่าที่พระเจดีย์นี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนในตอนนี้ข้าพเจ้ากับพระอาจารย์มั่นได้เดินทุดงมาพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วมีสององค์เท่านั้นและมีตาประขาวตามมาด้วยหนึ่งคน ท่านจึงมีโอกาสเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นปีที่พระัราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสากันตะศีละคุณในพวงจากจังหวัดอุบลราชธานีจะตีตั๋วให้ไปทางเครื่องบินท่านบอกว่าเราจะเดินเอาจึงได้พาข้าพเจ้าพร้อมด้วยตาประขาวบองบองคนหนึ่ง ซึ่งไม่ค่อยจะเต็มเต็งเท่าไรนักไปด้วยเดินไปพักไปแนะนําธรรมะแก่ข้าพเจ้าไปพรางจนไปถึงพระธาตุพนมเขตจังหวัดนครพนมแล้วท่านก็พาข้าพเจ้าพักอยู่ที่นี่และได้ฟังท่านเล่าเรื่องราวของการสถาปนาพระธาตุพนมต่อไปโดยท่านได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายในระแวกนั้นซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน และส่วนมากก็เป็นชาวนาได้มาช่วยกันถากถางทําความสะอาดรอบๆ บ, บริเวณองค์พระเจดีนั้นได้พายาติโยมทําอยู่เช่นนี้ถึงสมเดือนเสร็จร จ, จึงค่อยสะอาดเป็นที่เจริญหูเจริญตามาตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อญาติโยมทําความสะอาดเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็พาญาติโยมในระแวกนั้นทํามาคบูชา ซึ่งขณะนั้นผู้คนแถวนั้นยังไม่รู้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอย่างจริงจังจนได้ชักชวนกันมารักษาอุบโบสถฝึกหัดกรรมฐานทำสมาธิกับท่านอาจารย์จนได้ประสบผลตามสมควรการพักอยู่ในบริเวณของพระาธาตุพนมนี้ทาให้จิตใจเบิกบานมาก และทำให้เกิดอนุสอนรำลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างดียิ่งท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าต่อไปว่าก่อนท่านจะกลับประเทศไทยท่านเป็นโรคริดสีดวงจมูกประจาตัวมานานโรคนั้นมักจะกำเริบบ่อยๆจึงทำให้ท่านกำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่ท่านกำหนดเอาเวทนาเป็นอารมณ์ยังไม่ได้ท้อถอยนั้น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 ท่านทั้งสามก็ได้ออกเดินทางจาริกต่อไปและแสวงหาความสงบตามป่าดงพงพีไปเรื่อยๆโดยมุ่งหวังเพื่อบรรลุธรรมแต่ก็ยังไม่สมความตั้งใจไว้ต่อมาท่านพระอาจารย์สาก็พากลับจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นถิ่นเดิมของท่าน ตอนธุดงแสแวงหาธรรมะต่อไปในประเทศพมา่าพุทธศักราช 2,454 ความไม่หยุดยัง้งมุ่งหวังหาความจริงเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสโดยทุกทางของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นไปอย่างไม่คอยเวลาแม้จะต้องใช้เวลาปีแล้วปีเล่า ในการมุมานะแทาจะหมดหนทางอยู่แล้วก็ตามแท้จริงพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนเลยมีแต่การที่จะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติให้ได้ผลเท่านั้นเพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านต้องการแสวงหาความจริงที่ไม่มีความวิปริตท่านเองปฏิบัติพระอาจารย์พาปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแนแนวทางแต่ท่านก็ยังรู้สึกตัวเองว่ายังไม่พบความจริงยังไม่เป็นที่พอใจท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งขณะนั้นพักอยู่ที่บ้านนาศีนวลตําบลหนองเหียนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในโอกาสที่ข้าพเจ้ากําลังถวายการบีบนวดเป็นประจําคือในตอนเช้าหลังจากฉันพัตนาหเสร็จแล้วก็เริ่มบีบนวดถวาย ไปจนถึงเวลา11นาฬิกาตอนกลางคืนหลังจากเดินจงกรมแล้วสองทุ่มเสษถวายการบีบนวดจนถึงห้ทุ่มหรือกว่านั้นโอกาสที่เล่าถึงการไปธุดงที่ประเทศพม่าครั้งนี้ข้าพเจ้าสนใจเป็นพิเศษว่าเราอาจจะมีโอกาสไปสักครั้งบ้างจึงทำให้ข้าพเจ้าพยายามจดจำการเล่าของท่านซึ่งท่านเอง อาจจะรู้ใจของขปเจ้าที่มีความสนใจและตั้งใจท่านจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดถี่ถ้วนใช้เวลาหลายวันและขปะเจ้าเองก็พยายามซักถามท่านอยู่เสมอจึงทำให้เกิดรสชาติขึ้นมากในปีพศ2 4 4ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระท่านก็ได้พบเพื่อนสหธรรมิกอีกหนึ่งรูปและมีชื่อว่ามั่นเหมือนกับชื่อของท่าน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 เมื่อตกลงสละชีวิตร่วมกันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่มีจุดหมายไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นประเทศอะไรจะต้องมีหนังสือเดินทางข้ามแดนหรือไม่ก็ตามเพราะถือเอาการอยู่ป่าเป็นสำคัญเห็นที่ไหนเหมาะดีก็อยู่ทำความเพียรไปแต่พอจะเกิดความเคยชินก็เดินทางต่อไปอีก เมื่อท่านทั้งสองเดินทางข้ามภูเขาไปแต่และลูกและลูกนั้นเป็นภูเขาที่สูงชันน่ากลัวทั้งสิ้นขณะที่ไปก็พบแต่พวกชาวเขาพูดกันไม่รู้เรื่องท่านเล่าว่าดีมากที่ไม่รู้ภาษากันมีแต่เพียงว่าเขาให้อาหารแก่เราพอประทังชีวิตก็พอแล้วในขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่า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 ท่านทั้งสองจึงไม่พยายามที่จะสอนใครและหาความสนิทสนมกับใครๆเพราะต้องการปฏิบัติมากกว่าอันแดนพม่า ก, กับแดนไทยนี้ท่านเล่าว่ามันกีดกันด้วยภูเขาลูกใหญ่จริงๆไม่เหมือนทางภาคอีสานของไทยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วภูเขาลูกเล็กๆท่านั้นเสือช้างงูจงอางหมีวัวกระทิง ท่านอาจารย์ไม่พบบ้างหรือข้าไปเจ้าถามท่านตอบว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกตลอดระยะทางก็มีแต่เฉพาะพวกมันทั้งนั้นก็เข้าไปป่าทึบซึ่งเป็นเขตของมันแม้แต่พวกเราจะจำวัดอยู่ในป่ากันสองรูปก็ไม่อยู่ใกล้กันเสียงช้างและเสือนะหรือชินต่อพวกมันเสซะแล้วแม้แต่จะเดินสวนทางผ่านกันไปก็ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ การเดินทางของเราทั้งสองคราวนี้ไม่ได้มีการสนทนาธรรมเท่าใดเพราะต่างเอาความเพียรเป็นสาคัญเมื่อจะพึงได้รับความสงบเย็นใจก็ถือว่าใช้ได้บางครั้งเดินไปเหนื่อยหยุดหยุดทำไมนั่งสมาธิทาไมพบบ้านเรือนเลยก็ต้องอดอาหารกวเทวดาไม่ใส่บาตรหรือครับข้าพเจ้าย้อนถาม เทวดาก็คือคนใจบุญเห็นมีแต่ต้นไม้จะมีเทวดาที่ไหนมาใส่บาตรเราทั้งสองอดอาหารโดยการเดินทางบางครั้งนานถึง3วันเพราะไม่มีบ้านคนดื่มเฉพาะน้าแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเราแต่อย่างใดเลยมันเป็นความพอใจจึงไม่เห็นจะเป็นการหนักใจอะไรเข็มทิศก็ไม่มีการเดินทางมีหลงทางแย่หรือครับ ข้าพเจ้าสักถามเราก็ถามชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆไปถูกผิดบ้างตามเรื่องส่วนการผจญภัยกับพวกสัตว์ป่าน่ยหรือก็ไม่เห็นเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อะไรวิรือยังคือชื่อของข้าพเจ้าในพรานป่าพวกเข้าไปตามป่าดงพงพีพบงูฆ่า ง, งูพบเสือฆ่าเสือพบช้างฆ่าช้างนอนกลางดงกลางป่าไม่เห็นเขาจะกลัวอะไร พวกครานทั้งหลายซึ่งเป็นนักล่าสัตว์เขาผจนกับสัตว์ร้ายมากกว่าเราเราไม่จาเป็นจะต้องถือว่าการผจนกับสัตว์ร้ายเป็นเรื่องสำคัญเราถือว่าการปฏิบัติที่เรากําลังจะต่อสู้กับกิเลสภายในนี่แหละสาคัญกว่าการเดินทางอย่างธุรกันดารและยาวไกลคราวนี้ก็ทำให้เกิดผลทางใจแก่เราไม่น้อยเลย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 อาจารย์ที่ประเทศพมา่านี้เก่งในทางสอนและปฏิบัติกรรมฐานมากท่านได้ส่ะแสวงหาตั้งปัญหาถามทุกอย่างคำตอบยังไม่เป็นที่พอใจเพราะเหมือนกับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิ่งขึ้นไปแม้เราจะถามให้สูงขึ้นซึ่งอัถปัญหาเกี่ยวกับปฏิบัติทางใจแต่เราก็ไม่มีปัญญาเรามีความรู้เท่าไรก็ถามเขาเท่านั้น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 น่บเป็นการเดินทางผจญภัยและหยุดจำพรรษาพักผ่อนทั้งสองก็ปรึกษากันว่าออกพรรษาแล้วจะเข้าไปประเทศไทยที่ไหนดีแต่ท่านมั่นบอกว่าพอแล้วผมจะกลับเข้ากรุงเทพส่วนพระอาจารย์มั่นเห็นว่าการปล่อยให้ท่านมั่นกลับเข้ากรุงเทพครูปเดียวคงไม่ดีแน่ท่านจึงได้ไปส่งและพักแรมอยู่ที่วัดสะระปทุมด้วยกัน ครั้งนั้นพอดีมีคนเยอรมันสองคนมีศรัทธาเลื่อมใสท่านมัน่นช่วยสร้างกุติถวายและรู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์มัน่นซึ่งท่านเล่าว่าชาวเยอรมันที่มีนิสัยดีรู้จักบุญบาปมาทาบุญในประเทศไทยเท่ากับเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทีเดียวอ้าวก็ฝรั่งชาติอื่นแล้วครับข้าพเจ้าย้อนถามก็เรายังไม่เคยเห็นเขาทาบุญเลย เราก็เลยไม่ต้องพูดถึงเขา ตอนพบถ้าผาบิงหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็มุ่งทุดงรูปเดียวคราวนี้ไม่มีใครเป็นเพื่อนแล้วตรงไปยังจังหวัดเลยเพราะจังหวัดเลยมีภูมิลำเนาเป็นป่าใหญ่มีภูเขาและถ้ำใหญ่มากตามปกติถ้ำใหญ่ๆท่านไม่ค่อยจะชอบท่านชอบถ้ำเล็กๆ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 และกาลังพัฒนาให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าในครั้งแรกของการมาที่ถ้านี้หลังจากตรากตรา ม, มาจากประเทศพามา่าแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสงบมากพอสมควรการอยู่ที่ถ้าผาบิงแต่รูปเดียวจึงเป็นการทําความเพียรที่ได้ผลมากแต่ก็ยังไม่ได้ปัญญาหรือเป็นที่แน่ใจอย่างไรเลย เพราะท่านพระจารย์มั่นท่านเป็นผู้ที่รักความจริงสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งหลอกลวงท่านไม่ชอบขณะที่ข้าพเจ้านั่งฟังท่านเล่าได้ปรารลบถึงผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งนั้นว่าการเชื่อมงคลตื่นข่าวนี้ไม่ดีเลยยิ่งเป็นพระพิสุสมัมเณีในพระพุทธศาสนาทำว่าตนไปอยู่ถ้ำอยู่เขา หวังเพื่อให้ดังแล้วก็มีคนไปหามากนั่นคือพาเขาให้หลงขณะที่ท่านเล่านั้นมีพระอาจารย์รูปหนึ่งอยู่ที่ปูคอมีคนไปหามากท่านไม่ฉันข้าวอยู่แต่ในถ้าท่านพระอาจารย์มั่นพูดกับข้าพเจ้าว่าพวกเธออย่าทำอย่างนั้นอย่าไปอยู่ถ้าอยู่เขาให้คนแห่กันไปหามันบ่แม่นหมายความว่ามันไม่ถูก ท่านบอกนักบวชที่อยู่ถ้ำอยู่เขาเพียงต้องการวิเวกจะไปเที่ยวเปล่าประกาศไปหาพระในถ้ำให้ อ, อิกระเริกนั้นผิดวิสัยอยา่าแล้วก็อย่าว่าแต่ใครเลยแม้แต่อาจารย์ของขพเจ้าก็เคยถูกท่านดุเอาตอนที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่วัดบ้านหนองผือท่านเคยพูดว่าปงมาเธอไปอยู่ในถ้ำและเที่ยวทำโน่นทำนี่เขาเล่าลือกัน มันโมเมนตนาให้อยู่อย่างสงบจริงๆ จ, งจึงจะถูกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมากับหูอย่างนี้แม้ท่านจะมาอยู่ที่ถ้าผาบิงนี้นานแต่ท่านก็พยายามหลบหลีกผู้คนที่จะมาเห็นตัวท่านว่าวิเศษดูเอาเถิดแม้แต่กรดของท่านท่านเล่า ว, ว่าเรายังต้องการร่วมจีนกางแล้วเอาผ้ามุ้งมาย้อมกลักทําอย่างนี้ ต้องการจะไม่ให้ใครเข้ามาหาของขลังเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่พระธุดงท่านพระอาจารย์มั่นพยายามหลบหลีกการมีชื่อเสียงและชุมนุมชนวุ่นวายซึ่งตรงกันข้ามกับพระที่อยู่ถ้ำป่าเขาเพื่อต้องการหาชื่อเสียงให้วุ่นวายไปเพราะพระพิสุผู้อยู่ป่าเป็นธรรมะป่าอะไรไรธรรมนองนั้นต้องการอยากจะหาชื่อเสียงให้กับตัวเอง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 เดินเข้าไปสามสี่คนเวลานั้นท่านยังต้องไล่ตะคอกให้ออกจากวัดไปโดยเร็วเพราะเวลานี้ต้องการความสงบอย่ามายุ่งจนคุณโยมต้องวิ่งหนีกลับบ้านกันจารวันซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เห็นมาด้วยตาของตัวเองนี่แหละจึงเห็นได้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นมิได้ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ต้องการอามิตรอันจะนามาซึ่งการทาลายความสงบ อันเป็นยอดปรารถนาคุณโยมที่อ้างถึงนี้เป็นโยมที่เคยอุปถากมาตั้งแต่พระอาจารย์เสากันตะศีระครั้งยังมีชีวิตยอยู่นั้นแทนที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะเอาอกเอาใจแต่ท่านต้องขับไล่ใสส่งไปเพราะมาก่อขวนความสงบต่อมาภายหลังคุณโยมนุ่มก็ได้เข้าใจเรื่องนี้ดีจึงได้มานมัสการในเวลาอันสมควร ณที่ถ้าผาบิ้งนี้ท่านบอกว่ายังไม่สามารถจะแก้ความสงสัยของการปฏิบัติได้แม้ว่าจะคิดการดําเนินการปฏิบัติอย่างธุระกันดาลแสนที่จะตรากรําความสงบก็ถึงที่สุดแล้ววิเวกก็ถึงที่สุดแล้วนั่งสมาธิก็ถึงที่สุดแล้วเข้าป่าก็ถึงที่สุดแล้ว เขาถ้ทำที่ไหนที่ใดก็ถึงที่สุดแล้วในที่สุดท่านก็เดินทางกลับมายังวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีอีกเพื่อมาพบกับท่านพระอาจารย์เสาจากนั้นเมื่อท่านพักอยู่ช่วัดเลียบท่านก็พยายามทำความเพียรอย่างเต็มกาลังเพราะวัดเลียบในสมัยนั้นสงบสงัดไม่พลุกพล่านเหมือนในปัจจุบันนี้ ตอนสุบินนิมิตเกิดขึ้นเหมือนกับธรรมะบันดาลโดยความที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ประโยคพยายามอย่างจรดเหนือจรดใต้รอบฟ้าแดนดินก็ว่าได้และยังไม่ได้สมดังความมุ่งหมายถ้าเป็นอย่างเราเร า, เราท่านท่าน เห็นท่าจะต้องล้มเลิกการปฏิบัติเสียแล้วเพราะลำบากแสนสาหัสจริงๆท่านยังพูดกับข้าพเจ้าเสมอๆขณะที่ข้าพเจ้าตำมหมากถวายท่านตอนกลางวันว่าวิริยังเอ้ยมันแสนสาหัสสาสกันจริงๆนะเราได้ตรากตรทำทํามาเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสี้ยที่ในกลางป่าดงพงไพรโดยไม่รู้ไม่เห็นอะไร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 เพราะต้องกำหนดจิตให้มีสติไว้เสมอเสมอท่านเล่าว่าเราฝันไปว่าเราเดินออกจากบ้านไปไปตามหนทางแล้วก็เข้าสู่ป่าที่รกชัดมีทั้งหนามและไม้รกกรุงรังท่านก็เดินผ่านป่านั้นเรื่อยไปก็ได้ไปพบกับต้นชาติต้นหนึ่งที่ล้มตายมีกิ่งก้านผูกไปหมด ท่านก็ขึ้นไปบนขอนไม้ชาติที่ลมนั้นปรากฏว่าขอนไม้ที่ใหญ่โตมากทีเดียวแม้ท่านขึ้นไปบนขอนไม้ชาติแล้วจึงสังเกตดูก็รู้ว่าเป็นต้นชาติที่ตายสนิทไม่มีทางจะงอกงามขึ้นมาได้อีกมองไปข้างหน้าเป็นทองทุ่งเฟื่องวางโ ป, ปรดโปร่งกว่าทางที่ผ่านมา ขณะนั้นปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากทางไหนไม่ทราบแล้วก็เข้ามาเทียบข้างก่อนไม่ชาติที่ท่านกําลังยืนอยู่นั้นท่านก็ขึ้นบนหลังม้าขาวนั้นทันทีม้าก็พาท่านวิ่งหอเต็นเหยียดไปกลางทุ่งพอสุดทุ่งก็พอดีพบตู้พระไตรปิฎกตั้งแต่งานอยู่ข้างหน้าม้าก็ได้หยุดลงตรงนั้นพอดี แต่ท่านไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกนั้นก็พอดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียก่อนครั้นเมื่อท่านตื่นขึ้นก็ได้ทบทวนตามเหตุการณ์ต่างๆที่ได้สุบินนิมิตนี้เกิดความมั่นใจและทำนายนิมิตนั้นตามลำดับว่าที่เราออกจากบ้านไปนั้นคือเราได้ออกจากความเป็นคราวาดแต่ไปพบป่ารกชัดแสดงว่าเราได้เดินทางไป แต่ยังไม่ถูกทางจริงจึงต้องลำบากอย่างหนักแต่การที่เราได้ขึ้นบนขอนไม้ที่งอกอีกไม่ได้นั้นแสดงว่าเราอาจจะเป็นชาติสุดท้ายเพื่อการสแสวงหาธรรมะในทางที่ถูกต้องต่อไปทุ่งว่างเป็นทางที่ปลอดโปร่งในการที่จะดาเนินการปฏิบัติที่ไม่มีความลำบากนักการที่เราได้ขี่ม้าขาวหมายถึงการเดินไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว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 นอนให้จิตนี้จดจ่ออยู่ที่กายตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายบางครั้งท่านเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่าท่านได้เดินลุยเหยียบไปบนร่างของคนตายซึ่งนอนเรียงรายอยู่ทั่วไปการกระทำเช่นนี้ใช้เวลานานหลายเดือนทั้งก็รู้สึกว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมาบ้าง ซึ่งก็ไม่เหมือนเมื่อคราวทำจิตให้สงบไม่เกิดปัญญาเลยมิแต่อยู่เฉยเฉยสบายสบายความสบายก็สบายจริงแต่ก็ได้แค่สบายไม่ยิ่งไปกว่านั้นยังบังเกิดความวันไหวไปตามกิเลสอยู่ครั้งนี้รู้สึกว่าความวันไหวตามอารมณ์ชักจะชะงักลงจึงปรุงใจว่าน่าจะถูกขนทางแล้วกระมัง ตอนเกิดอุคหานิมิตติดต่อกันหลายวันวันหนึ่งท่านนิมิตเป็นอุคหะขึ้นหมายความว่านิมิตในสมาธิเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้าห่างจากตัวท่านราวหนึ่งศอก หันหน้าเข้าหาท่านขณะนั้นสุนัขตัวหนึ่งเข้ามากัดซากศพนั้นดึงเอาไส้ออกมาเคี้ยวกินอยู่เมื่อเห็นนิมิตปรากฏอย่างนั้นท่านก็กําหนดพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายสังเวชสลดมิได้ทอถอยทำให้เห็นอยู่ทุกอิริยาบทแล้วก็กําหนดขยายส่วนต่างๆออกไปให้ได้ตามความปรารถนาแม้จะกาหนดอย่างนั้นให้เต็มทั่วทั้งวัดและทั้งโลกก็ได้ หรือกาหนดให้ย่อยยับดับศูนไม่มีอะไรเหลือก็ทำได้เรียกว่ากาหนดให้เป็นไปตามความปรารถนาทุกอย่างท่านได้พิจารณาซากศพนี้เป็นเวลานานและยิ่งกาหนดยิ่งพิจารณาไปเท่าไรจิตก็ยิ่งสว่างสวยัยปรากฏขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงได้ปรากฏเป็นดวงแก้วขึ้นแล้วทิ้งการกาหนดอสุภะ โดยกำหนดเอาเฉพาะดวงแก้วนั้นเป็นอารมณ์วาระต่อไปจึงปรากฏเห็นเป็นนิมิตอันหนึ่งคล้ายกับภูเขาอยู่ข้างหน้าคิดอยากจะไปดูบางทีอาจจะเป็นหนทางที่อาจจะปฏิบัติได้ดีบ้างกระมังปรากฏนิมิตสมาธิต่อไปอีกว่าได้เดินเข้าไปมองเห็นเป็นชั้นๆมีถึงห้าชั้นจึงก้าวขึ้นไป จากชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้าเป็นบันไดแก้วแล้วหยุดอยู่บนชั้นนั้นแต่แล้วก็ต้องกลับคืนและในขณะนั้นปรากฏว่าได้สะพายดาบอันคมกร้าไปด้วยเล่มหนึ่งพร้อมทั้งสวมรองเท้าวิเศษอีกด้วยในคืนต่อไปทําสมาธิเข้าไปถึงชั้นเดิมอีกแต่คราวนี้ปรากฏเป็นกำแพงแก้วอยู่ข้างหน้า ที่กำแพงแก้วนั้นมีประตูเข้าออกได้จึงคิดอยากจะเข้าไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นจึงเอามือผลักบานประตูเดินเข้าไปเห็นมีทางอยู่ทางหนึ่งเป็นสายตรงได้เดินไปตามทางสายนั้นข้างทางด้านขวามือมีที่สำหรับนั่งและมีพระกำลังนั่งสมาธิอยู่ประมาณสองสามรูปที่อยู่ของพระนั้นคล้ายกับ ประทุนเกวียนแต่เราไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าไรนักจึงเดินต่อไปข้างทางทั้งสองมีถ้ำเงื้อมอยู่มากและได้เห็นดาบทตนหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยเอาใจใส่อีกแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงหน้าผาซึ่งสูงชันมากคิดจะเดินต่อไปอีกก็ไม่ได้จึงหยุดเพียงแค่นั้นแล้วกลับมาตามทางเดิม ในคืนต่อไปก็ได้เข้าจิตสมาธิดำเนินไปตามทางเดิมทุกประการเมื่อไปถึงหน้าผานั้นปรากฏว่ามียนต์อยู่อันหนึ่งคล้ายๆกับอูมีสายย่ต์ลงมาจากหน้าผานั้นจึงได้ขึ้นยนต์พอนั่งเรียบร้อยแล้วยนต์ก็ชักพาขึ้นไปบนยอดเขาลูกนั้นแต่บนเขานั้นมีสมเพาใหญ่อยู่ลำหนึ่งได้ขึ้นบนสมเพอลานั้นอีก ข้างในสำเพามีโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ตัวหนึ่งบนโต๊ะมีผ้าสีขาวละเอียดปูไว้เมื่อมองไปมองมาทั้งสี่ทิศเห็นมีแสงประทีปตั้งไว้รุ่งโรจน์ชัชวาลประทีปนั้นคล้ายกับติดเชื้อด้วยน้ำมันจึงได้ขึ้นนั่งบนโต๊ะนั้นและได้ฉังจันหันคืออาหารเช้าที่นั่นด้วยของฉันก็มีข้าวและแกงกับอีกหลายอย่าง เวลาฉันเสร็จแล้วมองไปข้างหน้าเห็นฝั่งนู้นไกลลิบจะไปต่ออีกก็ไม่ได้เพราะมีเหวลึกขวางหน้าอยู่และสะพานที่จะข้ามก็ไม่มีจึงต้องกลับสู่ทางเดิมคืนหลังต่อมาก็ได้เข้าสมาธิจิตไปตามเดิมนั่นอีกแต่พอถึงสำเพอลำนั้นก็ยังคิดอยากจะข้ามเหวต่อไปปรากฏว่ามีสะพานเล็กๆ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 ก็ได้เข้าสมาธิจิตไปตามทางเดิมนั้นอีกในคืนวันนั้นเมื่อไปถึงระหว่างตอนที่จะข้ามสะพานตรงเหวลึกนั้นปรากฏว่ามีสะพานใหญ่กว่าวันก่อนมากขณะที่เดินไปตามสะพานถึงระหว่างกลางนั้นก็ได้พบกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสุริจันโทซึ่งเดินสวนทางมาแล้วกล่าวว่าอัทังคิโกมัคโค แล้วก็เดินต่อไปครั้นไปถึงประตูแล้วมองเห็นประตูเล็กจึงผลักประตูเล็กออกไปได้เข้าไปผลักประตูใหญ่ก็ได้อีกเมื่อเดินเข้าไปก็เห็นมีกำแพงและมีเสาธงตั้งอยู่กลางเวียงกำแพงนั้นสูงตระงานบานใจยิ่งนักที่ข้างหน้ามีถนนสะอาดเปลียนราบรื่นและมีหลังคามุงไว้ มีประทีปโคมไฟติดไว้ตามเพดานสว่างสวยัยข้างหลังถนนเห็นมีโบสถ์หลังหนึ่งจึงเดินเข้าไปในโบสถ์นั้นภายในโบสถ์มีทางสำหรับเดินจงกรมและมีดวงประทีปตามไว้สว่างสวัยอยู่สองข้างทางเดินคิดอยากจะเดินจงกรมจึงได้เดินกลับไปกลับมาอยู่ในณที่นั้นและเห็นธรร ม, มาตอวิจิตไปด้วยเงินตั้งอยู่ จึงได้ขึ้นไปนั่งบนธรรมาสนั้นข้างบนธรรมาสนี้มีบาดอยู่ใบหนึ่งเมื่อเปิดดูก็พบมีดโกนอยู่เล่มหนึ่งพอมาถึงตอนนี้ไม่มีนิมิตอะไรอีกต่อไปคงหยุดเพียงแค่นี้ทุกวันทุกคืนได้เข้าจิตธํานองนี้จนเกิดความชำนิชำนาญจะเข้าออกเวลาไหนก็ตามใจชอบพอถึงที่ของมันแล้วจะสัดจากอารมณ์ทั้งหลาย แม้เสียงก็ไม่ได้ยินทุกเขเวทนาก็ไม่ปรากฏเป็นเช่นนี้อยู่ถึงสมเดือนและทุกครั้งที่เข้าจิตไปนั้นดาบและรองเท้าก็จะต้องมีพร้อมทุกคราวไปจนสำคัญตนว่าตนของตนถึงความบริสุทธิ์แน่จริงหมดจดจากกิเลสแล้วการเกิดนิมิต ท, ที่ท่านเล่ามานี้ข้าพเจ้าได้เล่าจากปากคำของท่านเอง ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นนั่งอยู่ที่ศาลาเวลาบ่ายสองโมงเศษข้าพเจ้าสนใจเป็นพิเศษขอจดลงในสมุดบันทึกเลยและท่านก็บอกข้าพเจ้าว่าระวังอย่าได้ไปหลงในนิมิตเช่นนี้เพราะมันวิเศษจริงๆผู้ปฏิบัติทางจิตชอบจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้แล้วสำคัญตนผิดเราเองก็สาคัญตัวเราเองมาแล้วแล้วมันก็น่าจะหลง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 เมื่อคิดค้นดูเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วเห็นว่าลักษณะจิตที่ดำเนินไปอย่างนี้คงจะยังไม่ตรงต่ออริยมรรคอริยผลแน่จึงพยายามไม่ให้จิตมันลงไปเหมือนเดิมถึงมันจะลงก็ไม่ยอมให้มันลงกำหนดกายยัคตาเป็นอารมณ์พยายามแก้ไขตัวเองอยู่เดือนเศษในวันหนึ่งหลังจากที่ไม่ให้จิตมันหลงไปตามนิมิตต่างๆนั้นได้แล้ว กำหนดเฉพาะกายยคตาจิตได้เข้าถึงฐานปรากฏว่าได้เลิกหนังของตนออกหมดแล้วแหวะภายในกายได้พิจารณาทบทวนอยู่ในร่างกายอย่างละเอียดแต่ก็ใช้เวลาพักจิตมิใช่พิจารณาไปโดยไม่ได้มีการหยุดพักแต่เมื่อพักจิตก็รู้ว่าปัญญาได้เกิดขึ้นพอควรมีอาการไม่ตื่นเต้นและไม่หวั่นไหว จึงได้เปล่งอุทานว่านี่แหละจึงจัดว่ารวมถูกเพราะไม่ใช่จิตรวมสงบก็อยู่เฉยที่สงบนั้นต้องสงบแล้วพิจารณาอยู่ในกรรมฐานคืออยู่ในการพิจารณาดูตัวทุกข์คือกายนี้เป็นทุกข์และให้เห็นตัวทุกข์อยู่จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินจิตอยู่ในองค์มรรคท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าถึงตอนนี้ จึงพูดขยายความต่อไปอีกว่าเราจะต้องตรวจค้นให้รู้จริงเห็นจริงอยู่ที่กายกับจิตเท่านั้นจึงจะถูกอริยมตรตปฏิปทาจนบางครั้งปรากฏว่าร่างกายของท่านแตกออกเป็นสองภาคแล้วก็ได้กำหนดจิตให้นิ่งจนเกิดความสังเวชสลดใจจึงถือเอาหลักนั้นเป็นการเริ่มต้นเพราะเห็นว่าถูกต้องแล้วเป็นปฏิปทาดาเนินต่อไป สิตอนธุดงพจนภัยรูปเดียวถึงถ้ำไพรขวางพุทธศักราช2455ท่านได้ท่านในพิจารณาในตัวของท่านเองว่าที่เราบำเพ็ญนี้ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็พอจะรู้ทางถูกทางผิดบ้างแล้ว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 เป็นอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรท่านเห็นพระธุดงไปที่พระพุทธบาทถึงกับเขียนไว้ข้างมุง้งคือกรดของท่านเลยว่ามีพระให้เช่าท่านบอกว่าท่านที่ธุดงโดยมุ่งหวังชื่อเสียงลาบสักการะนั้นอย่าธุดงดีกว่าเราเข้าป่าเพื่อแสวงหาธรรมปฏิบัติก็ควรจะยกความกังวลทั้งหลายออกไปเสีย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 พยายามทัดทานท่านว่าอย่าเข้าไปเลยหลวงพ่อเพราะพระที่เข้าไปในถ้ำนี้มรณะข้าไปแล้วถึงหกอง์ขอให้อยู่กับพวกผมที่บ้านนี้เถิด อ, อย่าเข้าไปเลยท่านพระอาจารย์มั่นก็ตอบไปว่าเออโยมขอให้อาตมาเป็นองค์ที่เจ็ดก็แล้วกันท่านไม่ยอมฟังคําทัดทานของชาวบ้านได้เดินทุดง เข้าไปยังถ้ำภูเขาลูกนั้นต่อไปถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำที่ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าใดนักมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่นจนมืดคลึมเป็นที่น่าสะพึงกลัวซึ่งเป็นที่พระธุดงได้มรณภาพไปถึงหกองค์ชาวบ้านแถวนั้นเขาเข้ามานำเอสบไปบาเพ็ญกุศลกันตามมีตามเกิดท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อทอดอะไรในชีวิตแล้ว ก็วางบริขารไว้แห่งหนึ่งตรงปากถ้ำจัดการสถานที่แล้วเดินดูรอบๆ บ, บริเวณได้ยินแต่เสียงจักกจัน่นปรีไรร่ำร้องพวกนกส่งเสียงกระชิบกระชาบก็ยิ่งทำให้เกิดความวังเวงยิ่งขึ้นเมื่อเวลาตอนพระบขัสนทยารอบๆ บ, บริเวณนั้นเต็มไปด้วยความสงัดเงียบ ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งก็อาจจะเป็นบ้าไปเพราะความครวซึก็ได้แต่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคยเชินในเรื่องนี้เสียแล้วจึงไม่มีอะไรจะมาทำให้จิตใจของท่านเกิดหวั่นไหวเมื่อข้าลงสนิทแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญความเพียรด้วยการนั่งสมาธิตลอดคืนปรากฏว่าสว่างสวัยไปทั่วหมดซึ่ง นับว่าเป็นนิมิตอันดีเป็นอย่างมากในค่ําคืนวันนั้นรุ่งขึ้นท่านก็ออกบินฑบาต ท, ที่บ้านไร่นั้นนําอาหารกลับมาฉันที่ถ้าเมื่อฉันเสร็จแล้วท่านก็พักกลางวันไปสักชั่วโมงเพราะเหน็ดเหนื่อยมาตลอดคืนที่แล้วแต่พอลุกขึ้นท่านก็รู้สึกหนักตัวไปหมดและหนักผิดปกติจนท่านแปลกใจเมื่อท่านไปถ่ายอุจจาระก็รู้สึกว่าเป็นทองร่วง เมื่อสังเกตดูอุจจาระก็พบว่าทุกอย่างไม่ย่อยเลยข้าวสุกก็ยังเป็นเมล็ดแตงโมก็ยังเป็นชิ้นถ่ายออกมาก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมท่านเข้าใจว่าเหตุนี้เองพระเหล่านั้นจึงมรณภาพตัวเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นท่านจึงเดินเที่ยวหาบริเวณที่อันจะทำให้เกิดความหวาดเสียวซึ่งต้องเป็นที่เหมาะ เพราะจะต้องทำกันให้ถึงที่สุดแล้วท่านก็เหลือไปเห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนปากเหวลึกแล้วท่านก็ทดลองโยนหินลงไปกว่าจะได้ยินเสียงก็กินเวลาอึดใจหนึ่งท่านก็กะว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะแล้วถ้าเราจะต้องตายก็ขอให้ตายตรงนี้ให้ท่านหล่นลงไปในเหวนี้เสียเลยจะได้ไม่ต้องเป็นที่วุ่นวายแก่ใครๆซึ่งจะต้องกังวลทาศพให้เรา ตอนนิมิตเห็นอดีตเคยเกิดเป็นสุนัขในค่ำวันนั้นท่านตั้งปณิธานว่าเอาละถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดและในค่ำคืนวันนั้นเองเมื่อท่านกำหนดจิตตามที่ท่านได้ฝึกฝนไว้ตอนหลังสุดตามอุบายนั้น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 เพราะขณะจิตขั้นนี้จะไม่มีนิมิตเข้ามาเจือปนได้คือเลยขั้นที่จะมีนิมิตท่านกาหนดพิจารณาโดยกำลังของกระแสจิตก็เกิดญาณคือความรู้ขึ้นว่าลูกสุนักนั้นหาใช่อื่นไกลไม่คือตัวเราเองเรานี้ได้เคยเกิดเป็นลูกสุนักอยู่ตรงนี้มานับครั้งไม่ถ้วนคงหมุนเวียนเกิดตายอยู่ในชาติของสุนัข ท่านใคร่ครวญต่อไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคือเหตุอันใดจึงต้องเป็นสุนัขอยู่อย่างนั้นได้ความว่าพบคือความยินดีในอัตภาพของตนสุนัข ก, ก็ยินดีอยู่พบของมันจึงต้องอยู่ในพบของมันตลอดไปขณะท่านทราบว่าตนต้องเกิดเป็นสุนัขนั้นได้ถึงซึ่งความสลดจิตมากที่สุดแม้ความสว่างสวัยของจิต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 อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นสุนักนับพบนับชาติไม่ท่วนด้วยเหตุนี้ท่านจึงนึกถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ก็มาระลึกได้ว่าปฐมเทศนาเป็นบทบาทสําคัญซึ่งจะเป็นทางบรรลุธรรมเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้จากความเป็นจริงที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วนําออกมาแสดงเช่นที่พระองค์ ทรงแสดงถึงอริยสัจสีว่าทุกสมุทยัยนิโรธมักคือทุกควรกำหนดรู้สมุทยัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรเจริญให้มากท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้มาคำนึงถึงธรรมะอันเป็นหัวใจของพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเช่นนี้แล้วท่านก็มาพิจารณาต่อไปอีกว่าทุกคืออะไร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 ก็เท่ากับรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจนั่นเองดูแต่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระเบญจวคีทั้งห้าด้วยพระธรรมเทศนากันที่สองคืออนัตตลกนาสูตรพระพุทธองค์ทรงยกรูปขึ้นมาให้พระเบญจวคีพิจารณาคือทรงสแสดงว่ารูปังพิขเวอนัตตารูปไม่ใช่ตนปริวัติที่สองว่าตั้งจริงบัญญะิขเวรูปัง นิจจังวาอานิตจังวาติพิสุนทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไนรูปเทียงหรือไม่เทียงปริวัตที่3ว่าตัตสมาติหาภิขเวรูปังอาตีตังวาอนาคตังวาปัจจุปันนังวาเพราะเหตุนี้และพิสูนทั้งหลายรูปในอดีตอนาคตหรือรูปปัจจุบัน สพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมามัสมิณเมโซอัตตาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเอวะเมตังยถาภูตังส ม, มปัญญายะทัตพังจงพิจารณาข้อความนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบท่านพระอาจารย์มั่นได้พิจารณาว่า การพิจารณาตัวทุกนี้ก็คือรูปกายนี้เองพระเบญจวครีแม้จะได้บรรลุธรรมในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่เพียงพอพระพุทธองค์จึงต้องทรงเน้นหนักลงไปที่กายนี้เองโดยทรงแสดงอนัตตลกขณะสุดเพื่อจะให้พระเบญจวครีได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดท่านพระอาจารย์มั่นได้คํานึงถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ตอนที่จะตรัสรู้ ที่ทรงนั่งสมาธิในวันวิสาขะเพ็นเดือนหกนั้นตอนปฐมยามทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติยานคือพระยานอันเป็นเหตุให้ระลึกชาติในหุนหลังได้นี่คือการพิจารณากายจุดสําคัญจุดแรกเนื่องจากอัตภาพแต่ละอัตภาพที่พระพุทธองค์ทรงระลึกนั้นมีทั้งสุขทุกข์มีทั้งเกิดแก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 การดำเนินให้เป็นไปตามความเป็นจริงนี้เรียกว่าญาณคือการอย่างรู้ท่านได้วความรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเพียงพอคือความอิ่มตัวของญาณแต่ละครั้งมิใช่เป็นสิ่งที่จะนึกคิดเดาเอาหรือน้อมเอาเพื่อให้เป็นไปแต่ต้องเกิดจากความจริงที่ว่าต้องพอเพียงแห่งความต้องการหรืออิ่มตัว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 ต้องอาศัยการพิจารณาจนเพียงพอแก่ความต้องการคือจุดอิ่มตัวแต่ละครั้งเช่นกำลังของการพิจารณาขณะ น, นี้มันอาจจะอยู่ได้ชั่วขณะหรือเวลาสุดแล้วแต่กำลังของยานเช่นนิพิธายานความเบื่อหน่ายจะตั้งอยู่ในใจนานเท่าไรนั้นสุดแล้วแต่การพิจารณากายเห็นชัดด้วยสามารถแห่งพลังจิตการพิจารณาทุก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 12. การผจญภัยอันตรายในภายในท่านพระอาจารย์มั่นเล่าต่อไปว่าณคนะ่ำคืนระหว่างการดำเนินจิตก็กำลังสว่างสวยและได้ผลนั้น สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเวลา23านาฬิกาก็ได้เกิดขึ้นแล้วคือมีอาการสั่นสะเทือนขึ้นทั้งภูเขาดูรู้สึกเหมือนกับว่าภูเขาลูกที่ท่านนั่งอยู่นั้นจะพลิกควา่าซึ่งขณะนั้นท่านกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ยางได้ผลบางครั้งจะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงต้นไม้หักเป็นระนาวทีเดียวอากาศ เป็นเหมือนกับมืดลมมืดฝนเป็นลักษณะที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเกือบจะทาให้ท่านต้องลืมตาออกมาทีเดียวแต่ท่านก็หาได้ลืมตาดูตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ท่านได้พิจารณาเป็นอนุโล ม, มิกยานในอริยสัจธรรมพร้อมกับเหตุอันน่าสะพึงกลัวนั้นก็ทวีความดุนแรงขึ้นเป็นลาดับขณะที่เป็นอยู่อย่างนั้น นานเท่าใดไม่อาจทราบได้ท่านได้กําหนดสติอย่างมั่นคงและได้คํานึงถึงสตินี้เป็นอย่างดีและชัดเจนขึ้นอย่างยิ่งว่าสติอันที่จะเรียกได้ว่ามีกําลังนั้นต้องมาต่อสู้และผจญภัยเพื่อเป็นการทดสอบว่าจะเกิดความหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกจะยังคงพิจนารณาอยู่กับร่องรอยได้หรือไม่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 เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดเป็นเวลานานพรันอาการประหลาดก็เกิดขึ้นมาอีกคือมีอาการร่างกายใหญ่โตขึ้นสูงเท่ากับต้นไม้ใหญ่มือถือตะบองเหล็กซึ่งมีรัศมีดังเปลวไฟแปรปราบเดินย่างสามขุมตรงรีเข้ามาหาท่านอย่างผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจพร้อมกับตะวาดว่าจงลุกจากที่นี่เดี๋ยวนี้มิฉนั้นจะต้องตาย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 หลังจากท่านพระจารมันถูกยักษ์ตนนั้นมันตะคอกเอาแล้วท่านก็กำหนดในใจพูดตอบยักษ์ไปว่าเราไม่ลุกทันใดนั่นเองปรากฏว่ายักษ์ได้หัวตะบองอันใหญ่นั้นลงยังร่างของท่านอย่างน่าใจหายใจควม่มท่านรู้สึกประดุดว่าตัวของท่านจมลงดินลงไปลึกประมาณสิบวาแต่ทันใดนั้น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 ชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งมีค่าเท่ากับการพิจารณาจุดสุดยอดแห่งอนุโลมิกยานในขณะนั้นเลยจึงหาได้เกิดความหวาดกลัวหรือสะดุ้งแต่ประการใดไม่เหตุการณ์ก็หาได้หยุดลงแต่เพียงนั้นก็หาไม่ท่านใดนั้นเจ้ายักษ์ตนนั้นมันก็ถอนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นตะเคียนอยู่ข้างหลังของท่าน ซึ่งต้นตะเคียนนั้นใหญ่ขนาดสิบคนอุ้มใหญ่มากทีเดียวมันเอามือทั้งสองข้างฉุดต้นตะเคียนเหมือนกับยกหม้อน้ําปรากฏว่ารากตะเคียนได้หลุดขึ้นจากดินพร้อมกับดินแถวๆนั้นกระจายไปหมดปรากฏว่าก้อนดินหล่นกระจายถูกต้องร่างกายท่านทั่วไปและพร้อมกันนั้นมันก็ยกตะเคียนขึ้นพร้อมด้วยความโกรธตาแดงยังกับลูกไฟ ยกขึ้นสูงเหนือภูเขาลูกนั้นฟาดลงมายะร่างของท่านดังสะท้านหวั่นไหวปรากฏว่าร่างกายของท่านสุดแบนละเอียดติดอยู่กับก้อนหินนั้นและพร้อมกันนั้นก็ปรากฏว่าหินก้อนที่ท่านนั่งอยู่นั้นก็แตกละเอียดเป็นจุนไปในชั่วพริบตานั่นเองขณะนั้นเกือบจะทำให้ท่านต้องเผลอลืมตาขึ้นมาดูความเป็นไปต่างแต่ว่า ท่านได้คำนึงถึงมหาสติอันเป็นเครื่องบังคับกากับการพิจารณาในจุดสุดยอดแห่งธรรมะอันละเอียดอ่อนทำให้ท่านได้พิจารณาอย่างเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้เหตุการณ์อันเป็นเครื่องทำให้เกิดอาการหวั่นไหวท่านก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวเลยในที่นี้ท่านได้คำนึงต่อไปว่ามีสิ่งหนึ่งอันเป็นประการสาคัญ ซึ่งเป็นมนทินของใจนั่นคือการพว้าะวังของการปรารถนาพระผูวทียานและก็กลับไปปรารถนาเช่นนั้นหันมาเพื่อความพ้นทุกข์อันจะพึงได้บรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ในขณะนั้นก็คงเป็นช่นนี้เองที่ทำให้มีมนทินเป็นเครื่องสกิดใจไว้แต่เมื่อได้สละแล้วท่านจึงไม่ได้คานึงถึงสิ่งอื่นอันเป็นเหตุให้ต้องประสบสิ่ง อันที่หวาดกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแล้วปรากฏว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสภาพเป็นอันเดียวดุดหน้ากรองชัยโลกนี้ราบลงหมดคือสว่างราบเตียนร่างกายของท่านปรากฏว่าประมวลกันเข้าดังเดิมและปรากฏว่ายักษ์ตนนั้นจำแรงตัวเป็นมนุษย์ลงมากราบไหว้ขอขมาลาโทษท่านแล้วมันก็หายไป ขณะนั้นไก่ขันกระชันแล้วแสดงว่าใกล้แจ้งซึ่งประมาณเวลา ร, ราวตีสหรือตีสเห็นจะได้แต่ได้คำนึงถึงยานสามในอริยมรรคคือสัจญานจิจญาณและกัตยานจิตที่บำเพ็ญถึงจุดอิ่มตัวเป็นญาณซึ่งไม่ใช่ว่าจะถือเป็นชันนั้นชันนี้เพราะถือว่าได้สำเร็จ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 บำเพ็ญให้ถูกต้องโดยการพิจารณาทุกเมื่อถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไรก็รู้เองเหมือนคนรับประทานอาหารรับประทานอาหารอิ่มเมื่อไรเขาก็รู้ตัวของเขาเองเช่นเมื่อพิจารณากายคือตัวทุกขั น, นแล้วพอเมื่อเห็นกายเข้าก็เกิดความสังเวชสลดใจแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นญาณเพราะมันจะเกิดขึ้นเอง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 โดยอัตโนมัติเป็นกัตยานท่านได้คำนึงถึงสมุทัยว่าอันการมัตันหาความใคร่ในกามภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่จริงแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะที่กําลังบำเพ็ญญาณ น, นั่นเองเพราะกิเลสเกิดขึ้นตอนเจริญปัญญาญาณ น, นี้สําคัญนัก จะเกิดการถือตัวย่างก้าวไปไกลแก้ไม่ลุดคือไม่เห็นญาณความอย่างรู้เกิดขึ้นซึ่งจะละเอียดและอัศจรรย์เลยถือเอาว่าเป็นพระนิพพานซะเลยนี่แหละกิเลสปัญญาเพราะตอนที่ผู้บำเพ็ญจะสำคัญตนว่าบรรลุแล้วมิหนำซ้ำยังตั้งตัวเป็นนักพยากรณ์ะอีกว่าคนนั้นได้ชั้นนั้นคนนี้ได้ชั้นนั้น บางครั้งเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตว่าละกิเลสได้หมดแล้วมีธรรมมาบอกเกิดขึ้นเมื่อวันนั้นเดือนนั้นเราได้บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้แล้วถ้าหากว่ามีผู้รู้เท่าไม่ถึงการบัญญัติเราเข้าให้อีกว่าแน่แล้วสําเร็จแล้วทีนี้ก็จะทําให้จิตต้องนึกว่าสําเร็จบรรลุและถือตนหนักขึ้นดังนั้นในสมุทยัทยสัจจะ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าปหาตับพันติเมพิก เ, เวดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายสมุทัยควรละก็ละตรงที่เรียกง่ายๆว่าวิปัสสนูปกิเลสดังกล่าวนั้นแล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านในคำนึงถึงเรื่องนี้เพื่อความรอบครอบของจิตที่กำลังดำเนินไปอย่างได้ผลว่าเมื่อไม่ค่องอยู่ในอุปท า, านและห่วงอยู่ ในความที่เข้าใจตัวเองว่าบรรลุชันนั้นชันนี้ได้แล้วเพราะว่าท่านขณะที่กำลังบังเพนวิปัสนญาณ น, นั้นได้ทราบชัดว่าวิปัสนาคือความเห็นแจ้งแต่ธรรมดาแล้วก็คงเห็นแจ้งเฉยๆเช่นเห็นว่าธาตุเป็นขันเกิดขึ้นจากตาในด้านการพิจารณาแต่ยังไม่ใช่ญาณการที่จะเป็นญาณขึ้นมาได้นั้น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 จากความเพียงพอของการรับประทานอาหารนั่นเองเพราะความเกิดเองในที่นี้เรียกว่าสันติโกความเห็นเองนิโรธควรทำให้แจ้งการทำให้ไม่ให้คนหลงในมรคนิพพานนั่นเองเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายงมงายในความเป็นเช่นนี้มากในเมื่อไม่ใช้ปัญญาญาณเพราะไปใช้แต่สิ่งสำคัญตนจึงต้องใช้การทำให้แจ้ง มันจะเป็นอย่างไรขึ้นก็ช่างเราทําไปแล้วทําที่ดำเนินไปก็บรรลุเป้าหมายนั่นเอง 13. ตอนทวนกระแสจิตพบผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ตายในวาระสุดท้ายท่านพระจารย์มั่นท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเราได้กำหนดทวนกระแสจิตคือเมื่อพิจารณาไปแล้วทุกอย่าง นับมาแต่การพิจารณาดูตัวทุกข์คือขันทั้งห้านั้นแล้วและพิจารณาให้เป็นวิปัสนาคือให้เห็นว่าขันทั้งห้าเหล่านั้นเป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและพิจารณาที่ทำทั้งหลายอันละเอียดวิเศษที่สุดจนเข้าใจว่าเป็นผู้บรรลุขจัดออกไปทั้งหมดโดยอนุโลมิกยานแล้ว ท่านก็ทวนกระแสจิตกลับมาหาทีติภูตังคือที่ตั้งของจิตที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นต้นเหตุการทวนกระแสจิตที่เป็นอนุโลมิกระยานให้เห็นว่าใครคือผู้รู้ใครคือผู้เห็นคือให้รู้ว่าเป็นผู้ไม่ตายให้เห็นว่าเป็นธาตุเพราะได้พิจรารณาโดยการเห็นโด ย, ยานนั้นเป็นความจริง อันตัวผู้รู้ผู้เห็นอยู่ที่ไหนอาศัยยานที่บำเพ็ญขึ้นจนพอแก่ความต้องการอันที่เรียกว่าอนุโลมิกรยานนั้นแล้วก็จะปรากฏว่าได้เห็นตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่ตายคราวนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นองค์มรตภาเวตาพันติเมพิกเวมรตควรเจริญให้มากผู้ที่มาเห็นตัวผู้เห็นกล่าวว่า เป็นผู้หายความสงสัยโดยสิ้นเชิงไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์โน้นถูกอาจารย์นี้ผิดเรากำลังทำนี้จะถูกหรือผิดไม่มีในจิตของผู้เป็นเช่นนี้ถ้ายังไม่ถึงเช่นนี้ก็จะยังสงสัยอยู่ร่ำไปแม้ใครจะมาเทศให้ฟังเท่าไรก็แก้สงสัยไม่ได้ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าขณะนั้นปรากฏว่าโลกนี้ เตียนราประดุดหน้ากรองชัยเรียบเอาจริงๆท่านได้ย้ำให้กับพเจ้าฟังแต่การเรียบเปรียบเหมือนหน้ากรองชัยคือการอยู่ในสภาพอันเดียวกันได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่การปรากฏขึ้นในจิตนั้นเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรมาคล้องอยู่ในจิตใจขณะนั้นเป็นเช่นนั้น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 ในเมื่อการรวมกำลังนี้สมบูรณ์เต็มที่แต่ละครั้งเพราะความที่ได้ขยี้ข้าศึกคือกิเลสนี้เองจึงเกิดเป็นวิสุทธิเจ็ดประการครั้นเมื่อเป็นดังนี้บริบูรณ์แล้วคำว่าชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุได้ตัดเสร็จแล้วซึ่งอุปท า, านท่านในเล่าเป็นเชิงแนะนำข้าพเจ้าเป็นลาดับตามวาระแห่งจิตของการดาเนินของท่าน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 ในวันนั้นท่านได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมในเวลาก่อนแจ้งรู้สึกตัวเบาไปหมดได้เวลาไปบินธบาศตอนเช้าท่านไน้นุ่งห่มสบงชีบอลซ้อนสังคาติเป็นป ร, ริมณฑลกับบาดสะพายไว้ข้างประดุดอุ้มแล้วก็เข้าไปสู่หมู่บ้านที่ท่านเคยไปแต่การก่อนนั้น อันชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่าท่านพระจารมั่นท่านได้ตายไปเสียแล้วเพราะว่าไม่ได้มาบิณฑบาตตั้งสามวันเนื่องจากพระธุดงค์มาตายที่นี่หลายองค์ท่านพระจารมั่นองค์นี้จะต้องเหมือนกับองค์อื่นๆซึ่งชาวบ้านต่างก็พากันสงสัยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วซึ่งพอท่านพระจารมั่นมาอยู่วันเดียวบิณฑบาตวันเดียวก็หายไปเฉย แต่ก่อนๆพระธุดง์ที่มาที่นั่นบางองค์ก็สามเดือนหกเดือนจึงจะตายแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์ใหม่นี้ทำไมจึงตายเร็วนักเพียงสองสามวันเท่านั้นชาวบ้านบางคนที่สนใจเป็นพิเศษพอไม่เห็นท่านมาบิณฑบาตก็ได้ไปเยี่ยมท่านที่ธรรมแต่ก็ไม่เห็นเพราะที่นั่นท่านนั่งสมาธิเป็นที่ที่ลี้ลับมาก ครั้นจะค้นให้ทั่วก็กลัวจะเป็นการรบกวนสมาธิของท่านถ้าท่านกำลังนั่งสมาธิแต่ถ้าหากท่านตายจริงหลายวันแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะก็จะลำบากชาวบ้านต่างก็พากันโจดขานกันไปและคิดที่จะหาทางเอาศพมาบาเพ็ญกุศลกันแต่ที่ไหนได้รุ่งขึ้นเช้า ว, วันที่สามนั้นก็ปรากฏเห็นโฉมหน้าของท่านพระอาจารย์มั่น กำลังออกมาบินธบาตรโดยปกติแล้วทุกคนก็บังเกิดความเลื่อมใสต่างก็ถามท่านว่าท่านพระอาจารย์ครับสามวันชีมแล้วมาทำไมจึงไม่มาบินธบาต ท, ท่านอาจารย์ได้ตอบว่าก็เราได้ต่อสู้กับความง o ่ของตัวเองนั่นแหละโยมเห็นจิตสงบดีจึงไม่ได้มาแต่ชาวบ้านก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ไปได้ตลอดหรือไม่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 องที่หนึ่งได้มาอยู่สองเดือน29วันก็มรณภาพองค์นี้ผิดวินัยข้อที่เก็บอาหารเป็นสันนิธิเป็นอาบัติปาจิตติในโพชนวัชศิกษาบทที่7เวลาไปบินทบาทแล้วมีอาหารบางสิ่งที่ไม่บูดเสียแล้วก็เก็บไว้ฉันในวันต่อไปองค์ที่สองอยู่ได้สมเดือนกับ10วันก็มรณภาพส่วนองค์ที่สองนี้ ได้ตัดต้นไม้ในป่าด้วยตนเองแล้วนำมาทำร้านเพื่อเป็นที่สำหรับนั่งและนอนนอกถ้ำเพราะว่าจะนั่งนอนกับหินและดินก็ชุ่มชื้นนี่ก็เป็นอาบัตปาิจิตีในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งภูตคามาวัคองค์ที่สอยู่ได้สี่เดือนกับ22วันก็มรณภาพองค์ที่สามนี้ได้ขุดดินโดยที่แถวนั้นมีมันป่ามาก ก็ขุดเอามันมาไว้และต้มฉันเองซึ่งเป็นสิ่งที่สมณะไม่ควรทำและผิดวินัยตามพุทธบัญญัติข้อหนึ่งของภูตคาธรมวัต์และข้อที่สิบของมูสาวาทวัตรองค์ที่สี่ได้มาพักอยู่ห้าเดือนกับยี่สิบวันก็มรณภาพที่ถ้ำนี้ชาวบ้านได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี องนี้ได้ทำผิดวินัยที่เก็บอาหารบินทบาตมาได้และเอาไว้ฉันต่อไปและได้เก็บผลไม้ต่างๆในป่ามาฉันเองซึ่งเป็นการผิดวินัยข้อที่8ของโภชนวัคปาจิตตีและข้อที่หนึ่งของภูตคามวัคปาจิตตีองค์ที่หอยู่ได้6เดือนกับ18วันก็มรณภาพองค์นี้ได้ไปเก็บผลไม้จากต้นไม้เพราะในป่านั้น มีผลไม้ป่าต่างๆเป็นต้นว่าไม้เข็งไม้พองผลนมวัวเป็นต้นท่านได้ไปเก็บเองจากต้นไม้ฉันเองนี่เป็นอาบัติปัจจิตีข้อที่หนึ่งของพูตธคามวัคและข้อที่ส0ของโพชนวักองค์ที่6อยู่ได้เจ็ดเดือนกับสิบสองวันแล้วก็ขอให้โยมพาไปส่งที่วัดเดิมของท่านที่ขอนแก่นเมื่อกลับไปอยู่วัดเดิมได้หนึ่งเดือน ท่านก็มรณภาพองค์นี้ก็เก็บอาหารต่างๆที่เป็นสันนิธิเป็นอาบัติโดยที่ได้ทําอยู่เป็นอาจินแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้รู้ถึงสมุธฐานแห่งการเป็นอาบัติจึงต้องเป็นศีลวิบัติอันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตการจะเดินธุดงและอยู่ป่าได้นั้นข้อสําคัญต้องรักษาขนบธรรมเนียมพร้อมด้วยพระธรรมวินัยของพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัด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 จึงจะเป็นผลท่านก็กำหนดพิจารณาดูในขณะนั้นว่าการแนะนำในขั้นต้นนี้ควรจะต้องดำเนินไปเฉพาะพระพิสุสัมมณี น, เ, นเป็นประการสำคัญเพราะพระพิสุสมมัมเณีแม้อองเดียวถ้าได้เห็นธรรมะเป็นที่แน่ชัดแล้วจะไปสอนอุบาสกอุบาสิกาได้เป็นจำนวนมากและก่อนแต่ที่จะสอนใคร ก็ควรจะต้องพิจารณาจิตใจของผู้นั้นว่าควรจะได้รับธรรมะอย่างไรผู้นั้นควรจะนำไปปฏิบัติอย่างไรท่านพระอาจารย์มั่นท่านย้ากับข้าพเจ้าว่าถ้าเราไม่พึงรู้ถึงความเป็นจริงคืออุปนิสัยวาสนาและบุเพนิวาสแต่การก่อนซึ่งจะเป็นเหตุให้เราได้ทราบชัดว่าผู้ใดควรได้รับธรรมะกรรมฐานอะไรและจะสามารถรู้ซึ้ง ในกรรมฐานได้แล้วเราจะยังไม่สอนใครเลยทีเดียวฉะนั้นการสอนกรรมฐานของท่านจึงได้ผลเต็มร้อเปอร์เซนปรากฏต่อมาว่าเมื่อท่านสอนใครแล้วต้องได้ผลเพราะเราจะเห็นผู้เป็นอาจารย์กรรมฐานองค์สําคัญสําคัญที่ได้ทําประโยชน์ใหญ่แก่พระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นส่วนมาก เพราะได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องจากท่านพระอาจารย์มั่นนั่นเอง ตอนพระอาจารย์มั่นฟังสัตว์ป่าคุยกันณที่นี่เองท่านได้รู้จากภาษาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าเป็นต้นว่าลิงบ้างนกบ้างมันคุยกันไม่ใช่ว่าท่านจะได้ยินเพียงแต่เสียงจีดจีเจ็ดๆจ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 บางครั้งไปหากินลักขโมยของมนุษย์ตามไร่ตามสวนนั้นหาใช่ว่าพวกมันจะไม่รู้ก็หาไม่พวกเขาก็ได้ตักเตือนกันอยู่แต่พวกมันก็ไม่ยอมเชื่อฟังแต่บางทีพวกนักล่าลิงได้ยิงลิงแล้วเอามาลอกหนังกินเส่นนั้นพวกลิงมันก็เห็นว่ามนุษย์นี้น่ากลัวยิ่งนักแต่พวกที่ไม่เคยเห็นว่ามนุษย์ฆ่าพวกมันมันจะไม่กลัว แต่ว่าพวกมันเห็นว่าเป็นตัวอะไรแปลกน่ากลัวนี่เป็นภาษาสัตว์ซึ่งผู้ใดได้รู้และเข้าใจภาษาของมันแล้วก็จะทำให้รู้อะไรแปลกแปลกขึ้นมากและในบริเวณนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งที่ไต่ ย, ยัวเยื้ออยู่ตามข้างๆถ้ำบางครั้งพวกมันจะหายไปเพราะไปเที่ยวหากินตามที่ไกลครั้นพอเวลาเย็นมันก็จะกลับมาอยู่ข้างถ้ำ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 บางทีเขาชอบพอกันระหว่างตัวเมียกับตัวผู้มันก็ว่าฉันชอบเธออะไรทํานองนั้นแต่ที่ดีที่สุดนั้นคือเขาจะมีการยำเกรงหัวหน้ากันมากเชื่อกันจริงๆพอหัวหน้าให้สัญญาณมันจะต้องเงียบให้สัญญาณหากินกันได้ก็รีบไปหากินให้สัญญาณกลับก็จะรีบกลับกันทันทีมียู่ห้ตัวซึ่งเป็นลิงชั้นหัวหน้า พากันมานั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งชําเลืองคอยดูท่านพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้เอาใจใส่แล้วมันก็สนทนากันว่ารือสีนี่ดีมากไม่เหมือนรือสีองค์ก่อนๆรือรสีองค์ก่อนๆ น, นั้นบางทีก็คว้างปลาเราเหมือนกับจะกินเราและทำผิดธรรมเนียมของรือสีไม่ทำความเพียรเหมือนรือีเราองค์นี้นั่นเอง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 ดูแต่เราฟังภาษาแขกภาษาจีนภาษาฝรั่งเถอะถ้าเราไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องอะไรคือไม่ผิดอะไรกับที่เราฟังอื่นงอ่างมันร้องพวกนกหนูปูปีกมันส่งเสียงร้องและเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่ถ้าใครได้เรียนตามภาษานั้ น, น, นก็จะรู้ได้ทันทีว่าเขาพูดอะไรกันในการผ่องใสแห่งจิตที่ได้รับในถ้ำสริกา จังหวัดนครนายกของท่านพระอาจารย์มัน่นจึงเป็นที่พอใจของท่านที่ได้เข้าถึงธรรมะละเอียดทั้งชาญทั้งยานทำให้ท่านแน่ใจถึงความรู้ของท่านอย่างแท้จริงครั้นท่านได้พักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณที่นี่จวบใกล้จะเข้าพรรษาแล้วท่านจึงได้ออกเดินธุดงต่อไปผ่านจังหวัดสระบุรีได้ไปถึงจังหวัดลบุรี และได้ไปพักอยู่ที่ถ้าสิงโตเขาช่องลมซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเขาพระงามปีนั้นเป็นปีพศ2446ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่สถานที่ที่นั่นเป็นที่สงบเงียบยิ่งนักท่านได้พักเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั่นหลายวันได้ในขณะที่ท่านอยู่ณเขาช่องลมนั้นท่านบำเพ็ญความเพียร หวนระลึกถึงความเป็นจริงต่างๆที่ท่านได้ปรากฏแล้วให้แจมแจ้งยิ่งขึ้นท่านได้ระลึกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุคือถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับและถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยโดยในนี้ท่านก็ได้รู้ขึ้นภายในสมาธิคาว่าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุนั้น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 พระพุทธองค์มีผู้คนคอยยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติอุปถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือทำเป็นเครื่องหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิ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 แล้วก็มีเบื้องหลังที่ไม่มีการศียสละหรือทําไปอย่างมีการยุ่งยากผัวพันจะสละก็ไม่สละจริงซึ่งบางทีแม้แต่เป็นบรรพชิตแล้วก็ยังมีจิตใจโลภโมโทูสันไม่สละแม้แต่อาพรยังจะถือว่าข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเทือกนั้นบางทีการอยู่ป่าเอามาเพียงเพื่อเป็นสิ่งที่เลิศในบางประการ ทำเป็นว่าเรานี้อยู่ป่าอยู่เขาเหมือนจะออกวิเวกให้เป็นที่บำเพ็ญความสงบแต่กลับเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความห่วงใยอาลัยยุ่งยากด้วยการก่อสร้างสะสมด้วยเครื่องกังวลนานบประการนี่ไม่ได้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุ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 ตามทรรนองครองธรรมที่แท้จริงและจะได้แนะนำให้คนอื่นทำให้ถูกทางต่อไปท่านจึงได้พิจารณาต่อไปถึงคาว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าให้เอาเราเป็นเนติแบบฉบับท่านได้คำหนึ่งว่าพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติตัวของพระองค์ให้เป็นแบบอย่างจริงๆไม่ใช่เพียงทรงสอนคนอื่นแล้วพระองค์ไม่ทรงปฏิบัติเช่นตอนแรกหลังจากตรัสรู้แล้ว จะทรงรับข้าวมัทูปายาตจากตปุสะและผลิกะก็ทรงหาบาทเพื่อรับและพระองค์ก็ทรงทําพุทธกิจผุกพันเหบินดาปาตันจักรุ่งเช้าพระองค์เสด็จไปบินทบาทสายันเหนธรรมเทสนังตอนบ่ายพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมโปรดพุทธบริษัทคืออุบาสกอุบาสิกาปะโทเสพิกุโอวาทางังพอพบกล่อม กรงก็ทรงประทานโอวาทแก่พระพิสุท์และสามเณรอัทรัตเตเทวะปันหนังตอนกลางคืนทรงแก้ปัญหาเทวดาทั้งหลายปัจจูเสวะคะเตกาเลพับพาพัพเพวิโลกานังในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจ ด, ดูว่าสัตว์โลกจะมีผู้ใดบ้างที่มีวาสนาบารมีอันจะถึงได้รับพระธรรมเทศนา พระองค์ทรงใคร้ครวนแล้วทรงทราบว่าผู้ใดสมควรจะได้รับผลแห่งธรรมพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับผลแห่งธรรมมกนอกจากนั้นพระองค์จะทรงปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติเช่นการทรงจีวรการฉันเฉพาะในบาทแม้กระทั่งจวนจะเสด็จดับขันธปริิพานพระองค์ก็ยังทรงอยู่ใกล้บาศได้ตลอดเวลา นับแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จะทรงเปี่ยมพระทยัยถึงความมีพระเมตตาต่อมนุษย์ทุกท่วนหน้าไม่เลือกชั้นวรรณะทรงกระทำประโยชน์ให้แก่เขาทั้งหลายโดยไม่ได้คิดเพื่อจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนเลยทรงเสียสละอย่างจริงใจแท้แม้บางครั้งพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยโดยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างหนะักแต่พระองค์ ก็ทรงกระทาอย่างที่ไม่เห็นเก่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นแต่ประการใดท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้พิจารณาถึงเนติแบบฉบับรำพึงถึงความจริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล้วก็ได้คำนึงต่อไปอีกว่าการที่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นแบบฉบับนี้ย่อมเป็นประการสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าสาวกไม่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างแล้ว จะเป็นเพียงอาศัยการอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงเพื่อหาความสุขอันไม่ถูกฐานเช่นไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีการเสียสละแม้แต่จะปฏิบัติธรรมวินัยถึงจะเป็นบรณฑิตแล้วก็ยังไม่ยอมเสียสละเอาแต่ความโลภความโกรธความหลงเอาแต่ความเพลิดเพลินในการมคุณหาอุบายวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความโลภโกรธหลง แม้แต่การเที่ยวไปบินทบาทก็หาว่าเสียเกียรติหรือว่าการแสดงธรรมะก็ต้องมีการเทศเป็นเครื่องตอบแทนจะบำเพ็ญศาสน ก, กิจก็ต้องหวังปัจจัยลาภในที่สุดก็ลืมความเป็นสมณะ ส, สีสิ้นนี่คือไม่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นเนติแบบฉบับท่านพระอาจารย์มั่นพยายามใคร้ครวญในข้อนี้มากที่สุดเพราะท่านมาทราบแน่แท้แก่ใจแล้วว่า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 ถลางแล้วไม่เช็ดเก็บไว้ในที่สมควรก็จะเป็นอาบัตทุกกฎหรือการฉันจุบ จ, จุบจับจับเป็นอาบัตทุกกฎอาบัตเล็กน้อยจะล่วงละเมิดไปได้ไม่ได้เลยต้องรักษาให้เรียบร้อยจริงๆนอกจากอาบัตแล้วก็มีการรักษาทุดงข้อวัดต่างๆเช่นฉันหุนเดียวการฉันให้บาดการบินทบาทเป็นต้นอันเป็นการนาไปสู่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 เวจากุตวัตเศนาสนวัตพัตตาวัตและเศกิยวัตเหล่านี้ย่อมต้องเป็นปัจจัยแก่การปฏิบัติจิตทั้งนั้นซึ่งถือเป็นการปฏิบัติเพื่อศีลวิสุทธิ์และจิตวิสุทธิ์ท่านพระอาจารย์มั่นท่านปรารพบในใจของท่านว่าบุคคลผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์นี้ถ้าไม่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นแบบฉบับแล้วจะไม่สามารถนำหมู่คณะ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 วนาณิจจ์อารามะลุกขเจตยานิมนุษย์ภยะตัดชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพทุกขาปะมุตจจติโยจะพุทธันจ์จัธ ร, รมันจัสังคัญจะสารนังขาโตจัตตาริอริยสัจจานิสำ ม, มปัญญาะปัสติทุกขังทุกขสมุปปาทางัง ทุกขศะจะอติกรมังอริยัจัดทางคิกังมักคังทุกขูปะสัมมาคามิหนังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคามะสัพพทุกขาปะมุตจตีติมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วพากันไปถือภูเขาป่าอารามและต้นไม้ หรือที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมพวกเขาพากันพึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงไปได้ส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งมาเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบก้าวล่วงทุกข์ด้วยมักแปนี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษม นี่แหละเป็นที่พึ่งอันดุดมพวกเขาอาศัยที่พึ่งนี้ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้การที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไม่ให้ถือเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าการถือเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งนั้นเป็นเรื่องงม ง, งายเช่นต้นไม้ใหญ่ตั้งศาลพระภูมิถือว่าผีเจ้าเข้าทรงเหล่านี้นั้น เป็นเรื่องของความไม่แน่ใจในพระองค์ซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ให้พิจารณาเห็นว่าการเชื่อนั้นจะทำให้ผิดการดำเนินสู่จุดที่หมายแห่งความจริงในพระพุทธศาสนาแม้ในการบาเพ็ญจิตในเบื้องต้นก็จะทำให้ค่อยเคลเพราะขาดองคุณคือศรัทธาคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้บวชก็พอทำเนาแต่ผู้ที่บวชแล้วเช่นพระพิสุสงฆ์นี้ ย่อมจะต้องแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์จึงได้เข้ามาบรรญชาอุปสมบทแต่พระภิสุบางองค์กลับเป็นเสเองเช่นพาเขาตั้งศาลพระภูมิหาวันตั้งศาลพระภูมินี้เป็นการแสดงถึงความไม่แน่ใจของท่านต่อองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของท่านเองท่านเหล่านั้นหาได้คิดไม่ว่าการกระทําเช่นนั้นคือการทรยศ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 อะไรอื่นบ้างนั้นคือการทรยศต่อพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าข้อนี้สําคัญเพราะจะเป็นเบื้องต้นของการดําเนินไปหาที่สุดแห่งทุก์เพราะทุทกๆคนที่เป็นาศาสนิกชนต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแต่เขาฉไหนจึงไปถือเอาผีปา่าพระภูมิซึ่งมันหาตัวจริงไม่ได้เป็นที่พึ่ง เมื่อขั้นต้นทำไม่ได้แล้วต่อไปจะทำอะไรให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยทางฝ่ายพระสงฆ์นั้นถือว่าเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์อย่างแน่นแฟ้นแล้วจึงได้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากความเป็นคารวะมาทรงไว้ซึ่งผ้ากาสาวพัจึงต้องไม่เป็นผู้ทรยศ ต่อองค์พระบรมศาสดาท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าคำว่าศรัทธานี้คือความเชื่อจึงถือว่าเป็นรากฐานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งและเช่นท่านพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธามีข้ออันท่านพระโสดาบันละได้อันเนื่องมาจากมักนั้นมีสามประการคือสักกายชิติวิจิกิจฉาสีลพัตปรามาก ความเห็นถือว่าเป็นตัวตนความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความรูปคำในศิลปศิ์คือง ม, มงายในสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือเช่นนับถือพูดผีพระภูมิเป็นตน้นนี่เป็นสิ่งแสดงว่าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นด้วยถือเอาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งความจริงแล้วการนับถือพระพุทธองค์นั้นก็คือ ต้องการให้พระพุทธองค์เป็นมูลเหตุและเป็นแบบฉบับนั่นเองแม้ว่าเราจะยังไม่เป็นพระอริยโสดาก็ตามแต่เราก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยโสดาเป็นต้นความที่เป็นบุคคลอ้างตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสา ม, มนเณรแต่พากันหลงเชื่องมงายเช่นเชื่อสารพระภูมิเชื่อผีเจ้าเข้าสง่งพระภูมิเจ้าที่อะไรอย่างนี้ จะอ้างตนว่าเป็นพิสุสั ม, มเนนอุบาสกอุบาสิกานั้นดูไม่เป็นการสมควรเลยท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าเราต้องการสอนคนให้เข้าถึงอริยสัจธรรมถึงความเป็นอริยบุคคลก็มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้ำถึงความจริงข้อนี้ให้หนักที่สุดและถ้าไม่เข้าใจถึงความจริงแห่งความเชื่อนี้แล้วจะเป็นการกั้นหนทาง ที่จะเข้าสู่ความจริงเป็นอริยะเสียเราทุกคนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปรารถนาพระนิพพานแม้การบำเพ็ญการกุศลต่างๆก็กล่าวกันว่านิพพานปัจยโยโหตุขอจงให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเถิดแม้ว่าเราจะพืงนทราบว่าผู้ใดผู้หนึ่งทรงความเป็นอริยะบุคคลเราก็จะให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง นี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมอันสูงคือความเป็นอริยะนี้เป็นยอดปรารถนาของบรรดาพุทธศาสนิกชนแต่ว่าเบื้องต้นในการดําเนินไปสู่ความเป็นอริยะนี้จําเป็นที่จะต้องมองดูความจริงข้อนี้คือให้ถือเอาเราเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้เป็นพระดํารัตของพระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เน้นหนักในข้อที่ว่า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 ตอนนั่งสมาธิส่งกระแสจิตไปดูเจ้าคุณอุบาลีเมื่อรุ่งเช้าวันนั้นเป็นวันขึ้นสิบค่ำเดือนแปดเป็นวันปลอดโปร่งที่สุดท่านคงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามปกติอยู่มาวันหนึ่งท่านนั่งกำหนดพิจารณาความละเอียดอยู่ในถ้ำสิงโตนั้น ได้ระลึกไปถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสุริจันโทณที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ที่วัดนั้นก็ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาเหลืองบนธรรมาทในเวลานั้นเป็นเวลาราว23สินาฬิกาเศษท่านนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก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 เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อเป็นชาติก็ต้องมีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัสะอุปาญาสสะและการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่เหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บตาย และเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ตราบใดก็จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านได้คานึงถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุ ป, ปบาทว่าพระองค์ท่านได้ทวนกระแสกลับดูตัวอวิชชาท่านจึงได้เริ่มทวนกระแสว่าเพราะเหตุใดท่านจึงต้องเกิดต้องแก่ตายโศกเศร้าเสียใจร้องไห้รำพัน ขับแค้นแน่นใจเพราะความพลาดพลาดจากของชอบใจคลาดหวังท่านได้พิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้เพราะได้เกิดมาเป็นอัตภาพแห่งมนุษย์จะต้องประสบความเป็นเช่นนี้ทุกคนอัตภาพคือความเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากอะไรก็มาจากภพคำว่าภพก็คือสัตว์คือสัตว์ทั้งหลายที่พึงอาศัยอยู่ขณะ น, นี้เรากําลังอาศัยอยู่ในภพ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 คือความทเฉยเฉยชยานอันความเทยเทยยานนี้คือกามาตัญหาความทเฉยเฉยชยานในกามคุณคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสผพ้ถ้พาพระเป็นต้นความทเฉยเฉยชยานในภาวะคือความมีความเป็นต้องการอยากรูปสวยรวยทรัพย์ต้องการอยากเป็นคุณหญิงคุณนายต้องการอยากมียศถาบรรดาศักดิทเท์เยอฉยานในวิภาะ คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือไม่อยากมีความทุกข์ความอดอยากปากแห้งไม่อยากเสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนกําลังเฟื่องฟูอยู่ความทะเยอทยานเหล่านี้ก็มาจากเวทนาคือความเสวยทุกขเสวยสุขทุกขที่เกิดเป็นมีขึ้นมาแล้วและได้รับผลอยู่ทุกการเวลาแห่งความเกิดขึ้นได้รับอนื่งมาจากความได้ราบเสื่อมลาบ ได้ยศเสื่อมยศขณะที่เสวยทุกนั้นก็ต้องการแต่ความสุขเป็นต้นแต่ผลหาได้แต่ความสุขไม่ต้องมีทุกข์ด้วยความเสวยสุขเสวยทุกนี้เนื่องมาจากอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพุภทธพะธรรมารมเช่นมีตาไปเห็นรูป ก็เกิดความสุขทุกหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจกระทบอารมณ์เกิดความสุขทุกขก็นับเนื่องมาจากนมามรูปเพราะนามกับรูปที่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นคนคนเรานี่มีนามกับรูปจึงจะเป็นตัวขึ้นมาได้ท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านได้พิจารณาถอยร่นปฏิจจสมุปบาท มาจนถึงรูปนามนี้แล้วท่านเกิดความสงสัยว่าถอยจากรูปนามยังมีวิญญาณและสังขารแล้วจึงขึ้นตน้นโดยอวิชชาและวิญญาณสังขารก็มีคือมีแล้วในนามรูปเหตุไฉนจึงมีสังขารและวิญญาณโดยเฉพาะของตัวมันอีกเมื่อท่านสงสัยแล้วก็ได้เลิกพิจารณาในวันนั้นอยู่มาวันหนึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลี yes. ก็ได้มาเที่ยวที่เขาพระงามจังหวัดลบบุรีเพราะโดยปกติแล้วท่านจะไปที่นี่บ่อยซึ่งท่านชอบสถานที่นี้มากจนภายหลังท่านได้สร้างพระใหญ่ขึ้นหน้าตักว้างถึงส2องวากว่าๆและวันนั้นเป็นวันที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้มาที่เขาพระงามตามปกติซึ่งขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้พักบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ณนะที่นั้นเหมือนกัน เมื่อได้ทราบว่าท่านจะคุณอุบาลีมาท่านก็ไปนมัสการและได้สนทนาปราศัยตามปกติเมื่อได้สนทนาเรื่องอื่นไปพอสมควรแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้ถามขึ้นว่าเมื่อคือนวันที่10บ่ําทีแล้วคือเดือน8นั้นท่านจะคุณนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาเหลืองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเวลาประมาณ23่สนาฬิกาเศษได้พิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาท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 ที่ต่อจากอวิชานั้นเรียกว่าสังขารระกรรมวิญญาณระกรมแตกต่างกับสังขารวิญญาณของนามรูปสังขารวิญญาณของนามรูปนั้นเป็นสังขารวิญญาณวิบากเนื่องจากเป็นการปรุงแต่งที่สำเร็จรูปแล้วสังขารระกรมวิญญาณกรรมเป็นการปรุงแต่งที่กำลังทำอยู่คือว่าสังขารระกรมวิญญาณกรรมเป็นภาวะที่ไม่เป็นอิสระ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 ทั้งสองนั้นสืบเนื่องมาจากจิตณที่นี้จึงแล้วแต่กรรมจะจำแนกไปคือให้สังขารและวิญญาณ น, นี้เห็นดีไปเมื่อเห็นดีไปอย่างไรจิตก็จะไปตั้งก่อให้เกิดไปตามนั้นเพราะที่นี่จึงเป็นสถานที่กำลังปรุงแต่งพบถ้าพิจารณาแล้วจะรู้สึกว่ามันละเอียดและพึงจะรู้จริงได้คือเมื่อจิตได้ดำเนินตามอริยสัจ และเป็นวิปัสนาอันแก่กล้าแล้วนั้นทีเดียวที่กระผมได้อธิบายมานี้เป็นศักด์แต่แนวทางเท่านั้นตามความเป็นจริงต้องมีตาภายในคือกระแสจิตกระแสธรรมเท่านั้นที่จะเข้าไปรู้จริงได้เมือ่อท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับอุทานขึ้นว่าอ้อ oh, เราเข้าใจแล้วท่านพระอาจารย์รู้ใจผมได้ดีมากและถูกต้องทุกประการ และแก้ข้อสงสัยให้ผมได้ร้าวกับปิดทิ้งผมพยายามพิจารณาเรื่องนี้มานานแต่ยังไม่แจมแจ้งพึ่นจะแจมแจ้งในเวลานี้เองหลังจากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ได้เดินทางกลับไปกรุงเทพอยู่ที่วัดบรมนิวาดนั้น 17. ตอนมาจำพรรษาที่วัดสปัปปทุมกรุงเทพท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคนี้ถ้าใครต้องการจะศึกษาธรรมปฏิบัติแล้วจงไปศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นเถิด เธอทั้งหลายจะได้ความรู้จากธรรมะปฏิบัติอันลึกซึ้งจากท่านพระอาจารย์มั่นท่านดูคุณอุบาลีได้กล่าวเช่นนี้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรทั้งหลายอยู่เสมอเสมอทำให้พระพิสุสามเณรผู้ใครการปฏิบัติธรรมสนใจในท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้นต่างก็ต้องการจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านในปีนั้นเป็นปีพศ2457 ท่านก็ได้รับการขอร้องจากท่านเจคุณอุบาลีให้จำพรรษาที่กรุงเทพท่านได้เลือกเอาวัดสะปะทุมเป็นที่จําพรรษาเพราะเป็นวัดที่สงบสงัดดีท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสะปฐุมท่านก็พยายามมาที่วัดบรมนิวาสทุกๆวันธรรมาสวรนะฟังท่านเจคุณอุบาลีเทศเพราะหลังจากฟังเทศเสร็จท่านเจคุณอุบาลี ก็จะให้เข้าไปหาท่านอยู่สองต่อสองและขอศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านพระจารมั่นตลอดระยะเวลาพรรษาในตอนนี้ท่านพระจารย์มั่นท่านเล่าว่าวัดสัปปะทุมมีอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่องค์หนึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากท่านสอนแบบอานาปานสติคือให้ตั้งใจอยู่ที่ลมแล้วก็กําหนดตั้งใจเช่นครั้งแรกให้ตั้งอยู่ที่กระหม่อม เมื่อดีแล้วก็ลดลงมาที่หน้าผากเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่หน้า อ, อกเมื่อดีแล้วก็ตั้งอยู่ที่สะดือกำหนดลมพร้อมกับบริกรรมว่าพุทธพุทธให้นับพุทธหนึ่งสองสสห้าแ้า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 ท่านได้สังเกต ด, ดูบางคนได้รับความเย็นใจมากพอสมควรนับว่าเป็นทางที่ให้เกิดความสงบได้แต่ท่านเล่า ว, ว่ามันเป็นการเกินความจำเป็นที่จะกาหนดเช่นนั้นเพราะเมื่อเรามีความสงบแล้วก็ควรปล่อยแล้วรักษาแต่สติให้คงอยู่ไม่ต้องนับแต่เมื่อท่านสังเกต ด, ดูเหตุการณ์แล้วท่านก็ไม่รู้ว่าหรือหรือตาหนิอะไรในที่นั้น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 วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินไปนั้นกาหนดจิตสงบลงปรากฏว่าเหมือนเดินกับแผ่นดินยุบลงไปแลดูไปทุกอย่างที่ไม่มีอะไรที่จะถือได้ว่าตัวตนเดินเหมือนกับชั่วอึดใจเดียวก็ถึงวัดบรมนิวาดในวันนั้นเป็นเวลากลางวันขณะที่ท่านเดินออกจากวัดบรมนิวาดไปถึงถนนหลวงขณะที่กาลังเดินไปอยู่นั้น ท่านเราว่าเวลาจิตกาลังดูดดื่มในอัตถะปฏิบัติมากทั้งเดินไปทั้งเจริญอสุภกรรมฐานไปเรื่อยๆขณะนั้นได้มองเห็นผู้หญิงแขกคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าประเดี๋ยวเดียวผู้หญิงแขกคนนั้นปรากฏว่ามีร่างกายอ้วนขึ้นทุกทีนึกแปลกใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่ก็ได้มองดูไปเรื่อยๆหนักเข้ามันไม่ใช่อ้วนเสียแล้ว นั่นคือทั้งตัวกำลังพองเน่าขึ้นอื่นอันจะให้เป็นของน่าเกลียดนั่นเองพอมันขึ้นเต็มที่ของมันแล้วก็เปือยเน่ามีน้ำเลือดและน้ำหนองไหลเยิ้มไปทั้งตัวแล้วก็มีพวกหมูนอนชอนชัยมแมลงวันไ ต, ต่ตอมไปมาน่าเกลียดจริงๆในที่สุดเลือดเนื้อและหนังเอง็นก็ได้เปื่อยเน่าย่อยยับไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกติดต่อกันไว้เท่านั้น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 ในว่าท่านกำหนดเอากายคตาสติเป็นอารมณ์เหมือนกันวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่นั้นสามีภรยาคู่หนึ่งเกิดทะเลาะกันฝ่ายภรยาก็หลบหน้าสามีไปได้เดินทางผ่านมาพบกับพระเถระองค์นั้นเข้าเบื้องต้นหญิงคนนั้นก็ได้แสดงอาการยิ้มแย้มไปบ้างพระเถระเมื่อมองไปเห็นฟันของหญิงคนนั้นเข้าก็ได้เกิดปรากฏเห็นเป็นร่างกระดูก ไปทั้งตัวแล้วก็เห็นเป็นร่างกระดูกเดินได้จึงไม่ได้รู้จักว่าคนคนนั้นเป็นหญิงหรือชายครั้นเมื่อสามีเขาตามมาพบพระเถระแล้วถามท่านว่าได้พบผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาทางนี้หรือไม่ท่านจึงบอกเขาไปว่าได้เห็นแต่ร่างกระดูกร่างหนึ่งเดินผ่านไปแต่ไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายตั้งแต่วันนั้นต่อมา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 ก็มีแต่น้นามหวายเกิดอยู่เต็มบริเวณ ตอนกลับไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเทศน์สอนพระอาจารย์สิงห์พุทธศักราช 2,458 ในปีพศ2458สอหหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่กรุงเทพในปีนั้นแล้ว ท่านก็พิจารณาภายในพรรษานั้นว่าเราควรจะได้แนะนำสั่งสอนธรรมะปฏิบัติที่เราได้รู้ได้เห็นมาซึ่งเป็นธรรมะที่ยากนักจะรู้ได้เราอุตส่าห์พยายามมาเป็นเวลานับสิบสิ บ, สบปีควรจะได้แนะนำบรรดาผู้ที่ควรแก่การปฏิบัติให้ได้รู้และจะได้แนะนำกันต่อไปครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ลาท่านยคุณอุบาลี กลับไปยังจังหวัดอุบลราชธานีจำพรรษาที่วัดบุรภาในปีพศ .2458 นั้นท่านมีพรรษาได้25พรรษาขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่นั้นท่านก็พิจารณาว่าใครหนอจะเป็นผู้ควรแก่การสั่งสอนขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขโมเป็นครูสอนนักเรียนอยู่เหมือนกับครูอื่นๆ เป็นครูที่สอนวิชาสามัญแก่นักเรียนเป็นเวลาหลายปีมาแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดมากก็ใคร่ที่จะได้ศึกษาธรรมปฏิบัติในวันหนึ่งหลังจากเลิกสอนนักเรียนแล้วท่านก็ได้ไปในมัสการท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบุรพาขณะนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว เมื่อเข้าไปเห็นท่านพระอาจารย์มั่นกําลังเดินจงกรมอยู่ท่านก็รอยอยู่ครู่ใหญ่จนท่านพระอาจารย์เลิกจากการเดินจงกรมเหลือไปเห็นท่านพระอาจารย์สิง์ซึ่งนั่งอยู่ที่โคนต้นมะม่วงท่านจึงได้เรียกและพากันขึ้นไปบนกุฏิหลังจากท่านพระอาจารย์สิงกราบแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้พูดขึ้นว่าเราได้รอเธอมานานแล้วที่อยากจะพบ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 กล่าวจบท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้อธิบายให้ฟังว่าการบวชเป็นพระพิสุสงนั้นจักต้องปฏิบัติกรรมฐานคือพิจารณาตะจะปัญจกะกรรมฐานเป็นเบื้องแรกเพราะเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระบรมศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยการปฏิบัติอริยสัจสีคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรร เมื่ออธิบายไปพอสมควรท่านก็แนะนาวิธีนั่งสมาธิท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้นำนั่งสมาธิในตอนนั้นซึ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านพระอาจารย์สิงห์ก็เกิดความสงบแล้วจิตสว่างสวัยขึ้นมาทันทีเป็นการอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งภายหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้อธิบายถึงวิธีพิจารณากายโดยใช้กระแสจิต พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ได้ลากลับไปจากนั้นมาท่านก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันจนเกิดความเย็นใจเกิดขึ้นเป็นลำดับอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ไปสอนนักเรียนตามปกติซึ่งเด็กนักเรียนในสมัยนั้นเรียนรวมกันทั้งชายและหญิงและอายุการเรียนก็มากต้องเรียนถึงอายุ18ปี เป็นการบังคับให้เรียนจบป .4 ขณะที่ท่านกําลังสอนนักเรียนมองดูเด็กนักเรียนเห็นแต่โครงกระดูกนั่งอยู่เต็มห้องไปหมดไม่มีหนังหุ้มอยู่เลยสักคนเดียวจํานวนนักเรียนประมาณ38คนได้มองเห็นเช่นนั้นไปหมดทุกคนเลยแม้ท่านจะพยายามขยี้ตาดูก็เห็นเป็นเช่นนั้นในที่สุดก็เกิดความสังเวชขึ้นแก่ท่านเป็นอย่างมาก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 เมื่อได้ร่ำลาสิทธิ์ของท่านเสร็จท่านก็จัดกลดอัถบริขารของพระธุดง์ออกจากวัดเดิมที่ท่านอยู่ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปทุกขนทุกแห่งเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งจนกระทั่งได้เห็นอัตฉธรรมที่ควรรู้ควรเห็น สิตอนเล่าความจริงแห่งการปฏิบัติธรรมถวายพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้เองท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้คิดถึงพระกรรมวาจาจารย์ของท่านคือพระครูศีทาชยเสีโหนเพราะหลังจากท่านได้พบกับความจริงแห่งการปฏิบัติแล้วนั้น ท่านใครจะให้พระอาจารย์ของท่านได้รับแสงสว่างแห่งธรรมนี้บ้างในวันหนึ่งท่านจึงได้เข้าไปนมัสการที่วัดและพูดขอโอกาสที่จะเล่าความจริงแห่งการปฏิบัติธรรมถวายเมื่อท่านพระครูให้โอกาสท่านเล่าถวายแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้เริ่มเล่าความจริงที่ท่านได้ประสบมาในขณะที่ท่านบาเพ็ญกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำไผ่ขวานน้าตกสดิกานั้นว่า การปฏิบัติธรรมนี้เป็นทางที่จะพาให้พ้นทุกข์คือมรรคแมรรคแข้อต้นนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคมรรคคือมรรคแฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิข้อเดียวจึงเท่ากับปฏิบัติทั้งหมด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 คราวนี้รู้วิธีการที่จะทำอะไรกับสิ่งนั้นแล้วเอาละเราขอขอบใจเธอมากท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อได้สนทนากับท่านพระอาจารย์ของท่านพอสมควรแล้วก็ลากลับไปเมื่อท่านพระครูได้บำเพ็ญกรรมฐานตามแนวของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลานานครั้งวันหนึ่งก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาเห็นกายและเกิดนิพิทายานความเบื่อหน่ายและสามารถทวนกระแสจิตเห็นตัวผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ้นกังขาความสงสัยในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ให้พระไนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นมาพบและเล่าให้ฟังท่านพระอาจารย์มั่นก็ว่าทำถูกแล้ว ต่อไปนี้ขอให้จเจริญให้มากเมื่อพอเพียงแก่ความต้องการแล้วก็จะพึงรู้เองเมื่อท่านพระครูได้ให้ท่านพระอาจารย์มั่นได้รู้เห็นเป็นพยานในการเห็นธรรมในการนั้นแล้วท่านได้รำพึงว่าสิทธิของเราองค์นี้นับว่าเป็นผู้มีความกตัญญู ก, กะตะเวทีมากเหลือเกินเพราะเมื่อได้รู้เห็นธรรมอันแท้จริงแล้วก็ไม่ลืมครูบาอาจารย์ อุตสาห์มาแนะนำให้เราได้รู้ได้เห็นและเป็นการถูกต้องแม้เราจะเป็นพระผู้เท่าเป็นถึงอาจารย์ถ้าจะพึงมัวถือแต่มานะทิฐิก็คงไม่สามารถฟังธรรมจากสิทธิที่มีความสามารถในธรรมได้แต่ก็ที่มีสิทธิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้เป็นประโยชน์แก่ชนบทเป็นอันมากอันว่าสิทธินั้นถ้าดีผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็พร้อยได้รับเกียรติ ได้ชื่อเสียงตามไปด้วยนี่ก็เป็นเช่นนั้นธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมโดยทั่วไปสุดแล้วแต่ว่าผู้ใดจะมีความสามารถเมื่อผู้มีความสามารถมากก็แนะนําบอกกล่าวแก่ผู้มีความสามารถน้อยก็จะทําให้สัตวุศาสนากว้างขวางออกไปไม่ใช่ใครจะว่าเราใหญ่เราโตเป็นอาจารย์เป็นอุปชา เรามียศถาบรรดาศักด์แล้วนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกีดขวางการที่จะศึกษาหาธรรมะอันยิ่งให้ตนนี่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนและผู้อื่นอย่างใหญ่หลวงแต่เราเองไม่ได้คิดเช่นนั้นเราได้ตั้งหน้าตั้งตาบาเพ็ญสมณธรรมตามที่ศิษย์ของเราแนะนำให้จนเกิดผลและเราเองบัดนี้ก็จะสามารถสอนใครต่อใคร ให้ดำเนินตามแนวนี้อันเป็นทางถูกต้องแก้ความสงสัยได้ ตอนเทศโปรดโย ม, มารดาขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเห็นท่านพระครูนั่ง น, นิ่งอยู่นานท่านก็เลยลากลับและในปีนี้เองท่านก็ได้พบโย ม, มานดาของท่านซึ่งท่านได้ตั้งใจไว้ว่าท่านจะโปรดโยมด้วยธรรมะทั้งหลายที่รู้มาแล้ว ท่านจึงเดินทางไปพบกับโยมที่บ้านตำบลบ้านบงอําเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อโยมได้เห็นท่านก็มีความดีอกดีใจมากเพราะท่านได้จากไปเส้นานเมื่อท่านได้ปราศัยเล่าถึงการเดินทางทุดงทั้งในและต่างประเทศตลอดจนได้แสงสว่างแห่งธรรมะให้แก่โยมฟังจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ย้อนมาพูดถึงการปฏิบัติ โดยขอร้องให้โยมพยายามปฏิบัติจิตอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ทางโยมันดาก็ตกลงที่จะปฏิบัติตามที่ได้แนะนำให้นับแต่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำให้แล้วโยมันดาก็ได้มีความสนใจเป็นกรณีพิเศษได้ทำตามคำแนะนำทุกประการและจิตก็เป็นไปได้จริงตามที่เกิดขึ้นได้รับความเย็นใจมีศรัทธาแก่กล้า ลาลูกหลานออกบวชเป็นชีก่อนเข้าพรรษานี้ปรากฏว่ามารดาของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งยังกระหายต่อการปฏิบัติศึกษาธรรมอยู่มิวายจึงอุตส่าห์ล้มลุกคลุกครานตามวิบากของคนแก่ติดตามไปที่ถ้ำภูผากูดเพื่อศึกษาอบรมตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติท่านพระอาจารย์เสาจึงได้บวชชีให้ อยู่ปฏิบัติณธรรมนี้โดยจองเอาที่เงือมแห่งหนึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมเร่งความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ที่ถ้ำนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าโยมีความเพียรมากแม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามอธิษฐานนอนแต่แขงข้างขวาตลอดชีวิตมีการเดินธุดงไปในที่กันดารเช่นเดียวกับพระสงฆ์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 ท่านได้ให้คําแนะนําวิธีสุดท้ายคือการบําเพ็ญวิปัสนาญาณให้เกิดความแก่รอบของญาณโดยอุบายซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างของเบนจวาคีทั้งหเมื่ออินทรีย์แก่กล้าขึ้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้เบนจวาคีพิจารณารูปเวทนาเป็นต้นโดยปัญญาตามความเป็นจริงปัญญาในที่นี้ได้แก่ญาณหรือความรู้ อันเกิดจากกระแสธรรมอันยิ่งโยมันดาของท่านได้รับการอบรมมากแล้วก็พิจารณาตามนั้นจนเป็นที่พอแก่ความต้องการโดยการเจริญให้มากกระทําให้มากมีความรู้ความสามารถทวนกระแสจิตเข้าถึงซึ่งทีติภูตังและเจริญต่อไปจนเป็นการเพียงพอโดยการอบรมเป็นอินทรีย์บังเกิดความรู้แจ่มแจ้ง ตัดความสงสัยแล้วสิ้นเชิงและได้ออกอุทานต่อหน้าพระอาจารย์มั่นว่าเราหายสงสัยแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วจึงนับว่าเป็นที่พอใจของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้บอกแกยโยมมารดาของท่านว่าบัดนี้อาตมาภาพได้ทดแทนบุญคุณของโยมหมดแล้วเป็นการทดแทนที่ได้สิ้นสุดลงเป็นการสุดท้าย จากนั้นท่านพระจารมันชนเดพยากรมานดาของท่านกับพระบางรูปว่ามานดาของท่านได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นที่สามตามคำบอกเล่าของท่านพระจารกงมาจิรปุญโยหลังจากนั้นเมื่อสังขารของโยมแก่ ง, ง่อมแล้วคว า, ามชราเข้าครอบงำลูกหลานขอให้รับประทานอาหารในตอนเย็นก็ไม่ยอมโยมมารดาของท่านพูดว่าเราต้องมีศินแปด เป็นวิรัตตลอดชีวิตของเราเมื่อถึงการที่โยมมารดาของท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้บอกถึงวันเดือนปีเวลาบ่ายสามโมงเย็นว่าจะถึงแก่กรรมเมื่อถึงการนั้นก็ได้ถึงแก่กรรมตามที่พูดไว้ด้วยความสงบจริงๆในตอนสุดท้ายเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้ทราบวันเวลาแล้วท่านก็ได้ไปทำชาปนากิจศพมารดาของท่านด้วยตัวท่านเอง ส่วนท่านพระอาจารย์สิงขันจยาขโมซึ่งได้พำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามในเมืองอุบลราชธานีได้ออกจากการเป็นครูแล้วเพราะผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้รับการแนะนำจากท่านพระอาจารย์มัน่นซึ่งปรากฏว่าได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งในระหว่างเดือนเดียวกันนั้นพระปินปัญญาภโลผู้เป็นน้องชายของท่านก็พร้อยได้ไปศึกษาด้วย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 เมื่อท่านพักศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศครบกำหนดหปีและสอบได้ป ร, รียญาหประโยคแล้วก็ได้ออกไปปฏิบัติตามคำปฏิญาณของท่านจริงๆโดยติดตามท่านอาจารย์ไปทุกหนทุกแห่งตามป่าเขาอันเป็นสถานที่วิเวกในสมัยนั้นพระป ร, ะริญญที่ออกเที่ยววิเวกทุดงกรรมฐานท่านนับว่าเป็นองค์แรกซึ่งแต่การก่อนนานมาแล้วไม่เคยมีปรากฏเลย นับเป็นสุพนิมิตที่ดียิ่งอย่างหนึ่งเมื่อท่านออกทุดงคราวนี้ท่านก็ได้นามว่าพระอาจารย์มหาปินปัญญาพโลขณะนั้นท่านมีอายุ30ปีพันศาที่แปดในคราวเดียวกันกับที่ท่านออกทุดงในคราวนั้นมีพระที่ออกทุดงไปเพื่อจะศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นเดวยกันสามองค์เท่านั้นคือ 1. นึพระอาจารย์คำพวย 2. พระอาจารย์เทศเทสรังสีสามพระอาจารย์ทรบ้านหัววัวอำเภอลุมพุกจังหวัดอุบลราชธานี ตอนไปจำพรรษากับพระอาจารย์เสากันตะศีโลนักธรรมภูผากูดจังหวัดนครพนมพุทธศักราช 2,459 เมื่อออกพรรษาที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบลาพระกรรมวาจาจารย์ เพื่อไปติดตามพระอาจารย์เสากันตะศีลเถระซึ่งขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้าภูผากรเมื่อทราบแน่แล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้เดินด้วยเท้าเช่นพระธุดงทั้งหลายท่านเล่าว่าทางรถยนต์ไม่มีรถยนต์วิ่งนับเป็นเวลาเดือนเดือนก็ไม่เห็นใครสักคนหนึ่งตามทางที่ท่านไปก็เป็นดงดิบล้วนแต่มีต้นไม้ใหญ่ๆเช่น ต้นตะเคียนต้นยางต้นประดูต้นตะแบกและสารพัดไม้นั้นเป็นไม้ใหญ่บางต้น9้าอ้อมสิบอ้อมและดูไม่เห็นพระอาทิตย์ทีเดียวเป็นป่าเปรี่ยวจริงๆขณะที่เดินทุดงเห็นว่าที่ไหนเหมาะก็แวะพักทำความเพียรกันเป็นเวลาห้าวันหรือเจ็ดวันขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นกาลังเดินทุดงระหว่างทาง ยังไม่ถึงถ้ำภูผากูดนั้นท่านได้คิดถึงพระอาจารย์ของท่านมากและก็วันหนึ่งหลังจากการพักผ่อนการเดินทางซึ่งเร่งเดินเป็นวันวันมาแล้วอย่างเหน็ดเหนื่อยท่านได้พิจารณาถึงท่านพระอาจารย์เสาวที่เป็นพระอาจารย์ของท่านและได้ระลึกถึงที่ท่านได้ทราบภายในญานเมื่อคราวที่ท่านอยู่ที่ถ้ำสาริกาว่า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 ถ้าเราได้พบท่านอาจารย์ของเราเราก็จะต้องแนะนำให้ท่านเลิกจากการปรารถนาเช่นนั้นเสียจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่หนอนี่เป็นการรำพึงภายในการเป็นสมาธิละเอียดของท่านพระอาจารย์มัน่นแต่เมื่อท่านได้สละความคิดนั้นเพื่อมีให้กังวลใจแล้วและท่านก็ได้เดินทุดงเรื่อยๆไปจนใกล้จะถึงถ้ำภูผากูด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 ถ้าเป็นดงดิบมองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วจะอยู่กันนานไม่ได้เพราะจะทำให้สุขภาพเสียโดยที่ท่านพระอาจารย์เสาท่านได้เลือกเอาสถานที่แห่งนี้อยู่ถึงหปีและท่านก็ยังมีสุขภาพดีเป็นปกติเหมือนกับอยู่วัดธรรมดานับว่าท่านพระอาจารย์เสามีความรู้ความชำนาญในการอยู่ป่าเป็นอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่า เราได้เดินมองพิเคราะห์ดูแล้วเป็นที่เหมาะสมจริงๆเพราะมีฐานน้ำเล็กๆไหลไม่ขาดอยู่ที่ตรงกลางทางที่จะขึ้นถ้ำพอดีคําว่าภูผากูดคือมีผักกูดขึ้นอยู่ตามตลิ่งทานน้ำนั้นมากเมื่อผักกูดขึ้นผักที่จะขึ้นตามผักกูดมาก็มากเช่นผักหนามผักเต่าเกียด ในคราวนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ขัชยาขโมทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นทุดงไปท่านกดทุดงตามไปติดติดกับท่านพระอาจารย์มั่นแต่พอก่อนจะถึงถ้ำภูผากูดท่านก็ล้มเจ็บเป็นไข่จึงได้เดินทางกลับมารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดอุบลเมื่อท่านหายป่วยแล้วก็ได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปเพื่อหวังในการศึกษาธรรมปฏิบัติอีกโดยไม่ได้มีการย่นย่อท้อถอย แต่ประการใด 22ตอนพระอาจารย์มั่นถวายความรู้พระอาจารย์เสารั้นเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินจนกระทั่งถึงและขึ้นไปบนถ้าภูเขากูดเมื่อวางบริขารไว้ส่วนหนึ่งแล้วท่านก็เข้าไปในมรสการท่านพระอาจารย์เสาซึ่งท่านพระอาจารย์เสาได้รู้ล่วงหน้าและเตรียมสถานที่ไว้คอยรับสิทธิรัก อันจากกันไปนานอยู่แล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้เข้าไปกราบนมัสการสนทนาปราศัยตามสมควรแล้วก็ไปพักณบริเวณแห่งหนึ่งตามอัธยาศัยและท่านพระอาจารย์มั่นก็ตั้งใจจะจำพรรษาณถ้ำ น, ะนี้กับท่านพระอาจารย์เสาในระหว่างพรรษาทั้งสิทธิ์และอาจารย์ก็ได้ปรึกษาสนทนาในเรื่องธรรมปฏิบัติแทบทุกวันอยู่มาวันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์มั่นได้พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ได้พิจารณาอาริยสัจธรรมหรือไม่ท่านพระอาจารย์สาวได้ตอบว่าเราก็ได้พิจารณาเหมือนกันได้ผลเป็นอย่างไรบ้างท่านพระอาจารย์มั่นถามได้ผลเหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนท่านพระอาจารย์สาวตอบเพราะเหตุใดบ้างครับท่านพระอาจารย์มั่นถามเราได้พยายามอยู่คือพยายามคิดถึงความแก่ ความตายแต่ว่าบางคราวมันก็ไม่แจ่มแจ้งท่านพระอาจารย์สาวตอบถ้าฉะนั้นคงจะมีอะไรเป็นเครื่องห่วงหรือกระมังท่านพระอาจารย์มั่นถามเราก็พยายามพิจารณาเหมือนกันแต่ก็หาสิ่งขัดข้องไม่ได้ท่านอาจารย์สาวตอบและกล่าวต่อไปว่าความจริงความสว่างของดวงจิตนั้นก็เป็นปกติดีอยู่แต่มันจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้าง มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสมาธิแต่ว่าเมื่อจิตพิจารณาทีไรรู้สึกว่าไม่ก้าวไปท่านพระอาจารย์มั่นจึงกล่าวว่ากระผมคิดว่าคงมีอะไรสักอย่างเป็นเครื่องห่วงท่านพระอาจารย์สาวตอบว่าและเธอรู้ไหมว่าเรามีอะไรเป็นเครื่องห่วงท่านพระอาจารย์มั่นเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ถวายความรู้ในครั้งอยู่ที่ถ้ำสาลิกาน้น จึงได้ตอบทันทีว่าท่านพระอาจารย์ห่วงเรื่องการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพธทกระมงครับท่านพระอาจารย์สาวตอบว่าแน่ทีเดียวในจิตใจเราตั้งอยู่ว่าจะขอให้รู้ทำเองโดยไม่ต้องให้ใครมาแนะนําหรือบอกให้และมันก็ตั้งอยู่ในใจของเรามาตลอดท่านพระอาจารย์มั่นจึงขอความกรุณาและบอกท่านพระอาจารย์สาวว่า ขอให้ท่านพระอาจารย์อย่าเป็นห่วงเลยขอให้พิจารณาอริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์เสดชาตินี้เถิดเพราะกระผมเองก็ปรารถนาพระโพธิญาณและกระผมก็ได้ละความปรารถนานั้นเสร็จแล้วเนื่องด้วยว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัตรนี้มันนานเหลือเกินในวันนั้นท่านพระอาจารย์สาวก็ต้องประหลาดใจที่สิทธิ์ของท่านได้ล่วงรู้ถึงความจริงอันปรากฏอยู่ในใจของท่าน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 คือการพิจารณากายจนชัดแจ้งประจักษ์เกิดนิพิธายานความเบื่อหน่ายขึ้นและท่านก็เริ่มดำเนินจิตเจริญให้มากกระทําให้มากจนเปัญญาสามารถทวนกระแสะมาถึงที่ตั้งของจิตได้และวันนั้นท่านก็ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดเมื่อได้รับการอธิบายจากท่านพระอาจารย์มั่นซ้าอีกว่าเมื่อเป็นฉะนั้น ก็ควรจะเจริญให้มากจนกว่าจะพอแก่ความต้องการเมื่อถึงจวนการปรวรารณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการและท่านก็บอกแก่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าเราได้เลิกการปรารถนาพระปัจเจกโพษแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมะจริงแล้วเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้ฟังก็ได้พูดให้ความแน่ใจว่าเป็นจริงเช่นนั้นแล้ว ต่างก็มีความอิ่มเอิบในธรรมระยะเวลานั้นท่านพระจารมั่นมีพรรษา26พ่พรรษาท่านได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์เสาเหมือนกับท่านเป็นพระใหม่คือปฏิบัติตั้งแต่การล้างบาทัซักจีบรบูที่นอนตักน้ําถวายสง์ถูหลังทุกประการซึ่งแม้พระอาจารย์เสาจะห้ามไม่ให้ทําแต่ท่านก็ปฏิบัติได้ โดยไม่ได้มีการแข่งกระด้างแต่ประการใดท่านพระอาจารย์สิงขันธยาขโมหลังจากหายป่วยแล้วก็ติดตามไปปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่นต่อไปทุกหนทุกแห่งซึ่งเริ่มติดตามพบที่ถ้ำในปีนี้เอง ที่ตอนพระอาจารย์มั่นให้สิทธิพิเศษมันไม่มีคราวใดอีกแล้วที่ข้าพเจ้าจะพึงระวังสติเหมือนคราวนี้เพราะถ้าเราขาดสติหมายถึงต้องถูกดุหรือถูกประนามอย่างใดอย่างหนึ่งและข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นเอาซิจริงๆและผลแห่งความเพียร ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วน่าแปลกใจตัวเองเสเหลือเกินมิใช่ข้าพเจ้าจะกล่าวเกินความจริงสิทธิอันนี้ไม่มีสิทธิ์ของท่านองค์ใดจะพึงได้เลยแม้แต่ท่านพระอาจารย์มหาบัวต้องการจะเข้าไปอยู่กับท่านตอนข้าพเจ้าออกมาแล้วท่านก็ไม่ยอมให้อยู่ต้องหอบกรดหอบมุ้งออกวันนั่นเองสิทธิอันนี้ จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นหนักหนาเพราะเหตุใดท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้ข้าพเจ้าได้จำวัดอยู่ในห้องเดียวกับท่านและผู้อื่นไม่ให้เข้าเกี่ยวข้องตลอดเวลาเดือนเศษต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเล่าเหตุการณ์ในห้องอันพิสดารดุดถ้ำแห่งธรรมะอันประเสริฐนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างพิสดารเพราะถ้าไม่ได้เขียนตอนนี้แล้วข้าพเจ้า เห็นจะต้องเลิกเขียนหนังสือธรรมะเอาเสียเลยหรือจะต้องทำให้ข้าพเจ้าข้่องใจตัวเองตลอดชีวิตเอาทีเดียวพูดถึงการเดินข้าพเจ้าต้องหัดเดินใหม่เอาทีเดียวเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องนี้เพราะวันหนึ่งข้าพเจ้าปวดท้องเบาต้องออกจากห้องตอนตีสีแม้จะค่อยๆย่องอย่างเบาแล้วพอเรื่งขึ้นท่านพูดว่าวิริยัง ทำไมจึงเดินแรงนักเมื่อคืนนี้เวลาที่ใครๆเขากำลังนั่งสมาธิอยู่ต้องระวังซิอย่าเดินแรงทำสมาธิของผู้อื่นให้เสียไปบาปเท่ากับฆ่าช้างทั้งตัวเชาวนาข้าพเจ้าตกใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเดินเบาเต็มที่แล้วเสียงยังลอดเข้าหาท่านได้อีกวันหน้าต่อมาปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือการเดินดัง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 ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกมีเสียงกุกกุกกักกัอะไรเลยทั้งทั้งที่ท่านก็ต้องถอดกรอนออกข้างนอกดูเหมือนว่าวันนั้นท่านออกไปเดินจงกรมแต่เช้ามืดและคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าถวายการบีบนวดแก่ท่านเสร็จแล้วในห้องนี้ประมาณ23านาฬิกาเห็นจะได้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิเสียตลอดคืนนี้เลยไม่ต้องนอนลวเรา แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกๆ ก, การพิจารณาก็ปลอดโปร่งดีแต่พอ ด, ดึกเข้าก็เลยนั่งหลับเพลินไปเลยไม่ทราบเข้าฌานอะไรกันหรือไม่มีฌานเป็นการนั่งหลับนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ขณะนั้นเองอาจจะเป็นเวลาตีหนึ่งหรือตีสองท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินไปที่มุ้งกรดของข้าพเจ้าทาเสียงบอกให้รู้ว่า นั่นกำลังหลงอยู่จนข้าพเจ้าต้องตกใจสะดุ้งขึ้นและท่านก็พูดว่าการบำเพ็ญสมาธิเอาแต่เพียงเป็นบาทของวิปัสสนาคือการพิจารณาก็พอแล้วส่วนการจะอยู่ในวิหารและธรรมนั้นก็ให้กำหนดรู้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าการหลงชานมากไปนั้นจะทำให้ตกไปสู่โมหะการพิจารณาวิปัสสนามากไปนั้น จะตกไปสู่ความฟุ้งซ่านจึงควรทําแต่พอดีพอเหมาะที่จะได้ผลอย่าให้มากนักอย่าให้น้อยนักถ้าน้อยนักเป็นเหตุให้ไม่รู้จักพอเป็นการเนิ่นช้าแต่การควบคุมสติให้มั่นคงเป็นการดีที่สุดแล้วท่านก็เดินกลับไปข้าพเจ้ารู้สึกปราบปลื้มอะไรเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านมาสอนการปฏิบัติให้เราถึงในมุง้ง ดูและเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจจริงๆและหวนระลึกถึงว่าท่านพระอาจารย์มั่นนี้สมกับเป็นพระประมาจารย์ที่แท้จริงได้เป็นห่วงสิทธิ์ที่จะหลงทางและพยายามหาหนทางให้โดยไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกศิษย์ไปหาไปหาลูกศิษย์เสียเองทั้งๆ ท, งที่ท่านก็รู้ทุกวาระจิต ท, ที่จะพึงแนะนาแก้ไขดูอเถิดข้าพเจ้านั่งอยู่ในมุง้งท่านทราบได้อย่างไร ทราบไปอย่างไรว่าข้าพเจ้ากำลังหลงทางและไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่ข้าพเจ้าพักอยู่ห้องเดียวกับท่านนับได้หลายครั้งทีเดียวที่ท่านได้เดินมาถึงกรดของข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าต้องหลงทางเรื่องของสมาธิเหตุการณ์เช่นนี้แหละที่ทำให้สิทธ์ต้องนับถือเคารพพระอาจารย์อย่างไม่มีอะไรเปรียบปานข้าพเจ้าแม้จะเป็นพระผู้น้อยแต่ท่าน ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เมื่อเห็นว่าควรอนุเคราะห์โดยเป็นธรรมสงเคราะห์แล้วท่านก็กระทําทุกอย่างเพื่อการนั้นในขณะที่อยู่ณนะที่นี้ก็เป็นเวลาของการป่วยของท่านด้วยถึงกระนั้นดูเหมือนว่าท่านจะไม่ค่อยคํานึงถึงการป่วยของท่านเท่าใดานักแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ต้องเข้ามานอนเฝ้าก็คงจะไม่เป็นไร เพราะท่านก็สละแล้วทุกๆอย่างข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านต้องการจะทรมานข้าพเจ้ามากกว่าจึงให้มานอนร่วมห้องกับท่านแล้วก็เป็นความจริงที่ในความรู้สึกของข้าพเจ้าว่าได้ถูกทรมานอย่างหนักหน่วงทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะว่าทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั้นต้องระวังทุกๆครั้งของการบําเพ็ญกรรมฐานก็ต้องระวังกลัวความผิดพลาด เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้รับการตักเตือนทันทีโดยไม่ต้องรอให้เสียเวลาซึ่งจะต้องไปตักเตือนกันเมื่อเลิกจากสมาธิแล้วทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นท่านก็มีโอกาสได้ชี้แจงผลที่เกิดขึ้นก็รวดเร็วยิ่งขึ้นข้าพเจ้ามาคำหนึงว่าเวลาทาไมจึงมีค่าเหลือเกินเช่นนี้ไม่มีเสียประโยชน์ไปเลยแล้วทำไมจึงจับไม่ให้ข้าพเจ้า ภูมิใจอย่างยิ่งนี้ได้เวลาที่ดีที่สุดนั้นคือการถวาย <_ d ream> การล้างหน้าเสร็จแล้วเวลาประมาณสามนาฬิกาเสรท่านได้ให้โอกาสถ า, ถามถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาและท่านก็แก้ไขให้อย่างแจ่มแจง้งถ้าเราไม่ถามท่านท่านก็จะตั้งปัญหาขึ้นแล้วก็แก้ไขให้เราอย่างดีที่สุดนับเป็นโอกาสดีหรือจะเรียกว่า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 ให้ถามแต่ส่วนของข้อปฏิบัติทางจิตชั้นละเอียดส่วนปัญหาเรื่องของคณะหรือพระอาจารย์องค์ต่างๆว่าใครเป็นอย่างไรมีปฏิิทาได้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอย่างไรท่านเหล่านั้นมีนิสัยอย่างไรตอนนี้ท่านในถามตอนก่อนจะบีบนวดถวายท่านเมื่อตอนข้ามหรือตอนบ่ายโมงระหว่างถวายน้าชาและน้าดื่มอื่นๆเป็นต้น 23ตอนจำพรรษาอยู่บ้านดงปอห้วยหลวงอําเภอเ พ, อเพนจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2460ในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่นจําพรรษาที่ป่าแห่งหนึ่งที่บ้านดงปอตําบลห้วยหลวงอําเภอเ พ, อเพนจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่ท่านได้เปิดศักราช แห่งการปฏิบัติธรรมอย่างได้ผลแล้วท่านก็เริ่มอุบรมพระพิสุสมเณรอย่างเด็ดเดียวจริงจังเพื่อผลงานในด้านนี้ของพระพุทธศาสนาจะได้เด่นขึ้นอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปีนี้บรรดาพระพิสุทั้งหลายผู้เคยได้รับรสพระธรรมจากท่านและผู้ที่ได้เคยสะดับแต่กิตติศรรัพก็ได้ติดตามปฏิบัติกับท่านการจำรรษาของท่าน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 ท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของสิทธิแล้วถ้าเป็นเหตุสำคัญท่านจะช้าให้พระหรือโยมไปตามพระองคนั้นมาหาท่านทันทีเพื่อจะได้แก้ไขเหตุการณ์ให้ดำเนินไปเพื่อความถูกต้องและได้ผลเป็นประมาณเช่นคราวหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีอาจารย์องค์หนึ่งพักอยู่บนเขาเรียกว่าผูเคอ อาจารย์องค์นั้นไม่ฉันอาหารตลอดสามเดือนผู้คนได้แตกตื่นกันไปหาท่านอย่างล้นหลามแต่อาจารย์องค์นั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นแต่อย่างใดท่านจึงเพียงแต่แนะนาสิทธิ์ของท่านว่าการไปอยู่ป่าอยู่เขาทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องเพราะไปทำอภินิหารอดอาหารอยู่ถ้ำเพื่อที่จะให้คนไปหาเป็นการผิดวิสัยพวกเราอย่าได้พากันทาเช่นนั้น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 เป็นผู้ที่ปฏิบัติเข้มแข็งและจะพึงเห็นอัดเห็นธรรมในเบื้องหน้าแล้วท่านยิ่งจะติดตามคอยแนะนําการปฏิบัติให้ทุกระยะตัวอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาภโลผู้เป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์สิงขันธยาขโมได้เข้ามามอบตัวเป็นสิทธิ์ของท่านหลังจากนั้นท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าท่านพระอาจารย์มหาปิ่นนี้มีบุญวาสนา ได้บ่มเพนมาพอสมควรที่จะเห็นอักเห็นธรรมได้ท่านจึงพยายามแนะนำธรรมปฏิบัติให้อย่างละเอียดและลึกซึ้งอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มหาปิ่นท่านนั่งพักอยู่ในกุฏิหลังเล็กมุงหลังคาแฝกในเสนาสนะป่าซึ่งท่านก็ได้ผ่านการนั่งสมาธิแล้วสองชั่วโมงเป็นเวลาประมาณ23นาฬิกาเศษท่านก็ได้นึกพลางไปถึงท่านอาจารย์มั่นว่า ท่านอาจารย์มั่นมิได้ร่ำเรียนพระปรยิยติธรรมมากเหมือนเราท่านจะมีความรู้กว้างขวางได้อย่างไรเราได้ร่ำเรียนมาถึงหประโยคจะต้องมีความรู้กว้างขวางมากกว่าท่านและที่ท่านสอนเราอยู่เดี๋ยวนี้จะถูกหรือมิถูกประการใดหนอขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านนั่งอยู่กุฏิของท่านห่างกันคนละมุมวัด ท่านก็ทราบวาจาจิตของท่านพระอาจารย์มหาปิ่นทันทีว่ากำลังจะคิดดูถูกท่านอยู่และความคิดเช่นนี้ย่อมเป็นภัยแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งท่านจึงลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินไปที่กุฏิพระอาจารย์มหาปินทันทีและเอาไม้เทา้าเคาะข้างฝาที่ทำด้วยใบไม้ดังพับพับแล้วก็ส่งเสียงขึ้นมาว่าท่านมหาปิน นี่เธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุไรการคิดเช่นนี้เป็นภัยต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจริงนะมหามหาปินได้ฟังตกใจสุดขีดเพราะไม่ได้นึกฝันเลยว่าเรานั่งคิดอยู่คนเดียวในเวลาที่ดึกสงัดเช่นนี้ท่านพระอาจารย์มั่นจะมาล่วงรู้วาราจิตของเราได้จึงรีบลุกขึ้นจากกุฏิตรงเข้าไปกราบเท้าท่านพระอาจารย์มั่นรีบกราบเรียนว่า กระผมกำลังนึกถึงท่านพระอาจารย์ในด้านอากุศลจิตกระผมขอกราบเท้าจงอโหสิกรรมให้แก่กระผมเถิดตั้งแต่วันนี้ต่อไปกระผมจะบังคับจิตไม่ให้นึกคิดสิ่งที่เป็นอากุศลจิตอย่างนี้ต่อไปอีกตรงนี้ข้าพเจ้าขอแทรกข้อความตอนเชียงใหม่ให้ท่านดูฟังได้ทราบตอนสำคัญไว้เพราะจะรอตอนท่านอยู่เชียงใหม่ก็จะไม่ทันใจ 25. ตอนกําหนดรู้วาราจิตหลวงตาสามรูปครั้งหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่บนภูเขากับพวกมูเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่มีพระหลวงตาหมายถึงผู้มีครอบครัวแล้วถึงบวชสามองค์ได้พยายามติดตามถามข่าวหาท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ถึงสามปี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 เมื่อพบท่านแล้วคงจะได้ธรรมะแสงสว่างไม่ยากนักจึงได้อุตสาห์ติดตามเป็นเวลานานก็พอดีเป็นเวลาเย็นประมาณห้าโมงจึงได้ถึงสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นอยู่เมื่อถึงแล้วก็เข้าไปน้ำมศการท่านท่านกําลังฉันน้ําร้อนอยู่มีพระเนนอยู่ด้วยสองสามองค์คอยปรนิบัติอยู่เมื่อหลวงตาทั้งสามกราบแล้วท่านก็ถามว่า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 ทั้งสามหลวงตาเล่าว่าไม่ว่าพวกฉันจะนึกอยากฟังธรรมะข้อใดท่านจะต้องเทศธรรมะข้อนั้นให้ฟังโดยไม่ต้องออกปากถามเลยฉันอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งแต่อยู่มาวันหนึ่งฉันทั้งสามได้ไปนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่งามมากหลังหินเสมอเรียบดีพวกเราก็นั่งประชุมสนทนากันก็พูดถึงเรื่องทางบ้านว่าป่านนี้ ภรยาของเราอยู่กันอย่างไรหนอลูกของฉันมีสี่คนลูกหญิงเป็นสาวยังไม่ได้แต่งงานเลยอีกองค์ก็พูดว่าภรรยาน่ากลัวจะไปมีผัวใหม่อาจจะทิ้งลูกเสียได้แล้วก็พูดกันหลายอย่างเป็นเวลากว่าชั่วโมงทุกองค์ก็ต่างกลับมาแต่ก็ไม่ได้อะไรในคำพูดเหล่านั้นดอกพูดแล้วก็แล้วกันไปแต่ที่ไหนได้ท่านพระจารย์มั่น ได้รู้เรื่องราวของเราหมดและในวันนั้นก็ได้มีพระพิสุสมัมมณีทุกแห่งที่อยู่แถวๆใกล้นั้นมาประชุมกันหมดท่านก็ยกเอาเรื่องทั้งสามหลวงตาขึ้นมาพูดในถ้ำกลางบริษัทว่าดูสิทั้งสามหลวงตาเนี่ยอุตส่ามาอยู่ป่าบวชแล้วยังคิดถึงมาตุคามลูกเมียมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมาอยู่กลางป่าเช่นนี้ซึ่งไม่ควรเลย น่าอับอายท่านผู้รู้นี่ในหลวงตาเธอเป็นพระกี่เปอร์เซนต์เท่านั้นเองพวกเราทั้งสามอายเพื่อนอย่างหนักนั่งก้มหน้าเมื่อเลิกประชุมแล้วพวกเราทั้งสามก็ร้อนไปหมดจึงเป็นอันว่าพวกเราอยู่ไม่ไหวคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนพวกเราก็เก็บบาทกรดหนีกันทั้งคืนป่าก็พูดว่าอรหังอรหังอรหังทั้งเดินหนีไปก็ไม่ได้อมลาท่านเลย โดยไม่ได้คำนึงว่าทางที่เดินมานั้นมีทั้งหมีทั้งเสือทั่วไปแต่พวกเรากลัวท่านพระอาจารย์มั่นมากกว่าเสืออีก ตอนธุดงไปนาถ้ำผาบิงจังหวัดเลยพุทธศักราช2461หลังจากจูปฏิบัติและถวายความรู้ในธรรมปฏิบัติอันยิ่งแก่พระอาจารย์ของท่านแล้วท่านเห็นหมู่คณะตามท่านมามากรู้สึกกังวลขึ้นท่านจึงปลีกตัวออกจากหมู่เดินธุดงไปแต่องค์เดียว จนบรรลุถึงถ้ำผาบิงจังหวัดเลยในปีนี้ท่านต้องการพิจารณาถึงความจริงทั้งหลายอันเกิดแก่การบําเพ็ญในตนของท่านและต้องการวัดผลการปฏิบัติที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนแก่บรรพชิตและคฤหอขัดว่าผลต่างๆของการปฏิบัตินั้นได้เป็นไปตามความมุ่งหมายมาเดิมหรือไม่และเป็นผลที่ถูกต้องทํานองครองธรรมคําสอนของพระพุทธองค์จริงหรือ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 อันที่จริงอริยธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนแต่เพราะเหตุที่ผู้ศึกษาไม่ได้ทำให้เป็นจริงขึ้นจึงปรากฏว่าเป็นสิ่งลึกลับยากแก่การจะรู้จริงได้แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงแจ้งชัดสักเท่าใดก็าตามเช่นพระองค์แสดงอนัตตลัคณาสูตรโปรดเบญจวคีให้ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นพระองค์ก็ทรงแสดงชี้ลงไปที่กาย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 เพราะเหตุว่าการทาจิตเป็นนามนธรรมเมื่อเกิดความอัศจรรย์หรือความสบายก็ไปเข้าใจเสียว่าดีเสียแล้วจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะรู้ยิ่งขึ้นได้จึงไม่ควรตาหนิผู้ที่เขาพากันทาสมาธิแล้วหลงไหลไปตามโลกิยชานหรือตามวิปัสนูปกิเลสเพราะเขาเหล่านั้นได้รับความสงบความเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ก็ควรตาหนิก็เพราะว่า เขาไม่พยายามหาโลกุตระธรรมนั่นแม้แต่เราในเบื้องแรกเราก็ได้พบโลคิยาชานหรือชานมากมายซึ่งมันทำให้เราต้องหลงไหลไปกับมันพักใหญ่แต่เราพยายามที่จะแสวงหาให้ยิ่งขึ้นเราจึงไม่ติดอยู่เพียงแค่นั้นอันการติดอยู่หรือเข้าใจผิดในธรรมปฏิบัติจิตอันเป็นภายในนี้มันไม่ไปในรกดกแต่ว่าการที่ไปติดมัน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 อยู่มากแล้วแต่เพราะเหตุใดเล่าพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าชิบหายเสียจากคุณอันใหญ่ก็เพราะว่ายังไม่หมดจากกิเลสเพราะเพียงแต่ข่มกิเลสไว้เหมือนกับศิลาทับย่าเท่านั้นอันที่จริงชานชั้นสูงนั้นก็เป็นเบื้องต้นแห่งการดำเนินไปสู่ความหมดจดจากกิเลสแต่เพราะความที่ดาบทนั้นไม่เข้าใจวิธีแห่งการอันจะพึงทาจิต เข้าสู่อริยสัย์เท่านั้นข้อนี้เป็นประการสำคัญนักเพราะการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุนี้คืออริยสัย์นี้แต่ท่านได้พิจารณาต่อไปอีกว่าการบำเพ็ญจิตต้องอาศัยปัญญาจึงจะรู้ถูกผิดและไม่ใช่แต่จะเอาแต่ทำจิตอย่างเดียวต้องมีสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกอาทิเช่นธรรมวินยัยทั้งอย่างหนักและอย่างเบา แม้ว่าจะพยายามทำจิตสักเท่าใดก็ตามถ้าประพฤติผิดพระวินัยน้อยใหญ่แล้วจะทำจิตย่อมไม่บังเกิดผลพร้อมกันนั้นต้องเป็นผู้สันโดษมักน้อยรักษาธุดงควัดต่างๆอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสหยาบโดวยว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะต้องพยายามปฏิบัติให้เป็นอันดีเท่ากับเป็นเครื่องบารุงส่งเสริมเช่นกับรถยนต์เครื่องยนต์กลไกต่างๆ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 การบินธบาตการปัดกวาดทำความสะอาดเสนาสะนะการอยู่โคนต้นไม้การอยู่ป่าการมีจีวรเพียงแต่ไตรจีวรการรักษาวัดทั้งหลายมีเสกิยวัตและอาจารยวัตเป็นต้นในปีนั้นท่านได้พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆอันที่จะจัดนำไปเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่แน่นอน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 ซึ่งจะป้องกันความงมงายต่างๆเช่นสีผ้าท่านก็กําหนดได้ว่าในครั้งพุทธกาลใช้สีผ้าอะไรท่านยังทราบว่าพระอนุรุธทธเทระเจ้าใช้ผ้าสีคร่าอ่อนพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเทระใช้สีวัวโทนและท่านพระมหากัสริยใช้ผ้าสีคร่าเป็นต้นบางครั้งท่านได้คานึงถึงท่านพระสารีบุตร ซึ่งครั้งนั้นได้ชวนพระโมคขลานะไปบำเพ็ญสมณธรรมณนะธรรมแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายวันอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ป่วยเพราะโรคปวดท้องกำเริบขึ้นอันพระโมคขลานะถามว่าท่านเป็นโรคนี้เคยฉันยาอะไรจึงหายพระสารีบุตรตอบว่าโรคนี้ต้องได้ฉันข้าวมัทู ป, ปายาตมีน้ำอ้อยผสมกับน้ำตาลกรวด จ, จึงหาย ขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในถ้ำ น, นั้นได้ยินเข้าก็ต้องการที่จะให้พระเถระได้ฉันจึงรีบไปยังบ้านอันเป็นครัวจรครมของพระเถระทั้งสองแล้วก็เข้าไปสิงในร่างของเด็กทำอาการให้เด็กชักดิ้นชักงออันบิดามันดาต้องพยายามแก้ไขทุกอย่างเด็กก็ไม่ทุเลาเทวดาที่สิงจึงบอกว่านี่พวกท่านต้องการให้ลูกหายไหม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 แล้วเทวดานั้นก็ออกจากร่างเด็กเด็กก็หายทันทีลุ่งเช้าพระโมคคัลลานะออกบินทบาตแต่เชา้าได้ไปถึงบ้านนั้นอันเขาทั้งหลายได้ถวายอาหารแก่พระโมคคัลลานะแล้วก็ถวายข้าวมะทุปายาตและขอร้องให้ไปถวายแก่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนำมาแล้วก็น้อมเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตรได้พิจารณาว่าอาหารนี้ไม่บริสุทธิ์ ท่านจะนำมาทำไมเพราะเหตุใดท่านพระโมคคัลลานะถามเพราะว่าเทวดาไปบังคับเขาพระสารีบุตรตอบส่วนท่านพระโมคคัลลานะได้พิจารณาก็ทราบทันทีแล้วพระโมคคัลลานะจึงอุทานว่าเราตาบอดไปเฉียวแล้วนำข้าวมัถุปยาสนั้นไปเททิ้งพระสารีบุตรก็กาหนดจิตให้บริสุทธิ์หายจากโรคปวดท้องทันที ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้พูดเป็นอุบายว่าความบริสุทธิ์ของศีล น, นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผ่องใสเป็นทางให้เกิดความจริงได้เพราะศีลมีทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้พูดเสมอว่าท่อนไม้ยางใหญ่ๆมันเข้าตาคนไม่ได้ดอกผงทุลีเล็กๆต่างหากมันเข้าตาคน ในราตรีหนึ่งระหว่างการเข้าพรรษาขณะที่กาลังบาเพ็ญสมณะธรรมอยู่เกิดความสงบเยือกเย็นมากจนเกิดแสงสว่างพุ่งไปสู่พระอภิธรรมทั้ง7จพระคำพีขึ้นมาแล้วได้พิจารณากำหนดพิจารณาแยกคายคนา้นคว้าสามารถรู้ได้ทั้งอัดและทั้งแปลอย่างคล่องแคล่วได้พิจารณาอย่างละเอียดตลอดคืนยันรุ่ง พอรุ่งเช้าออกจากสมาธิแล้วความรู้เหล่านั้นปรากฏว่าลบเลือนไปเสียเป็นส่วนมากยังจำได้เฉพาะที่สาคัญพอรู้ความหมายเฉพาะเรื่องหนึ่งๆเท่านั้นท่านได้พิจารณาวาสนาบา ร, รมีของท่านแล้วคำานึงถึงว่าเมื่อแจ่มแจ้งแล้วทาไมจึงลบเลือนไปเสียท่านได้ทราบในญาณของท่านว่าปฏิสัมพิฐานุศาส ความรู้ที่จะพึงแตกฉานในพระธรรมวินัยนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะได้มีความแตกฉานเป็นปฏิสัมพิทาญาณก็หาไม่ได้เช้าวันนั้นเมื่อเข้าไปบินธบาตในบ้านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาใส่บาทและพูดขึ้นว่าเมื่อคืนผมฝันเห็นท่านเปิดเอาหนังสือพระไตรปิฎกออกมาอ่านเป็นอันมากท่านคงภาวนาดีในคืนนี้ท่านได้ยินโยมพูดก็เพียงแต่ยิ้มแย้มนิดหน่อย แล้วก็เดินบินทบาทต่อไป 2ี่สิบแปดตอนเริ่มอบรมพระพิสุสัมมณีนอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจังณนะเสนาสะนะป่าบ้านคอ อ, อําเภอผือจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช 2,462 ในปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่เสนาสะนะป่าบ้านคอ อ, อําเภอผือ เป็นปีที่เริ่มแนะนําข้อปฏิบัติแก่พระภิษุเป็นส่วนมากซึ่งปรากฏว่าท่านพระอาจารย์สุวรรณสุจินโญท่านพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมท่านพระอาจารย์ตื้ออจาจาระธรรมโมท่านพระอาจารย์แหวนสุจินโญท่านพระอาจารย์หนูใหญ่ได้ติดตามมาปฏิบัติอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้แนะนําเพื่อความก้าวหน้า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 ยานคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างความสงบเป็นต้นว่ายานระลึกชาติผลหลังได้ยานรู้จักเหตุการณ์ในอดีตยานรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาราจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียวแต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในยานเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดการเนื่นช้า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 ในที่สุดโดยอาศัยความหลงยานกลับต้องเสื่อมหมดทุกอย่างไม่พ้นทุกไม่เข้าถึงอริยสัจแต่กลับตกนรกไปเลยท่านพระอาจารย์มั่นท่นเน้นว่ายานเหล่านี้มันน่าคิดจริงๆเพราะมันวิเศษแท้ทั้งเยือกเย็นทั้งสว่างผ่องใสทั้งรู้อะไรที่เป็นอดีตอนาคตตามความประสงค์ผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงที่มติณที่นี้ เราจะสังเกตเห็นได้ตรงที่เกิดทิฐิขึ้นมาอย่างหนึ่งคือการถือตัวว่าดีกว่าใครๆไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสหธรรมิกหรือสิทธิ์หาว่าสิทธิ์สู้เราไม่ได้ใครก็สู้เราไม่ได้ทิฐิชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วตัวของตัวเองไม่รู้ตัวเองซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านเปรียบว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งใหญ่เหลือเกินอยู่ในท้องทะเล มันไม่รู้ว่าหางมันอยู่ที่ไหนเมื่อมันไม่รู้มันเห็นหางของมันมันก็กินหางของมันกินไปกินไปจนเหลือแต่หัวเลยมั่มซ้ำหมดเลยและท่านก็อธิบายว่าการหลงตัวด้วยหยาด น, นี้มันละเอียดนักเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือการขาดจากความรอบคอบบางสิ่งบางประการเพราะเหตุแห่งการถือเช่น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 กลับลายเป็นความนึกคิดโดยอาศัยสัญญาเก่านี่คือความเสื่อมแห่งยานลูกศิษย์ก็มีหลายองค์ที่ต้องเสื่อมลงจากยานเหล่านี้อย่างน่าเสียดายดังนั้นเพื่อป้องกันความเสื่อมจึงต้องรีบดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจเสยียเลยเพราะความที่จิตเข้าสู่อริยสัจได้แล้วมันก็ห่างจากความเสื่อมไปทุกทีทุกทีท่านยกตัวอย่างว่าท่านหนูใหญ่ อายุคราวเดียวกับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูไม่พยายามดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจแต่ว่าวิญญาณแหลมคมดีเอาแต่ยานภายนอกอย่างเดียวจึงเสื่อมไปได้คือท่านอาจารย์หนูใหญ่นั้นปรากฏว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเกิดยานรู้ความจริงบางอย่างได้อย่างคล่องแคล่วเป็นที่ปรึกษาหารือแก่สหธรรมิกด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทั้งมีความรู้พิเศษเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเมื่อหมู่คณะที่อยู่รวมสำนักกับท่านประพฤติผิดธรรมวินัยในข้อวัดปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามท่านสามารถรู้ได้ด้วยญาณของท่านทั้งทั้งที่ท่านก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแต่ประการใดอาทิเช่นครั้งหนึ่งเวลาตอนบ่ายสามเณรทั้งหลายได้จัดน้าปานะคือน้าอัชบาลถวายพระ เวลาที่พระทั้งหลายกำลังดื่มอยู่นั้นขณะนั้นท่านพระอาจารย์หนูใหญ่กำลังทำสมาธิอยู่ในความสงบได้ปรากฏเห็นพระเหล่านั้นในยานของท่านว่ากำลังฉันอาหารกันอยู่ท่านจึงไปที่ถามกลางหมู่คณะนั้นจึงกล่าวว่าพวกเรากำลังฉันสิ่งของที่เจือด้วยอนามิตแน่เพราะมันไม่บริสุทธิ์ซึ่งพระพิสุสามนเนรทั้งหลายกาลังฉันน้าปานะกันอยู่พากันสงสยัย และสามเณรพู้ธรรมก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเพราะว่าทํามากับมือแต่พระอาจารย์หนูใหญ่ก็ยืนยันว่าไม่บริสุทธิ์แน่จึงได้มีการตรวจค้นกันขึ้นได้พบมเมล็ดข้าวสุกติดอยู่ที่ก้นภาชนะนั้นจริงๆเพราะเหตุนั้นหมู่คณะทั้งหลายจึงเกรงขามท่านมากเพราะเมื่ออยู่ใกล้ๆกับท่านแล้วก็ต้องระวังระวังความนึกคิด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 กว่าจะทำมันขึ้นมาได้แสนยากลำบากนักแต่เมื่อได้มาแล้วไม่รู้จักรักษาและไม่รู้จักทำให้มันเป็นประโยชน์ถึงเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายควรสังวรเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องยานหรือความสงบถ้าหากไปหลงมันเข้าปล่อยให้เกิดแต่ความสงบอย่างเดียวย่อมไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้เพราะสถานที่นั้นเป็นที่สบายอย่างยิ่งและน่าอยู่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 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ชี้ตัวอย่างท่านพระอาจารย์เทศเทสรังศีว่าท่านเทศนี้ได้ติดอยู่ในยานนี้นานยิ่งกว่าใครๆในระยะที่ท่านเทศหลงอยู่ในยานนั้นเราได้พยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คลายจากความเป็นเช่นนั้นกว่าจะได้ผลต้องใช้เวลาถึง12ปีเพราะว่าท่านพระอาจารย์เทศได้ติดอยู่ในยานถึง12ปี ครั้นเมื่อท่านอาจารย์เทพแก้ไขตัวของท่านได้แล้วถึงกับอุทานว่าเราหลงไปถึง12ปีถ้าไม่ได้ท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขเราแล้วก็คงจะต้องติดไปจนตายท่านพระอาจารย์มั่นเด้เน้นหนักว่าการแก้ไขสิ่งของที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ลําบากกว่าแก้สิ่งของไม่ดีเพราะความไม่ดีรู้กันในหมู่ผู้หวังดีหาทางแก้ไขได้ง่าย ส่วนความดีที่ต้องติดดีเนี่ยแก้ไขยากผู้ติดดีจึงต้องใช้ความพยายามหลายอย่างเพราะขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาเนื่องจากการเกิดขึ้นภายในนั้นมีพร้อมทั้งเหตุและผลจนทำให้เชื่อเอาจนได้จะไปว่าอะไรแต่อย่างอื่นที่ใกลจากอริยสัจธรรมแม้แต่วิปัสสนาซึ่งก็เป็นทางไปสู่อริยสัจอยู่แล้วแต่ผู้ดาเนินไม่มีความรอบรู้พอ ก็กลับกลายเป็นวิปัสณูปกิเลสไปได้การเป็นวิปัสณูปกิเลสนั้นคือโอภาโสแสงสว่างไม่มีประมาณแสงสว่างนี้เกิดจากจิตที่สงบนิ่งจนเกิดแสงสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างที่จะหาสิ่งเปรียบเทียบยากผู้บำเพ็ญจิตเบื้องต้นพอจิตสงบแล้วก็เกิดนิมิตเห็นแสงสว่างเท่านี้ไม่จัดเข้าไปในวิปสัสณู เพราะแสงสว่างที่จัดเข้าไปในวิปัสสนูนี้เป็นแสงที่เกิดจากการเห็นของธรรมชาติแม่การเห็นเป็นธรรมชาติเป็นของจริงก็ตามการที่จะถือเอาของจริงแม่นั้นก็ผิดเพราะความจริงที่เห็นนี้สำหรับพิจารณาด้วยยานต่างหากไม่ใช่จะให้ติดข้องผัวพันถ้าติดข้องก็เกิดเป็นกิเลสก็เลยยึดเข้าไปหาว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้เลยยิ่งเหลวไปใหญ่ แสงสว่างที่เห็นของจริงนี้ท่านจึงจัดเป็นวิปัสนูปกิเลสเพราะไปหลงเข้าแล้วหาว่าดีแม้เพียงเท่านี้ความจริงมันเป็นเพียงเครื่องมือพิจารณาต่อไปท่านจึงห้ามติดเช่นโอภาสแสงสว่างไม่มีประมาณเกิดขึ้นในขณะ จ, จิตสงบลึกซึ้งมองเห็นชัดเจนเป็นแสงสว่างจะหาสิ่งเปรียบเทียบยากเหมือนบรรลุชิพยะจักขุยาณเป็นต้น ยาณนะความรู้ไม่มีประมาณความรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นต้นรู้ว่าจิตสงบหรือรู้อยู่เฉพาะหน้าบ้างอย่างนี้ไม่จัดเข้าในขั้นนี้ความรู้ที่จัดเป็นวิปัสสนูนั้นคือความรู้ที่อย่างรู้ว่าจิตเรานี้มีความสว่างจริงฉันเห็นธาตุว่าธาตุจริงชนิดนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนแน่ละถ้าจะเป็นของจริง เลยเข้าใจว่ารู้นี้เป็นธรรมแท้จึงเป็นกินเลสเป็นเหตุให้ถือตัวแต่ความจริงแล้วท่านในใช้ความรู้นี้พิจารณาให้ยิ่งเท่านั้นไม่ใช่ให้ถือเอาความรู้ก็เท่ากับถือเอาเครื่องมือว่าเป็นของจริงท่านจึงห้ามติดปีติความอิ่มใจอันแรงกล้าความอิ่มใจซาบซ่านในตัวอันเกิดขึ้นแก่ผู้ฝึกสมาธิในขั้นต้นไม่จัดเข้าในชั้นนี้ ปิติที่จัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสนั้นคือความเยือกเย็นอันเห็นได้ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเช่นเห็นว่าธาตุทั้งหลายสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมธาตุแห่งสภาพจริงๆความปิติเยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยพบก็จะได้พบเมื่อพบเข้าเลยอดความอินใจอย่างแรงกล้าข้าจะว่าเป็นของจริงทําให้ติดเกิดกิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือว่า เป็นธรรมพิเศษหรืออมตะธรรมก็เลยจะเป็นทางให้ยึดแล้วก็ทำให้เนื่นช้าท่านจึงห้ามติดปัสัตธิความสงบยิ่งการทำจิตสงบชั่วครั้งชั่วคราวของผู้เริ่มความเพียรไม่นับเข้าในชั้นนี้ปัจสัตธิที่จัดเป็นวิปัสสนานั้นคือความสงบที่มีกำลังอันอาจจะจำแนกาธาตุออกไปได้ว่ า, าธาตุนั้นเป็นดินเป็นน้าเป็นต้น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 หรือชั่วครั้งชั่วคราวไม่จัดเข้าในชั้นนี้สุขะที่จัดเป็นวิปัสสนูนั้นเป็นผลไปจากการเห็นธาตุทั้งหลายว่าเป็นจริงเกิดความสงบสุขยิ่งขึ้นเป็นลำดับความสุขนี้จะมีชั้นสูงขึ้นตามลำดับแห่งการเห็นตามจริงแห่งธรรมธาตุธาตุติดก็เป็นกินเลสเป็นเหตุให้พอใจเพียงแค่นั้นจะไม่ก้าวหน้าต่อไปท่านจึงห้ามติด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 แต่กรุงเทพนั้นนะ่ะมีจริงพอเขาเดินทางมาถึงลำปางเขาก็พากันน้อมใจเชื่อว่าลำปางนี่แหละคือกรุงเทพเขาเหล่านั้นก็ลงรถไฟโดยถือเอาลำปางเป็นกรุงเทพเมื่อน้อมใจเชื่อเช่นนี้เป็นไนถึงกรุงเทพไม่ได้กรุงเทพมีจริงแต่ต้องขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่ไปให้พอแก่ความต้องการก็จะถึงจนได้อันการบำเพ็ญจิต ยิ่งบำเพ็ญยิ่งละเอียดขึ้นเป็นลำดับน่าทึ่งน่าอัศจรรย์มากมายเหลือจะนับจะประมาณมีสิ่งประหลาดมากมายทีเดียวจึงเป็นสิ่งที่คล้ายกับธรรมะชั้นสูงโดยเหมือนกับมีธรรมะผุดขึ้นมาบอกว่าถึงชั้นนั้นชั้นนี้บ้างได้เห็นอริยสัจบ้างจะเห็นจะบรรลุบ้างอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นน้อมใจเชื่อมันแล้ว เป็นกิเลสตัวใหญ่การกั้นความดีที่กำลังจะ ก, ก้าวหน้าไปอย่างน่าเสียดายปักคาหาความเพียรอาหารการบาเพ็ญจิตจนเกิดความดีความงามความที่ละเอียดอ่อนโดยอาศัยพลังแห่งจิตโดยที่ต้องการให้ถึงเร็วเป็นการเร่งเกินแก่ความพอดีอยังไม่คำนึงถึงว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรเอาใจเป็นใหญ่ หากโหมความเพียรอย่างไม่ปราณีปราศัยนี่ก็เป็นทางเสียหายเพราะเหตุใดท่านจึงจัดเป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสนาด้วยเล่าก็เพราะว่าในที่นี้นับว่าเป็นความปรารถนาอย่างรุนแรงของใจจนอาจจะเป็นอันตรายได้โดยขาดมัดตันอยู่ความเป็นผู้รู้จักประมาณไปจึงกลายตัวมาเป็นอุปกิเลสซึ่งทําให้เกิดความมัวหมอง ถึงกับจะกลางกั้นความเจริญชั้นสูงต่อไปแต่การจะถือเอาวิปัสสนูข้อนี้มาทำให้เกิดย่อหย่อนในความเพียรเรื่องก็ยิ่งเสียหายกันไปใหญ่อีกในทีน่นี้ท่านต้องการความพอดีเหมือนกับการรับประทานอาหารความอิ่มนี่คือความพอดีถ้าเรารับประทานอาหารไม่อิ่มแต่เราถือว่าอิ่มนี่คือไม่พอดีถ้าเรารับประทานอิ่ม ยิงเติมเข้าไปอีกเกินความพอดีเราก็จะต้องทราบความละเอียดที่เกิดผลตามสมควรจึงจะเชื่อว่าพอดีไม่หักโหมเกินไปจนเป็นเหตุให้ถือเอาความเพียรข่มขู่ผู้อื่นอันจะกลับกลายเป็นกิเลสอุปัฐานสติกล้าสตินี้ไม่น่าจะเป็นอุปกิเลสเพราะสตินี้เองสามารถดำเนินจิตให้ตั้งเที่ยงอยู่ได้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 ความสงสัยก็ตามมาก็จะกลับกลายเป็นอุปกิเลสไปอุเบกขาความวางเฉยการจัดอุเบกขาเป็นวิปัสสนูนั่นคือการไปเข้าใจเอาเองว่านี่เป็นวิมุตติธรรมหรือความละเอียดแห่งจิตเท่านี้ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมชั้นสูงเลยวางเฉยถือว่าเป็นสิ่งแน่นอนยังไม่ถึงอริยสัจเต็มที่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 ในการที่จะบำเพ็ญให้ก้าวหน้าต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นท่าเนเน้นหนักลงไปถึงฌานและยานนี้หนักมากในภรษานี้เพื่อให้ศิษย์ทั้งหลายได้สำเนียกเพื่อความก้าวหน้าของตน ยี่ตอนจำพรรษาอยู่ภาคอีสานพุทธศักราช 2,463 ถึง70การจำพรรษาของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นโดยส่วนมากท่านย้ายสถานที่อยู่เสมอทั้งนี้เพื่อจะได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ได้มากมากและไม่ให้จำเจที่จะต้องเกิดความกังวลอีกด้วย และแม้ว่าท่านจะไปจำพรรษาที่ไหนก็ตามบรรดาลูกศิษย์ผู้หวังดีจะต้องติดตามไปเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติจากท่านเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปแม้ว่าจะได้ทราบชัดถึงหนทางที่ท่านได้แนะนําให้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ตามแต่ข้อละเอียดบางประการก็ต้องอาศัยการอบรมจากท่านอยู่อย่างใกล้ชิด 29.1 ตอนเสนาสะนะป่าอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องขายพุทธศักราช2463ในปีนี้พระพิสุสามเณรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ก็เริ่มมากขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การปฏิบัติโดยเฉพาะการบำเพ็ญสมณะธรรมนั้นเป็นของลึกลับมาก ยากแก่การที่จะมาดําเนินกันอย่างง่ายๆแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็มาเปิดจักราดการปฏิบัติโดยกําหนดการปฏิบัติอย่างง่ายๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นคารวาตหรือพระพิสุสามเณรก็สามารถทําได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ได้ประสบผลอย่างทันตาด้วยโดยไม่ต้องไปเสียเวลายกครูยกขันห้าขันแปดเหมือนอย่างแต่ก่อนแม้สามเณรองค์เล็กก็สามารถปฏิบัติ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 ที่เป็นการเผยแพร่โดยให้บุคคลที่น้อมตัวเข้ามาเชื่อได้เห็นเองคือให้กระทาแล้วได้รู้เองว่ารสของพระศัทธธรรมนั้นเป็นอย่างไรโดยเหตุนี้เกียรติคุณของท่านจึงแพร่ไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ของท่านมีมากขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นตัวท่านและศิษย์ที่มารับการอบรมก็ได้รับรสของพระศัทธรรมและช่วยให้บุคคลอื่นนอกนั้น มาร่วมเป็นสมาชิกในการดำเนินการปฏิบัติจิตแล้วก็บรรดาผู้ที่น้อมตัวเข้ามาเป็นสิทธิ์ของท่านก็เป็นอันรับรองได้เลยทีเดียวว่าจะต้องได้รับผลแน่นอนเพราะปรากฏในภายหลังว่าสิทธิ์ของท่านได้กลับกลายเป็นผู้มีความสำคัญในการเผยแพร่การปฏิบัติที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณทาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าท่านได้กำหนดวางรากฐานการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่การสมัยเพราะการกำหนดมาตรฐานอันเป็นสิ่งที่ท่านได้กำหนดพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนจริงๆป ร, ร, รากฏตามประวัติที่ท่านได้ออกไปอยู่ในถ้ำแต่ผู้เดียวบ้างศึกษาจากครูบาอาจารย์บ้างและการที่ท่านได้ทาความรอบคอบในการวางรากฐานแห่งการปฏิบัตินี้เอง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 พระองค์ก็ทรงชี้ลงไปที่รูปของพระเบญจวครีเองมิได้ทรงแสดงเกินกว่ารูปของพระเบญจวครีเลยเช่นทรงแสดงว่ารูปังพิกเวอนาตตาดูก่อนพระพิสุททั้งหลายรูปไม่ใช่ตนเบญจวครีก็มีรูปมาแต่ไห น, ไหนแต่ทําไมไม่ได้สําเร็จพระอรหรันมาสําเร็จเอาตอนที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้ดูเราก็เช่นเดียวกัน แม้เราพากันพิจารณาดูรูปก็ต้องไม่ผิดผลทางแน่นอนท่านได้อ้างอิงอย่างมีหลักฐานเช่นนี้จึงเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งแก่บุคคลที่เข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านณนะที่ท่าบ่อนี้เองบัดนี้ได้กลับมาเป็นวัดป่าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญกรรมฐานเป็นเหตุให้เกิดมีผู้มีบุญขึ้นมาอีกมาก ได้นามว่าวัดอรั ญ, ญาวาสีมีพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมพระอาจารย์มหาติน่นปัญญาพโลพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระาอาจารย์ฟั่นอาจารูพระอาจารย์สุวรรณและพระอาจารย์หลายและองค์อื่นอีกมากที่ได้มาเห็นว่าสถานที่นี้ดีเหมาะแก่การบาเพ็ญสมณธรรม และได้มาบำเพ็ญแล้วก็ได้รับประโยชน์ทางใจจากสถานที่นี้มากมายทีเดียว 29.2 ตอนเสนาสนะป่าบ้านห้วยทรายกิงคำาชอีจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2464ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยทรายเขตจังหวัดนครพนมปรากฏว่าได้มีพระพิสุห้ารูป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 ท่านพระอาจารย์เสาท่านพักอยู่ที่ถ้ำภูผากูดถึงห้าพรรษาออกพรรษาแล้วไปพักจำพรรษาในเขตท้องถิ่นของอำเภอมุกดาหารและกิ่งองเาเภอคาชะอีไปไปม า, มาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นออกจากบ้านห้วยสายแล้วท่านต่างก็ร่วมเดินทางเดินธุดงออกไปขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบ้านหนองลาดบ้านม่วงไข่พันนา ซึ่งเป็นบ้านที่ใกล้บ้านเดิมของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูแลออกเดินธุดงไปทางบ้านหนองแวงบ้านโพนเชียงหวางตามหนทางถิ่นนี้เป็นป่าดงพงพีเต็มไปด้วยไม้เต็งรังไม้แดงไม้ตะเคียนเป็นป่าทึบท่านเดีพักพิงและพาหมู่คณะสิทธิ์ทาความเพียรเป็นระยะไปและได้ลูกศิษย์เพิ่มขึ้นตามระยะทาง ทั้งที่เป็นพระพิสุสมมเณีและเด็กจากนั้นท่านก็ทุดงต่อไปถึงบ้านหนองไสบ้านตาลโกนบ้านตาลเนืองอันเป็นบ้านเดิมของท่านพระอาจารย์วันอุตโมูบริเวณถิ่นนี้มีหมู่บ้านเป็นหย่อมๆพวกเขาส่วนมากเป็นชาวนาการไปตามแถวถิ่นนี้ท่านจะแนะนําหมู่ชนให้ละจากการนับถือพูดผีปีศาจโดยความหลงผิดเป็นส่วนใหญ่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 ที่เป็นสิทธุดงไปตามหมู่เขาลำเนาไพรนี้เมื่อพักอยู่นานๆเข้าจะมีทั้งพระพิสุสมเณรอุบาศกอุบาชิกาสนใจจากทางไกลๆเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านเพราะเหตุว่าการปฏิบัติแต่ก่อนนี้เป็นสิ่งลี้ลับกลับเปิดเผยจะแจ้งขึ้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตามท่านแม้แต่อุบาสกอุบาสิกา ซึ่งเป็นคารวาสมาบำเพ็ญก็ได้ผลอย่างน่าประหลาดผู้ที่เป็นพระพิสุจะมาอยู่ดูดายไม่ปฏิบัติก็จะด้อยกว่าคารวาด้านปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการทําให้คารวาดดูถูกดูแคลนได้จึงปรากฏว่าบรรดาพระพิสุทั้งหลายเกิดการตื่นตัวขึ้นมาหาท่านเบิกขอมอบตัวเป็นสิทธิ์ทั้งพระผู้ใหญ่อันเป็นพระเถระและพระผู้น้อยทั้งพระเก่า พระเก่าๆที่เป็นพระเถระซึ่งติดตามท่านไปห่างๆก็าสามารถสอนทำกรรมฐานได้เช่นท่านเหมือนกันการเดินทุดงจึงเป็นการเผยแพร่พระธรรมปฏิบัติไปในตัวในขณะนั้นพระอุปชาเกิงอาทิมุตตะโกท่านพระอาจารย์ดีวัดมุ่งไข่พันนาก็ได้มาเรียนกรรมฐานภาวนาจากท่านพระอาจารย์มั่นจนปรากฏว่าได้ผลอย่างมหัศจรรย์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 จะได้นิมนต์ท่านพระครูอดิไสคุณาทานอากโรคำที่วัดศีสะอาดเจ้าคณะจังหวัดเลยมาเป็นอุปัชาการทําการอุปสมบทในสมัยนั้นเป็นการเริ่มต้นวางระเบียบการบวชตาผระขาวแต่ก่อนที่จะทําการประประชาอุปสมบทการบวชตาพ้ะขาวคือการรักษาศีลแปดและให้รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว และฝึกขัดดัดแปลงนิสัยใจคอทั้งฝึกสมาธิให้เป็นประดุษพระหรือสา ม, มนเณรไปตั้งแต่ยังเป็นผ้าขาวนี้เสียก่อนถ้าก่อนฝึกยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ยังไม่บรรพชาอุปสมบทให้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีการฝึกผู้จะบวชนั้นปรากฏว่าเรียบร้อยดีมากระเบียบนี้จึงได้มีขึ้นในคณะกรรมฐาน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 และมีปฏิพานเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมเป็นหัวหน้าชุดละสามสี่องค์ท่านเป็นหัวหน้าไปพักบ้านหนึ่งบ้านใดอาจจะเป็นเจ็ดวัน10วันหนึ่งเดือนสุดแต่ความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ได้และหัวหน้าตามหลังท่านมาก็พักอยู่ตามทางตามบ้านที่ท่านพักตามกำหนดที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักและทาการสอนกรรมฐานภาวนา ติดตามท่านมาตลอดแห่งหนทางการไปทุดงและการที่จะตัดสินใจไปที่ใดนั้นเป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งการไปไม่ว่าจะเป็นที่ใดท่านจะพิจารณาอย่างรอบครอบว่าจะพึงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงคือชาวบ้านเหล่านั้นและกุลบุตรในแถบถิ่นนั้นจะพึงมีบุญวาสนาพอจะรับธรรมปฏิบัติจากท่านได้ ท่านก็จะพาคณะเดินทางไปยังประเทศตมบุนั้นนี่เป็นวิธีที่ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขมโมนําเอามาเป็นแบบดําเนินการหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วท่านได้มอบสิทธิ์ทั้งหลายให้อยู่ในความปกครองของท่านพระอาจารย์สิงห์ทั้งหมดท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านได้ดําเนินธุ ด, ดงค์พิธีนี้เมื่อพศ .2471 โดยได้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปรากฏว่าได้มีวัดเสนาสนะป่าอันเป็นแหล่งสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมแก่พระพิสุสัมณนนุบาสกอุบาสิกาเป็นอันมากนับเป็นพันๆแห่งทีเดียวอีกวิธีหนึ่งการทุดงนั้นท่านจัดให้ไปสแสวงหาความสงบโดยเฉพาะวิธีนี้ได้จัดขึ้นให้เป็นประโยชน์เฉพาะพิสุสมัมณี คือผู้ที่บวชใหม่หรือบวชเก่าแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ก็ต้องไปทุดงคือจะต้องแสวงหาสถานที่ไกลจากบ้านพอสมควรอาจจะเป็นป่าไม้หรือภูเขาหรือเป็นถ้ำหรือเป็นป่าช้าพักหยุดบำเพ็ญสมณธรรมโดยเฉพาะไม่สอนอุบายศกอุบาสิกาแนะนำกันในระหว่างพระภิสุสามเณรอบรมกันให้ยิ่งโดยการบาเพ็ญจิต พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก่ความสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดผลขึ้นจากการบาเพ็ญถ้าหากว่าแก้กันไม่ไหวก็จะนำไปหาท่านพระอาจารย์ใหญ่เพื่อแก้ไขความสงสัยทั้งหลายการอยู่นั้นสุดแล้วแต่สถานที่ถ้าเป็นที่สงบสงัดดีบาเพ็ญสมณธรรมได้ผลก็อยู่นานถ้าเป็นที่ไม่ค่อยสงบหรือไม่ได้ผลในการบาเพ็ญสมณธรรมเท่าไหร่ ก็จะอยู่ไม่นานการคดงแบบนี้จะอยู่กันชั่วคราวทุกสถานที่แต่ถ้าเป็นสัปปายะ ด, ดีก็อาจจะอยู่เป็นเวลาหลายวันหลายเดือนนี่หมายความว่าได้ประโยชน์ในการบำเพ็ญจริงๆแม้การอยู่จำพรรษาก็เหมือนกันท่านจะต้องแสวงหาที่ที่จะพึงได้ประโยชน์แก่การบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆ จ, จึงพยายามหาวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งพระอมริตธรรมจึงปรากฏว่าได้ดำเนินถูกต้องตามทํานองครองธรรมอย่างแต่การก่อนเช่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าอารัญเยรุขมูลเลวาสูญยาคาเรจะจพิขโวในป่าใต้โคนต้นไม้เรือนว่างเปล่าเป็นที่สงบสงัดสมควรแก่บุคคลผู้ดงการด้วยความเพียรและอมริตธรรม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 29.3 ตอนณเสนาสนะป่าบ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2465ท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่น พร้อมทั้งสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ทั้งสองรุ่นแรกและผู้เข้ามาฝึกหัดใหม่รวมกันจำนวนมากจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านหนองลาดปัจจุบันเป็นโรงเรียนประชาบาลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร น, นับเป็นเวลาเจ็ดปีที่ท่านพระอาจารย์ได้เริ่มแนะนำการปฏิบัติธรรมที่ง่ายๆและได้ผลจริงจังจนถึงปีนี้ และได้มีผู้ที่ได้รับทำชั้นสูงจากท่านจนสามารถสอนทำกรรมฐานแทนท่านได้ก็มากองในปีนี้ท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองใครจะได้ปรับปรุงแผนการให้ได้ผลยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายบัณชิตและคฤหอขัดจึงได้มีการรวมประชุมบรรดาสารุสิ์ทั้งหลายให้มาจำพรรษาณที่นี้แม้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติเป็นประจำ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 เพราะเมื่อดำเนินมาเป็นเวลา7ปีนี้เกิดผลสมความตั้งใจแล้วคือการปฏิบัติตามอริยสัจธรรมโดยเฉพาะท่านได้ย้ำถึงการพิจารณากายนี้เป็นหลักประกันที่สำคัญยิ่งท่านได้ยกตัวอย่างมากมายนับแต่พระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งผู้ที่ผ่านเข้าสู่อริยสัจนั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีเลย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 และพาให้หมู่คณะที่อยู่ในปกครองเขวห้นทางตามไปด้วยเพราะท่านได้นิมิตภายในสมาธิของท่านนักข่ำคืนวันหนึ่งท่านนิมิตว่าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าเราได้พาพระพิสุสัมเณี น, เ, นเป็นจำนวนมากเข้าไปบินทบาทในระแวกบ้านขณะนั้นได้เกิดนิมิตในสมาธิเป็นที่น่าประหลาดใจขึ้นคือพระพิสุสามเณนที่ตามเรามาดีๆ ก็เกิดมีพวกหนึ่งแซงซ้ายแซงซ้ายบ้างขวาบ้างขึ้นหน้าเราบ้างบางพวกก็เลยเดินออกไปนอกทางเสียแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่เดินตามเราไปการนิมิชนนี้ท่านได้เล่าให้สิทธิ์ของท่านฟังทุกๆองค์พร้อมทั้งอธิบายว่าที่มีพวกพิสุสัมเนยแซงท่านขึ้นไปข้างหน้านั้นคือบางพวกจะพากันอวดตัวว่าเก่งว่าดีแล้ว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 การจะปฏิบัติเพื่อการพิจารณากายอันนับเนื่องด้วยอริยสัจ ธ, ธรรมก็ยิ่งห่างไกลจำพวกหนึ่งเดินออกนอกทางคือจำพวกนี้เพียงแต่ได้ยินกิตติศัพ์เราแล้วก็อ้างเอาว่าเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นบางทีจะยังไม่เคยเห็นหน้าเราเสียด้วยซ้ำแล้วก็หาได้รู้อุบายแยบคายในการปฏิบัติแต่อย่างใดไม่หรือพวกที่เคยอยู่กับเรามา แต่เมื่ออยู่กับเราก็คงเคร่งครัดเพราะกลัวแต่พอออกจากเราไปแล้วก็ไม่นำพาในข้อธรรมะและการปฏิบัติของเราเพียงแต่ไม่ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นเท่านั้นแต่ไม่มีข้อปฏิบัติอันใดที่จะถือได้ว่าเป็นหนทางเป็นตัวอย่างอันนำมาจากเราเลยจำพวกหนึ่งที่เดินตามหลังเราไปนั้นจำพวกนี้เป็นผู้ดำเนินตามคำแนะนำของเรา ทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้ใครต่อธรรมต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพยายามศึกษาหาความรู้ทุกๆประการที่มีความสนใจต่อหน้าหรือลับหลังก็เหมือนกันรับข้อปฏิบัติแม้เล็กน้อยรักษาไว้ด้วยชีวิตจิตใจเพราะจำพวกนี้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติมากับเราแล้วเกิดผลอันละเอียดอ่อนจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้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 เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นเขาก็จะได้รักษาไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นผลลัพธ์ที่จะได้ก็จะได้สมจริงนอกจากการที่ท่านได้เน้นหนักในการรักษาแผน ก, การสอนและแนวทางด้านการปฏิบัติของพระภิสุสามเนนแล้วท่านมาแสดงถึงพุทธบริษัททางด้านคราวาททางคราวาท่านเน้นหนักการเชื่อถือเพราะปรากฏว่า พุทธบริษัทบางจำพวกพากันไปนิยมนับถือในสิ่งที่ผิดสมมาตรเช่นนับถือพูดผีปีศาจนับถือสารเจ้าที่นับถือการเข้าทรงนับถือเทพเจ้าต่างๆนับถือสารพระภูมินับถือต้นไม้ใหญ่นับถืออารามเก่าแก่ซึ่งการนับถือสิ่งเหล่านี้นั้นมันผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นการนับถือที่งมงายมาก ผู้ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะนับถือสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเมื่อไปนับถือสิ่งเหล่านี้เข้าก็เท่ากับว่าเป็นการอ่อนการศึกษามากรหรือขาดปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเขาเหล่านั้นได้ปฏิญาณตนว่าได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกลับมีจิตใจกลับกรอกหลอกหลอนตัวเองไม่นับถือจริงเพราะถ้านับถือจริงก็ต้องไม่นับถือสิ่งที่งมงาย ที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิแล้วดังนั้นจึงปรากฏในภายหลังว่าพิสูจผู้เป็นชั้นหัวหน้าผู้ได้รับการอบรมจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วจะต้องรู้จักวิธีการแก้ไขผู้นับถือผิดอันเกี่ยวกับพูดผีปีศาจเป็นต้นได้ทุกองค์ถ้า แ, แก้สิ่งงมงายเหล่านี้ไม่เป็นหรือพลอยนับถือไปกับเขาเสียเลยก็จะรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่สิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นแน่นอน เพราะว่าการแก้เรื่องพูดผีปีศาจเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากการนับถือที่ฝังอยู่ในสันดานมานานแล้วและสถานที่อันเป็นเทวสถานหรือพูดผีอยู่ก็จะถือว่ามันศักดิ์สิทธิ์พากันหวาดเสียวไม่กล้าจะถ่ายถอนหรือกําจัดออกไปท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนําทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการถอดถอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิธีการแนะนําโดยอุบายต่างๆ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 ซึ่งบางคนพากันบำเพ็ญภาวนาได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์ของตนว่ามีธรรมปฏิบัติทั้นสูงเกิดขึ้นในใจแล้วแต่เขานั้นยังมีความหลงงมงายในการนับถือเหล่านี้ใช่ไม่ได้เป็นอันขาดทั้นสูงในที่นี้ท่านหมายถึงเอาถึงอริยสัจเพราะวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยต้องไม่มีแก่ใจของบุคคลผู้มุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อความเป็นอริย ในปีนี้ท่านได้แนะนําแก่พระภิสุิแทบจะถือได้ว่าล้วนแต่หัวหน้าทางนั้นจึงเท่ากับท่านได้แนะนําแนวสําคัญให้แก่บรรดาสิทธิ์โดยแท้จึงปรากฏว่าหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นได้ธุดลงไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วมอบสิทธิ์ทั้งหลายให้แก่ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมซึ่งสิทธิ์เหล่านี้เป็นสิทธิ์ชั้นหัวกะทิทั้งนั้นจึงเป็นกําลังให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ ในการที่จะปราบพวกนับถือผิดคือถือพูดผีได้เป็นอย่างดีนับแต่ท่านได้พาคณะออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อพศสองพันนั้นก็ได้เริ่มแก้ไขสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยการเข้าไปอยู่ที่นั้นแนะนำประชาชนให้ทราบถึงข้อเท็จจริงจนเป็นที่เชื่อมั่นแล้วพากาละจากการนับถือพูดผีกันมามากมายทีเดียว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 พระพิสุสั ม, มเนนถ้าหากสอนให้ได้ผลดีแล้วพระพิสุสั ม, มเนนนั้นแม้องเดียวก็สามารถสอนคราวาสได้นับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเหตุนั้นท่านจึงพยายามอบรมและแนะนำพระพิสุสั ม, มเนนจริงๆแล้วก็บังเกิดผลจริงๆผ่านมา8ปปีได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเพราะได้เพิ่มผู้รู้ผู้ฉลาดในการปฏิบัติอย่างหนาแน่น ก่อนจะเข้าพรรษานี้ท่านพระอาจารย์กู่พระอาจารย์หลวงตาพิจารณท่านพระอาจารย์ทิวาสุมโนเป็นสมเนตและท่านพระอาจารย์เทพเทษรังศรีกับท่านพระอาจารย์ภูมิทิตาธรรมโมพระอาจารย์หลวงตาซาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาภโลพระครูปลัดอ่อนตาที่อยู่วัดบ้านเดือในและนอกพรรษา ท่านพระอาจารย์มั่นได้อยู่ณที่นี้เป็นเวลานา น, านได้ทำการอบรมในข้อปฏิบัติเพื่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะการปฏิบัติ จ, จิตใจเมื่อปฏิบัติไปจนเป็นจริงขึ้นมาแล้วจึงจะได้ศึกษาความจริงนั่นหมายความว่าต้องเป็นขึ้นมาในตัวของแต่ละบุคคลการแนะนำโดยการอธิบายล่วงหน้าคือการบอกแนวทางนั้นท่านพระอาจารย์มั่น ท่านก็อธิบายเพื่อความมั่นใจและที่แท้คือการพูดโดยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประการสำคัญอย่างนี้เรียกว่าภูมิจิตซึ่งเป็นคำที่ท่านพร่ำเสมอว่าภูมิจิตภูมิจิตของใครดำเนินไปได้แค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่จะต้องได้ถามกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องการสอบสวนถึงภูมิจิตนี้ เมื่อใครพระพิสุสัมเนรรูปใดเข้ามาศึกษายังใหม่พวกเราก็ไต่ถามกันเองและแนะนำกันเองไปเพราะมาตอนหลังๆนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนเฉพาะภูมิจิตชั้นสูงแล้วฉะนั้นในเบื้องต้นใครมีความรู้พอสมควรก็แนะนำกันในฐานะเป็นพี่เลี้ยงการกระทําเช่นนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสียเกียรติของผู้ที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติใหม่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 ท่านจะให้พระเก่าที่ได้รับการศึกษาแล้วแนะนำให้แม้เมื่อครั้งท่านเจ้าคุณอริยะเวทีคือท่านมหาเขียนท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเมื่อพศ4 8 5ถึง2488ทั้งสององค์ยังต้องรับการฝึกหัดแนะนำจากท่านวิริยังสิรินทโรเส้อก่อน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 ผู้ใดอยู่ปฏิบัติกับท่านแล้วต้องได้รับผลอันเป็นความเยือกเย็นหรือความสว่างบริสุทธิ์แน่นอนจึงทำให้พระพิสุสมัมเณรผู้มีความหวังผลในการปฏิบัติธรรมได้หลั่งไหลไปทำการศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้นยิ่งวาระสุดท้ายก็ยิ่งมากขึ้นตามลาดับขณะที่พักปฏิบัติธรรมร่วมอยู่กับท่านแล้วท่านได้พาบาเพ็ญเอง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 ท่านจะตักเตือนเป็นครั้งที่3ครั้งนี้ถ้าไม่เชื่อท่านก็ไล่ออกไม่ให้อยู่ต่อไปฉะนั้นถ้าหากองใดสามารถอยู่กับท่านได้เป็นเวลานานพอสมควรก็จะต้องได้ผลสมความตั้งใจแน่นอนเพราะนโยบายและอุบายการฝึกหัดของท่านนั้นมีเพียรพร้อมพร้อมที่จะแนะนำให้แก่สิทธิทุกๆองค์ที่มีนิสัยเป็นประการใดท่านก็จะแสดงธรรมหรืออบรม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 เลยสนใจต่อข้อปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นยิ่งนักแต่เนื่องด้วยท่านพระครูรูปนี้ท่านมีนิสัยสนใจมานานแล้วเมื่อมารับการศึกษาเพิ่มเติมเข้ายิ่งทำให้ท่านมีแต่ความเลื่อมใสต่อข้อปฏิบัติพินโยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่การปฏิบัติดังที่ได้ปฏิบัติตามแนวของพระอาจารย์มั่นนั้นแต่แนวทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านตั้งขึ้นเอง ซึ่งเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติจริงเช่นนี้ย่อมเป็นการขัดข้องต่อบุคคลบางพวกเป็นธรรมดาเพราะบางคนหาว่ารุ่มร่ามหาว่าอวดเคร่งในถามกลางชุมนุมชนหาว่าไม่รู้กาลเทศะหาว่าคร่ำครึหาว่าเป็นการลาสมัยพากันว่าไปต่างๆนาน า, นา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 จะถือเอาชาวบ้านนักบวชผู้นอกกรีตเป็นาศาสดาหรือจะถือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของพวกเราถ้าจะถือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการแต่ถ้าต้องการเอาผู้อื่นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาก็จงปฏิบัติตามผู้นั้นไป คันท่านพระครูประหลัดอ่อนตาได้ฟังท่านพระอาจารย์พูดแนะอุบายเท่านี้ก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสในข้อปฏิบัติต่างๆที่ได้ดำเนินตามท่านพระอาจารย์มั่นและก็การตามปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นก็คือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและตรงแนว เมื่อท่านพระครูปรหลัดอ่อนตาได้อยู่อบรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วท่านเดลาพระอาจารย์มั่นเดินทุงดงไปตามสถานที่อันสงัดบิเวกตามชนบทหมู่บ้านอันอยู่ชายป่าและภูเขาจนได้รับความเย็นอกเย็นใจเป็นไปกับด้วยความเพียรตามสมควรแล้วท่านก็กลับไปทางภูมิลาเนาเดิมแต่ไม่ได้เข้าไปพักที่วัดเดิมของท่าน ได้เลยไปพักอยู่ที่ริมหนองน้าแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับบ้านโนนทันต่อมาได้เป็นวัดชื่อวัดโยธานิมิต จ, จนถึงปัจจุบันนี้และใกล้กับกรมทหารด้วยสมัยนั้นกรมทหารเพิ่งยกตั้งอยู่ใหม่ทั้งยังไม่มีวัดอื่นที่ใกล้เคียงนั้นด้วยผู้บังคับบัญชาทหารพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้นิ ม, มนต์ให้ท่านพักอยู่ในสถานที่นั้นได้ช่วยกันจัดการทุกๆอย่าง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 เพื่อให้เป็นการสมบูรณ์ในการเลื่อมสายในตัวท่านและข้อปฏิบัติของท่านเราควรทำไทฮิกรรมเสมหมเมื่อพร้อมใจกันแล้วก็ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลกมาเป็นอุปชายะเมื่อสำเร็จแล้วท่านพระครูปลัดอ่อนตาก็พาคณะไปอยู่ที่วัดโยธานิมิตนั้นตามเดิมทเจ้าคุณธรรมเจดีก็ให้ท่านพระอาจารย์สุวรรณสุจินโญ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 และท่านพระครูปรหลัดอ่อนตาก็อยู่ในวัดนั้นทำประโยชน์ในด้านการปฏิบัติและแนะนำพระพิสุสมัมมณีอุบาสกอุบาสิกาสืบต่อไป 29.5 ตอนเสนาสนะป่าบ้านคอรอบสองเพื่อเจริญเมตตาฌานแก่ผีตีนเดียวพุทธศักราช2467ท่านพระอาจารย์มั่นได้พักจำพรรษาที่บ้านคอ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 พอออกพรรษาท่านก็จะพาออกทุดงสแสวงหาที่สงัดวิเวกแยกกันออกเป็นหมู่เล็กๆเพื่อมีให้เป็นปริโพศคือการยึดติดในหมู่มากปีนี้ท่านได้เดินทุดงไปทางบ้านนาหมีบ้านนายุงและบ้านผาแดงแก้งไก่ท่านได้พาคณะเข้าไปพักอยู่ในป่าในหุบเขาแห่งหนึ่งและมีหมู่บ้านอยู่ในที่ใก ล, ก ล, กล้นั้นเป็นที่อยู่กลางดงลึกมาก เดินเป็นวันวันเต็มเต็มจึงจะถึงไกลจากคมนาคมมากทีเดียวณที่หมู่ภูเขานั้นมีภูเขาลูกหนึ่งมีลักษณะเหมือนตึกหลายๆชั้นซึ่งไม่ไกลาจากหมู่บ้านนั้นเท่าไรนักในภูเขานั้นมีผีตีนเดียวอยู่ตัวหนึ่งผีตัวนั้นมาได้เข้าไปอาราวาสชาวบ้านอยู่บ่อยๆคือมันทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างถึงให้ตายบ้าง บางครั้งเอาไฟไปเผาบ้านของเขาบ้างคว้างค้อนปาใส่ไม้ใส่คนใส่สัตว์เลี้ยงบ้างเวลามันจะเข้าไปประทุษร้ายคนในบ้านนั้นได้แสดงกริยาอาการไม่ผิดอะไรกับคนธรรมดาต่างแต่ไม่เห็นตัวมันเท่านั้นเสียงมันเดินได้ยินรอยเท้าก็เห็นแต่ใหญ่และยาวกว่ารอยเท้าของคนธรรมดาเศษบุรีของมันก็ได้เห็น ท่อนไม้ที่มันเอาคว้างไม่หมดก็เห็นทิ้งไว้เป็นกองๆเมื่อชาวบ้านพร้อมกันเข้าไล่มันก็วิ่งหนีไปพอสงบคนหน่อยมันก็เข้ามาทําการอราวาสต่อไปอีกบางคืนพวกชาวบ้านไม่ได้นอนเพราะมันอาวาดไม่หนีแม้การไปนอนค้างคืนในป่าบางคนเฝ้าไร่เฝ้านาหรือด้วยกิจอย่างอื่นก็มียอมไม่ได้รับความผาสุกเสียเลย ถูกแต่เจ้าผีตัวนี้มันรบกวนอยู่เสมอครั้งท่านพระจารมันไปพักอยู่ที่นั้นพวกชาวบ้านได้เข้าไปร้องทุกต่อท่านขอให้ท่านได้เมตตาแก่เขามากๆเมื่อพระคุณท่านจะมีวิธีใดพอจะเบื้องทุกนี้ออกได้เขามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างเมื่อท่านพระจารมันได้ทราบถึงความทุกข์เดือดร้อนของชาวบ้านอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ได้พยายามเจริญเมตตาชานอย่างมากพร้อมทั้งแนะนำให้พระที่ติดตามมาช่วยกันเจริญเมตตาชานและได้แนะนำชาวบ้านโดยทาเบื้องต้นคือให้ชาวบ้านมาปฏิญาณตนถึงพระไตราสาระคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาและให้รักษาศีลห้ากรรมบุตริทั้งสอนให้ไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญกรรมฐานภาวนา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 ทั้งไม่เชื่อว่าจะเป็นยิงบ้านเลยพากันละเลยข้อวัดปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้แนะนำสั่งสอนไว้ภายหลังปรากฏว่าผีตัวนั้นได้กลับเข้าไปทำการอรารวาสพวกชาวบ้านนั้นอีกในครั้งนี้ถึงกลับได้พากันอพยอพครอบครัวหนีไปหมดเพราะคืนอยู่ต่อไปไม่ได้เสียแล้ว จึงต้องได้ทอดทิ้งให้มันเป็นป่าตามสภาพเดิมของมันต่อไป 29.6 ตอนแนะวิธีการรักษาโรคแก่พระอาจารย์สุวรรณท่านพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านโนนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นแรกพร้อมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันทยาคโมปีนี้ท่านได้พยายามติดตามท่านพระอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิด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 ท่านใช้ระงับอาพาธของท่านเองด้วยกำลังจิตและระงับอาพาธให้แก่บุคคลอื่นด้วยกำลังจิตในการครั้งนั้นท่านพระอาจารย์สุวรรณท่านเป็นไข้เป็นไข้มาเรียเรื้อรังจนป้างหย่อนป้างแปลว่าม้าม ย, ย้อยคือม้ามโตกอันเป็นผลมาจากไข้มาเรียนั่นเองโรคนี้ที่ทำความรำคาญให้แก่ท่านตลอดเวลาซึ่ง ทำให้จับไข้วันเว้นวันและทำให้กำลังสุดลงสุดลงท่านได้เข้าไปปรึกษาการรักษาโรคนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์จึงได้แนะนำอุบายให้คือเมื่อบำเพ็ญจิตให้เกิดกระแสแต่ก่อนที่เราบาเพ็ญมาในเบื้องต้นนั้นเราทำจิตให้เกิดกำลังและจิตก็จะเกิดกระแสกระแสจิตนี้มีกำลังมากขึ้นจากการอบรม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 เมื่อทราบชัดแล้วก็ใช้กระแสจิตเพ่งเข้าไปการเพ่งเข้าไปในที่นี้ก็เหมือนกับเราพิจารณากายเหมือนกันต่างจากการกำหนดแก้โรคนี้ต้องกำหนดลงจุดเดียวณที่สมุดฐานของโรคนั้นท่านพระอาจารย์สุวรรณได้อุบายนี้แล้วก็ได้ประดำเนินจิตอยู่อย่างนั้นองเดียวในที่เปรี่ยวแห่งหนึ่งกำหนดลงครั้งแรกได้เห็นสมุดฐานการเกิดของโรคคือม้าม ท่านได้กําหนดลงจุดเดียวด้วยอํานาจแห่งกระแสจิตอันเป็นแสงคมกล้าเพียงสามวันเท่านั้นก็ปรากฏขึ้นในจิตครั้นแล้วก็หายจากม้ามหย่อนนั้นฉับพลันท่านครัมดูท่านครัมอยู่ทุกวันแต่การก่อนม้ามนี้ได้ยาลงมาประมาณฝ่ามือหนึ่งบัตรนี้ได้หดเข้าอยู่เท่าเดิมตั้งแต่นั้นมาไข้ป่ามา เ, เรียก็หยุดจับร่าง แข็งแรงเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้เอาไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นก็รับรองครั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้พักวิเวกอยู่ที่ผาแดงแกล้งไก่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางไปทางอำเภอท่าบ่อเด็กเข้าไปพักอยู่ที่ราวป่าใกล้กับป่าช้ากองอำเภอท่าบ่อนั้นปัจจุบันเป็นวัดอรั ญ, ญวาสี ณที่นี้เองนับเป็นครั้งสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งที่บรรดาท่านผู้มีบุญมีวาสนามาศึกษาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านหลายองค์คือท่านพระอาจารย์อุ่นธรรมทโรท่านพระอาจารย์อ่อนยานาสิริท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารุรท่านพระอาจารย์กว่าสุมโนท่านเหล่านี้ตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แม้ท่านพระอาจารย์มั่นจะแนะนาเช่นใดท่านทุกองต้องทาตามให้จนได้จนปรากฏว่าทุกองค์ได้ผลทางใจอย่างยวดยิ่งเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นอย่างถึงขีดสุดแล้วก็ได้ขอให้ท่านจัดการที่จะทําการบวชใหม่เพราะทุกองค์ได้เป็นพระมหานิกายมาก่อนท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้อาราธนาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลมาเป็นอุปชา ใช่กรรมให้จนเป็นที่เรียบร้อยทุกประการท่านพระอาจารย์ทุกองค์นี้ภายหลังได้ทำประโยชน์แก่มูชนอย่างใหญ่หลวงทุกๆุกองโดยที่ท่านได้แนะนำผู้เป็นพระพิสุสัมเณนและญาติโยมให้ได้รับธรรมะอันลึกซึ้งมากมายทีเดียวและท่านเหล่านี้ทุกองค์ได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานองล ะ, ละหลายสานักซึ่งก็ปรากฏเป็นสานักปฏิบัติธรรมอยู่จนบัดนี้ มีมากมายหลายแห่งทั่วทุกภาคในประเทศไทย ตอนเสนาสนะป่าอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2468ในปีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าวัดอรัญญาวาสีปัจจุบันอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย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 ภายหลังจึงเรียกชื่อวัดนั้นว่าวัดพระงามต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในท้องถิ่นนั้นก็ได้แนะนำธรรมปฏิบัติจนเกิดความเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนแถบนั้นได้เป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันนี้ครั้นออกพรรษาแล้วได้พาคณะทุดง วิเวกไปทางบ้านหนองปลาไหลและไปถึงบ้านอากาศปัจจุบันเป็นอำเภออากาศอํานวยท่านพระอาจารย์สิงขันธยาขโมก็มารอพบท่านอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาธรรมะบางประการท่านพระอาจารย์เทศเทสรังศีกับพระอีกสี่รูปก็ได้เดินทุดงตามท่านต่อไปจนถึงบ้านสามผงดงพนาพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งณสถานที่วิเวกแห่งนี้ ได้กลับกลายเป็นสถานที่สำคัญคือได้เกิดมีพระอาจารย์ผู้มีบุญวาสนาบารมีเข้ามาศึกษาทําปฏิบัติเช่นพระอาจารย์เกิงอธิมุตตะโกและคณะของท่านเพราะท่านพระอาจารย์เกิงเป็นพระอุปชาผู้คนในละแวกนั้นนับถือมากเป็นพระอาจารย์ใหญ่เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่ที่ป่าและทราบกิติศัพท์มานานแล้ว จึงใคร่ที่จะชดลองไต่าถามอัตชปัญหาต่างๆท่านพระอาจารย์เก่งพร้อมคณะจึงได้ไปพบท่านที่ป่าแห่งนั้นเมื่อได้ไต่าถามอัตชปัญหาธรรมะต่างๆท่านพระอาจารย์เก่งและคณะก็เกิดความอัศจรรย์ในการโต้อตอบอัตชภัญหาของท่านพระอาจารย์มั่นเพราะแต่ละคำที่ได้รับคำตอบตรงใจจริงๆตอนหนึ่งท่านพระอาจารย์เก่งได้ถามว่า ท่านปฏิบัติจิตกรรมฐานเพื่ออะไรได้รับคําตอบว่าเพื่อความบริสุทธิ์ท่านพระอาจารย์เก่งถามว่าความบริสุทธิ์เกิดจากอะไรได้รับคําตอบว่าเกิดจากอริยะสัจธรรมท่านพระอาจารย์เก่งถามว่าสัจธรรมอยู่ที่ไหนได้รับคําตอบว่าอยู่ที่ตัวของคนทุกคนถามว่าอยู่ในตัวของทุกๆคน ทำไมทุกคนจึงไม่บริสุทธิ์ตอบว่าเพราะเขาไม่รู้วิธีการถามว่าทำไมจึงจะต้องมีวิธีการตอบว่าเหมือนกับทรัพยากรพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ใต้ดินคนไม่มีวิธีการก็จะเอาแร่ธาตุทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ไม่ได้แร่ธาตุจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ต่เมื่อมนุษย์มีวิธีการขุดนาเอามาใช้ให้ถูกต้องตามวิธีการ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 เพราะได้ปฏิบัติจิตกันทั้งสิทธิ์อาจารย์ย้อมสละบวชทําไทยฮิกา ร, ร์ใหม่เป็นพระธรรมยุทธ์ทั้งวัดในครั้งนั้นจึงทําให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เลื่องลือกันว่าพระอาจารย์มั่นเป็นผู้วิเศษสําคัญเพราะได้ทรมานพระอาจารย์เกลงได้เนื่องจากชาวบ้านชาวเมืองเลื่อมใสพระอาจารย์เกลงมากในปีนี้จึงเป็นปีสําคัญมากปีหนึ่ง เพราะหลังจากท่านพระอาจารย์เกิ่งได้มาเป็นศิษย์แล้วยังมีท่านยาคูศรีลาที่เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่แถบนี้เหมือนกันเป็นเพื่อนกันกันกบพระอาจารย์เกิง่งเมื่อทราบว่าเพื่อนสลาวัตเช่นนั้นก็เฉลียวใจจึงได้ไปพบหลังจากพบแล้วและอาจารย์เกิ่งก็นำท่านยาคูศรีลาไปมอบตัวกับพระอาจารย์มั่นได้ฟังและได้ปฏิบัติตามก็เกิดความเย็นใจเหลือเกิน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 ยี่ตอนเสนาสนัป่าบ้านสามผงจังหวัดนครพนมพุทธศักราช 2,469 ท่านพระอาจารย์มั่นและพระพิสุสัมมเนรหลายรูป จำพรรษาที่เสนาสนับป่าบ้านสามผงอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์สิงห์กับท่านพระอาจารย์มหาปิน่นจำพรรษากันที่บ้านอากาศท่านพระอาจารย์กูดธรรมทิโนจำพรรษาที่บ้านนูนแดงพระอาจารย์อุ่นธรรมทโรุจำพรรษาที่บ้านขาท่านพระอาจารย์เสากันตะศีโลทุดงออกจากวัดพระงาม อ, าาอําเภอท่าโบจังหวัดหนองคาย แล้วก็ขึ้นไปที่เชียงคานจังหวัดเลยขึ้นไปที่ภูฟ้าภูหลวงแล้วก็กลับมาจังหวัดอุดรธานีจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านดงยางอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหลังจากออกพรรษาในปีนี้ท่านพระจานาร์มั่นพระจานทร์สาก็ได้เรียกบรรดาพระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ทุกองให้มาประชุมพร้อมกันที่บ้านโนนแดง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 แต่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบทุกๆุกองก็อเผอิอไปพบกันเข้าอีกที่จังหวัดสกลนครในขณะนั้นนางนุ่มชุวานนท์ผู้ที่เคยมีความเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์ทั้งสองคือเลื่อมใสามานานแล้วและมันดาของนางนุ่มได้ถึงแก่อนิจกรรมกาลังจะจัดการชาปนากิจก็เพอรดีได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสองพร้อมด้วยสารุสิ์เป็นอันมาก กำลัง ร, งร่วมกันเดินทางมุ่งหน้าเข้าเขตสกลนครจึงได้เดินทางไปข อ, อนิมนต์ให้มาพักอยู่ที่เสนาสนะป่าซึ่งปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นวัดป่าสุทธาวาสแล้วเมื่อพระอาจารย์พร้อมด้วยสานุสิ์นั้นพักอยู่เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาไม่เฉพาะแต่นางนุ่มเท่านั้นแต่เพื่อฉลองศรัทธาของชาวเมืองสกลนครทั้งมวลซึ่งชาวเมืองสกลนครทั้งหลาย ได้เห็นพระปฏิบัติมาอยู่รวมกันมากมายเช่นนั้นก็ทำให้เกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้พากันไปศึกษาปฏิบัติจนได้รับการช่าชองและเป็นนิสัยปัจจัยมาจนถึ ง, ถงทุกวันนี้ขณะนั้นพระยาปัจจันตะประเทศธานีบิดาของพระพินิษย์ถึงแก่กรรมเจ้าภาพก็ไดอาราธนาพระอาจารย์ทั้งสองพร้อมสานุสิทธ์เพื่อบำเพ็ญกุศล ท่านทั้งสองก็ให้อุปการะเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการอนุเคราะห์จึงได้อนุมัติให้พระไปฉันในบ้านได้ในงานชาปน ก, กิจศพ บ, บิดาของพระพินิษเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาเพราะเบื้องต้นพระคณะกรรมฐานได้รักษาทุดงควัตรอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆไม่มีการอนุโลมให้รับนิมนต์ไปฉันพัะทหารในบ้านเมื่อเสร็จงานชาปน ก, กิจทั้งสองศพนั้นแล้ว พระอาจารย์ทั้งสองและสารุสิิ์ต่างก็แยกย้ายกันทุดงไปคนละทิศละทางตามอัชฉรยาสายัยท่านพระอาจารย์มั่นทุดงไปทางบ้านเหล่าโพนคอได้แวะไปเยี่ยมอุปชาพิมซึ่งท่านองค์นี้เป็นนักปฏิบัติมาเก่าแก่การปฏิบัติของท่านยังไม่ถูกทางจริงท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำให้โดยให้เจริญวิปัสนาจนได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ และพระอุปชาพิมพก็ได้ยกย่องท่านพระจารมั่นว่าเป็นผู้มีความชำนาญในการปฏิบัติอย่างยิ่งต่อจากนั้นท่านก็ได้ลาพระอุปชาพิมทุรงต่อไปและพักบ้านห้วยซายสิบวันโดยจุดมุ่งหมายท่านต้องการจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้บรรลุถึงหมู่บ้านหนองขอนซึ่งชาวบ้านเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใส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 ยี่ตอนเสนาสนัป่าบ้านหนองขอนอําเภอบุ่งอํานาจเจริญจังหวัดอุบลรา ช, ชธานีพุทธศักราช2470นรในปัญษานีท่านได้พักอยู่บ้านหนองขอนตามที่ชาวบ้านได้อารัธนา พระอาจารย์สิงขันตยาขาโมยจำพรรษาที่บ้านขัวสะพานบริเวณใกล้เคียงกันเมื่อเราได้อยู่ศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านได้รับผลเป็นที่พอใจแล้วก็ได้ออกไปบำเพ็ญสมณธรรมโดยตนเองในสถานที่ต่างๆทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นกำลังเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเราจึงได้พยายามทุดงติดตามท่านไปในระหว่างทางเราได้ไปพบพระลี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 เราในที่นี้หมายถึงท่านพระอาจารย์กงมาจีระบุญโยซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์แรกของพระอาจารย์วริยังครั้นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้เดินธุดงไปถึงตัวจังหวัดอุบลเรากับพระรีได้ติดตามไปพบท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบุรพาพอดีขณะนั้นท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารหนูขึ้นมาจากกรุงเทพได้พักอยู่ที่วัดบุรพา ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็พิจารณาเห็นว่าเรากับพระลีควรจะได้บวชเสม่เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถระก็ได้เป็นอุปชาบวชให้เรากับพระลีเป็นพระธรรมยุทธ์คณะสานุสิ์เก่าๆทั้งหลายอันมีพระอาจารย์อุ่นธรรมทโรพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระอาจารย์ฟั่นอาจาร พระอาจารย์เกลงอธิมุตตะโกพร้อมด้วยสิทธิอาจารย์หลุยอาจารย์กว่าสมุโมโนพระอาจารย์คูนอาจารย์ศรีลาพระอาจารย์ดีพัรณานิคมพระอาจารย์บุญมาวัดป่าบ้านโนนทันอุดรธานีในปัจจุบันพระอาจารย์ทองอโศโกพระอาจารย์บุญส่งบ้านขาพระอาจารย์ล่าหลุนตาปั่นอยู่พระบาทคอแก้ง ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางมาพมนักอยู่ในจังหวัดอุบลทุกองค์เหล่านี้ก็ได้ติดตามมาในเพนเดือนสาบรรดาสิทธิ์ทั้งหมดมีท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นต้นก็ได้ร่วมประชุมอบรมธรรมปฏิบัติอย่างที่เคยเคยปฏิบัติกันมาในค่าคืนวันนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เข้าที่ทําสมาธิภาวนาก็ได้ปรารภว่า จะออกจากหมู่คณะไปสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อจะได้มีโอกาสพิจารณาค้นคว้าในปฏิปทาสัมมาปฏิบัติให้ได้รับความเข้าใจชัดเจนและแจ่มแจ้งเข้าไปอีกแล้วจะได้นำปฏิปทาอันถูกต้องนั้นฝากไว้แก่เหล่าศิสยานุสิทธิ์ในอนาคตต่อไปเพราะธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นย่อมมีในอันสุขขุมลุ่มลึกมาก ยากที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามพุท ธ, ธประสงค์ได้ผู้ปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์และปฏิบัทาที่พระอริยเจ้าได้ดําเนินมาก่อนแล้วนั้นเมื่อไม่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วย่อมจะเขวไปจากปฏิบัทาที่ถูกต้องก็เป็นได้หรืออาจดาเนินไปโดยผิดผิ ด, ผดถูกถูก <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> ก็จะเข้าไม่ถึงศรรีลถึงชำ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 ระหว่างที่ท่านพมนักอยู่ณที่อุบทนั้นครั้นท่านปรารภในใจอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เรียกสิทธิ์ทั้งหลายมีท่านพระอาจารย์สิงห์เป็นต้นมาประชุมกันท่านได้แนะนำให้มีความมั่นคงดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างที่ได้เคยแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นจึงได้มอบหมายให้อำนาจแต่ท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปิ่นเป็นผู้บริหารปกครอง แนะนำพร่มสอนตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำมาแล้วต่อไปเมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วในการครั้งนี้ท่านก็กลับไปที่บ้านของท่านอีกได้แนะนำธรรมปฏิบัติซึ่งท่านได้เคยแนะนำมาก่อนแก่มารดาของท่านจนได้รับทราบอัศจรรย์อันเป็นภายในอย่างยิ่งมาแล้วท่านจึงได้ไปลามารดาของท่านและได้มอบให้นางหวันจำปาศีล คู้น้องสาวเป็นผู้อุปถักรักษาทุกประการแม้มารดาท่านก็ได้กล่าวในขณะนั้นว่าลูกเอย๋ยจะได้ห่วงแม่เลยลูกไม่มีนี่สินในแม่แล้วลูกได้อุตสาหภาคเพียนเรียนธรรมวินัยก็ได้มาสงเคราะห์ให้แม่นี้ได้รู้จักหนทางแห่งข้อปฏิบัติแล้วแม่ก็จะดำเนินข้อปฏิบัติของตนไปตามหนทางที่ได้รู้แล้วนั้น จนตราบเท่าชีวิตของแม่ก็ขอให้ลูกจงประพฤติพรหมจรรย์ไปโดยสวัสดีเทินเมื่อได้รับคำจากมารดาของท่านแล้วเช่นนั้นท่านพระจารย์มั่นท่านก็ได้ทำสำ ม, มาคารวะให้มารดาได้อโหสิกรรมในโทษเพราะความประมาทพลาดรรัง้งและล่วงเกินต่อมารดาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทางต่อไป 30. ตอน12ปีในการจำพรรษาเดี่ยวอยู่ภาคเหนือพุทธศักราช2471ถึง2482การอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นข้าพเจ้ามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง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 เพราะว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดอะไรออกมาก็มักจะแทรกคำเตือนใจแก่พระพิสุสมมณีแทบทุกครั้ง 30.1 ตอนพระอาจารย์มั่นเป็นเจ้าวาดวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2471ท่านเล่าต่อไปว่าเมื่อพศ2471ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสัประทุมครั้งนั้นท่านเจอคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ิริจันทจร์เจ้าวาดวัดบรรนิวาส ได้ไปจัดการดำเนินงานปรับปรุงวัดเจดีหลวงที่จังหวัดเชีงยงใหม่ซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์วัดแรกเมื่อการปรับปรุงเข้ารูปเป็นที่มั่นคงพอสมควรแล้วท่านได้พยายามที่จะหาพระเถระผู้ทรงคโนทุิทั้งการประยัตและปฏิบัติให้มาเป็นสมผานทั้งนี้ตามความประสงค์ต้องการที่จะวางรากฐานคณะธรรมยุทธ์ขึ้นในจังหวัดเชีงยงใหม่เพราะพระทางภาคนี้ก่อนนั้น การฉันอาหารในเวลาวิการเขาไม่ถือว่าเป็นการผิดวินัยรู้สึกว่าวินัยจะละหลวมมากในแถบนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้พระเถระผู้มั่นคงรอบครอบน่านับถือได้มาอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปม า, าจาร์จึงปราลบว่าควรจะเป็นท่านอาจารย์มั่นเพราะเป็นผู้เจริญทางการปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อออกพรรษาปี2471ลุกมาถึงพศ2472จึงได้นิมนต์เราหมายถึงพระอาจารย์มั่นไปซึ่งขณะนั้นเราก็พักอยู่ที่วัดสับปะทุมกับท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถระหนูให้ไปที่วัดบรมนิวาสเมื่อเราเข้าไปพบท่านเจ้าคุณก็บอกว่าให้เธอไปอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่พระครูธรรมทรและตั้งเป็นพระอุปชาพร้อมหมดทุกอย่างท่านพระอาจารย์มั่นเล่า ว, ว่าครั้งนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีขาหักเนื่องมาจากขึ้นธรร ม, มาจเทศขาไปกระทบกับลูกกรง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 จึงเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2472ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าวัดเจดีหลวงเป็นวัดร้างมาแต่เดิมมาสถาพนาเป็นวัดธรรมยุทธ์ขึ้นสมัยท่านเจ้าคุณอุบาลีนี้เองเป็นแหล่งที่มีความสงบพอสมควรไม่พลุกพลานมีที่หลบพอที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้พอสมควรขณะที่อยู่นั้นก็ได้แนะนาพระพิสุ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 เราเองก็เคารพท่านอยู่ส่วนการเคารพก็เคารพแต่ส่วนความจริงก็ต้องมีส่วนหนึ่งศาสนาเป็นสิ่งให้คุณประโยชน์แต่ถ้าเราทำไม่ถูกจังหวะกาละเทศมันอาจจะทำให้เสียการเวลาที่ล่วงไปโดยจะพึงได้ประโยชน์น้อยไปความจริงท่านพระเถระทั้งหลายท่านชอบจะทำในสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์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 30.2 ตอนคืนตำแหน่งเจ้าอาวาสและพัดยศออกเดินทุดงต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังต่อไปว่าเมื่อเราได้พิจารณาโดยรอบครอบแล้วกับการคิดถึงตัวว่า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 อย่าให้คนนับถือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการต่างๆนี่คือฆาตกรรมตัวเองก็น่าฟังข้าพเจ้านั่งฟังท่านเล่าเพลินไปเลยข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดอะไรแล้วมีคติแฝงไว้อยู่เสมอคราวนี้ก็เช่นกันสอนข้าพเจ้าเสืยอย่างลึกซึ้งทีเดียวแล้วท่านก็บรรยายต่อไปว่าเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว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 เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือความเคลือบแครงไม่ได้เป็นกลโลบายอย่างบางท่านปากว่าตาขยิบฉันไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่ใจของฉันนั้นอยากจะเป็นแทบจะระเบิดเมื่อท่านจัดบริขารของการเดินธุดงเป็นต้นว่ากรดมุง้งบากและสิ่งจำเป็นอื่นๆที่จะพึงใช้สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าก็ใช้อยู่เป็นประจา แม้จะมาอยู่ที่วัดเจดีหลวงก็ยังปฏิบัติทุกอย่างเช่นกับอยู่ในป่าดงและทุดงการฝึกตนนั้นเราก็ต้องทำอยู่เป็นอาการิโกไม่เลือกการเวลาและสถานที่โอกาสให้เมื่อไรก็ต้องทำทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทการที่นักปฏิบัติทำผู้รอการเวลาสถานที่แม้โอกาสให้แล้วแต่ก็มัวแต่รอรอว่าแต่ก่อนอายุมากก่อน รอว่าเข้าป่าก่อนรออยู่ในดงในเขาก่อนจึงจะทำรอเข้าพรรษาก่อนออกพรรษาไม่ทามัวแต่เลือกการเลือกสถานที่ก็เลยเสียเวลาไปโดยใช่เหตุการเดินเข้าไปหาที่วิเวกออกจากวัดเจดีหลวงครั้งนั้นท่านเล่าว่าถนนรถยนต์ไม่มีเป็นป่าดงที่มืดครึ้มโดยประสงค์เราต้องการที่จะไปให้ไกลที่สุด จึงมุ่งตรงไปทางอำเภอรพร้าวเราก็เดินไปค้างแรมไปตามทางเมื่อเห็นว่าเป็นที่สงบสงัดดีก็อยู่พักนานเพื่อปรารบความเพียนเมื่อเห็นว่าจะเป็นการคุ้นเคยกับญาติโยมมากเข้าก็ออกเดินทางต่อไปเดินต่อไปในที่สุดก็เดินทุดงถึงถ้ำเชียงดาวปีนี้เป็นปีพศ2473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 ทั้งอาคารร้านค้าประกอบอาชีพและพยายามปรุงแต่งสถานที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติมาเป็นสิ่งวิจิตรด้วยน้ำมือของมนุษย์อย่างนี้ทำให้ข้าพเจ้ารำพึงรำพันในใจว่าอ๋อนี่ก็ซาก ข, ของนักปฏิบัติที่ตายแล้วข้าพเจ้าหมายความว่าไม่มีการปฏิบัติอยู่ในนี้อีกแล้วถึงจะปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นที่สัปายะแล้ว หากจะมานั่งปฏิบัติหรือนั่งสมาธิในถ้ำนี้ก็คงจะไม่พ้นคำว่าโอ้อวดอยากดังเพราะจะต้องมานั่งโชว์ให้คนนับพันนับหมื่นดูกันข้าพเจ้าจึงพอใจที่จะพูดว่านี่คือซากของนักปฏิบัติธรรมครั้งที่ท่านพระจารย์มั่นอยู่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่นั้นต้นไม้ป่าสัตว์ร้ายย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นอรันิก สถานที่น่าสะพึงกลัวแก่ผู้ยังหนาไปด้วยกิเลสแต่เป็นที่น่าอยู่แก่ผู้บำเพ็ญตะบะพรหมจันทร์เพราะยิ่งป่าใหญ่ยิ่งครึม้มยิ่งวังเวงก็ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าครั้ ง, รงแรกๆเราก็พักอยู่ตอนตีนเขาและบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปก็ขยับอยู่ที่ปากถ้ำตรงปากถ้ำนั้นมีก้อนหินใหญ่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 เพราะความยึดถือตัวนี้เองจึงเหมือนหนึ่งไม่ใช่โลกนี้เพราะโลกนี้นั้นเป็นอยู่ด้วยความเข้าใจกันต่างๆนานานั้นมาจากความยึดถือทั้งสิ้นโลกนี้จึงอยู่ด้วยอุปทานคือความยึดถือเราอยู่ในป่าลึกไม่ใครจะมองเห็นคนและสิ่งก่อสร้างต่างๆนานาทั้งได้บำเพ็ญกรรมฐานเพ่งจิตจดจ่ออยู่เฉพาะจิตความเป็นเหมือนหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ก็จะมากยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเราก็ค่อยๆขยบเข้าไปนั่งในถร้รมลึกเข้าไปจนมืดมิดและเย็นมากหายใจก็รู้สึกอึดอัดเมื่อเข้าไปนั่งในถร้รมลึกนั้นท่านดพยายามที่จะกำหนดจิตปรากฏว่ามันก็ทำให้มืดไปกับถร้รมด้วยทำให้จิตรวมได้ง่ายแต่สงบดีมากและสงบง่ายมากแต่เมื่อสงบแล้ว จะพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยจะออกท่านได้พยายามอยู่หลายเวลาและก็ได้พิจารณาได้ความว่าการทำความสงบในเบื้องต้นนั้นหากว่าใช้สถานที่มิดชิดจะเป็นประโยชน์ได้ผลเร็วยิ่งเป็นถ้ามิดชิดก็ยิ่งดีแต่ถ้ามิดชิดนี้จะอยู่นานไม่ดีเอาแต่เพียงได้ประโยชน์แล้วก็รีบเปลี่ยนสถานที่เสียเพราะจะทาให้เคยตัว หรืออีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นว่าโรคนิบชาหรือมา เ, เรีย 3ามตอนพระวริยังนึกถึงอดีตเมื่อครั้งเดินธุดงกับพระอาจารย์กงมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดมาถึงตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงตัวเองว่าเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นสามเณร เดินธุดงไปกับพระอาจารย์กงมาจิรพุนโยไปหาถ้มที่จะอยู่ทำความเพียรกันนั้นยิ่งเห็นทึบเท่าไรก็ยิ่งชอบมากเมื่อคั้นไปพบถ้ำเขาภูคาบ้านเขาภูคาสถานีหัวหวายอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ข้าพเจ้าพยายามสแสวงหาที่มืดเข้าหาช่องถ้ำที่ทึบที่สุดเท่าที่จะทึบได้เพราะจะทาให้จิตสงบเร็ว ในเมื่อข้าพเจ้ากำลังฝึกผัดใหม่ๆแล้วก็ได้ผลเพราะทำให้สบายมากแต่ว่าเมื่ออยู่ไปเวลานานประมาณสามเดือนรู้สึกว่าจะเกินไปเสยแล้วทำเอาข้าพเจ้าเป็นสมาธิโมหะขนาดหนักเพราะเมื่อนั่งสมาธิแล้วจะเหมือนหลับไปเลยบางครั้งสับประงกถึงกับตกสาลารู้สึกว่าง่ายสาหรับการที่จะทาให้จิตสงบนั้นแต่ยาก ที่จะกำหนดรู้ให้คงอยู่ได้ตามความประสงค์จึงเป็นประโยชน์และมีโทษเหมือนกันจนในที่สุดข้าพเจ้าต้องล้มป่วยแต่กำลังใจดีป่วยก็ไม่กลัวถึงเราไม่กลัวแต่ม a l เรียก็ไม่เข้าใครออกใครข้าพเจ้าถึงกลับเป็นา a l เ r ียขึ้นสมองอย่างหนักจนถึงตายคงจะแปลกใจจากท่านผู้ฟังใช่ข้าพเจ้าเคยตายมาแล้ว เพราะตอนนั้นไข้หนักจนจิตออกจากร่างชีบจรถอนทุกคนรวมทั้งพระอาจารย์กงมาและบิดาของข้าพเจ้าต่างก็พูดพร้อมกันว่าตายแล้วตัวเย็นชีบจรถอนแต่ตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกอยู่อย่างเดียวคือรู้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมารู้สึกเอาเมื่อเข้าพยายามเอาอิฐเผาไฟนาบเข้าที่เท้าจนมีความรู้สึกขึ้น ทุกๆคนรวมทั้งท่านพระอาจารย์และบิดาก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าฟื้นแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าได้ตายไปร่วมชมั่วโมงนั่นน่ะสิข้าพเจ้าเกือบตายสชจริงๆไปแล้วแต่ยังกลับฟื้นคืนชีพมาพบกับท่านพระอาจารย์มั่นและพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิในทางปฏิบัติกรรมฐานกลับได้ไปอยู่กับท่านและยังจาข้อความคาพูดอันพอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง มาพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงเหตุผลบางประการซึ่งก็นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าอยู่ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านได้เล่าว่าเมื่อเข้าไปอยู่ลึกอย่างนั้นการพิจารณาก็ขยายออกยากมากแต่ท่านเป็นนักผจญภยัยและนักสู้ที่แท้จริงไม่ยอมแพ้แก่ธรรมชาติอย่างง่ายง่ายท่านได้พยายามอยู่ในถ้ำลึกคือหนึ่งกหนดจิตอย่างหนัก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 เพื่อจะได้เป็นคติตัวอย่างอันเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินค่าของท่านผู้บริสุทธิ์แม้จะเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะได้น้อมรับนำมาเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าเองก็ไม่ใคร่อยากจะพูดถึงเท่าไรนักเพราะเราก็รู้กันอยู่ในตัวของเราเองแล้วท่านพูดให้ฟังเล่าให้ฟังก็รู้อยู่ทั้งนั้นเลื่อมใสเราก็เลื่อมใสเชื่อเราก็เชื่อเป็นประโยชน์เราก็รับ แล้วเรื่องอะไรจะมาพูดให้เสียเวลาอีกเล่าแต่เหตุผลที่จะต้องพูดถึงนั้นมีอยู่เพราะได้รับความรบเรา้าเตือนใจจากบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งคำพูดและจดหมายต้องเขียนต่อไปให้มากมายและต่อไปกับปากก็มากและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าก็เคารพท่านจริงๆองค์อื่นก็คงจะเป็นเหมือนกับข้าพเจ้าอีกหลายท่าน ด้วยเหตุผลสองประการนี่แหละที่ทำให้ต้องย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกครั้งและด้วยความจำใจจริงๆจึงทำให้การพูดต้องมีความบรรจงและระมัดระวังยิ่งขึ้นเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดจากความเป็นจริงจากถ้ำเชิงดาวไปอำเภอพร้าว สาสิบจุดสี่ตอนพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่ดอยจอมแตงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2473เจ็สา อันที่จริงดอยจอมแตงนี้เป็นทางทางเดียวกันกันกบทางไปถ้าเชียงดาวแต่ถ้าเดินทางจากเชียงใหม่ปัจจุบันจะถึงแม่ริมก่อนการเดินทางของท่านพระอาจารย์มั่นดังได้กล่าวแล้วคือจุดประสงค์ของการทุดงของท่านนั้นโดยความมุ่งหมายต้องการที่จะหาความสงบและบิเวกไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวของท่านมีความสาคัญอย่างไรแม้ท่านจะถูกตั้งเป็นพระครู ฐานาของสมเด็จ พ, พระสังฆราชเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาท่านก็ไม่นำเอาไปทุดงด้วยฉะนั้นเมื่อท่านเห็นว่าอยู่ถ้ำเชิงดาวหลายเพลาแล้วก็จึงเดินทางบกลงมาเรื่อยๆจนถึงดอยจอมแตงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว่าภรษานี้จำภรษาอยู่บนภูเขาอากาศชุ่มชื้นฝนตกมากหนาวจัด ผู้ชาวบ้านได้หาฝืนมาไวส้สำหรับให้ท่านก่อไฟผิงยกเป็นกุฏิมุงด้วยใบตองตึงทำรั้วด้วยไม้รวกยาวพอเป็นที่ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆตามธรรมเนียมของพวกชาวเขาแม้ท่านจะบอกเขาว่ารั้วไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาก็ไม่ยอมได้ช่วยกันทำถวายท่านและมีคนมาคอยดูแลก่อไฟรับใช้ท่านต่างๆท่านบอกว่าไม่ต้องเขาก็ไม่ฟัง มาคอยดูแลช่วยอยู่นั่นเองท่านละวันในพรรษานี้ก็เป็นพรรษาที่มีความรู้สึกว่าปลดปรลงและได้ความละเอียดทางใจมากเพราะเหตุว่าอยู่องค์เดียวไม่ต้องสอนใครพูดถึงพวกชาวเขาก็ไม่รู้เรื่องกันเหมือนกับอยู่วิเวกอย่างดีที่สุดจึงทําให้หวนระลึกถึงคําพูดของท่านพระสารีบุตรว่ากายวิเวกเป็นเหตุให้บังเกิดจิตวิเวก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 ป่าดงถ้ำแต่ว่าอยู่ซะจนเคยชินหรือชินชาเสร็จแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกับอยู่ในบ้านในเมืองจงพากันเข้าใจว่าถ้ำป่าภูเขานั้นก็เป็นเพียงสถานที่ที่อยู่และเป็นที่วิเวกได้จริงแต่อย่าไปอยู่นานเกินควรข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ความรู้เป็นพิเศษขึ้นมากในข้อนี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่า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 มีบริเวณภูเขาไม่ใหญ่โตอะไรนักชาวบ้านเหล่านี้ก็มีศรัทธาดีอยู่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาวเขาพวกเขาก็มีพิธีการทางาศาสนาพุทธนี้เหมือนกันท่านเล่า ว, ว่าวันออกพรรษาเขาจะทำบุญพิเศษเช่นการทำขนมแบบง่ายๆมาถวายกันมากที่แปลกมีอยู่อย่างหนึ่งคือการถวายเข็มเข็มเย็บผ้าเขาจะทาเป็นธงยาวเอาไม้ไผ่ ทำเป็นคันเหมือนคันธงกระถินของเราแต่เขาเอาผ้าบางๆมาทำธงยาวเกือบถึงพื้นดินแล้วเขาก็เอาเข็มมากลัดติดกับผ้าตั้งแต่โคนธงถึงปลายธงแล้วให้พระมารับธงนั้นถือว่าได้บุญมากส่วนที่เขาอยู่กันนั้นเป็นบ้านพักชั่วคราวไม่ถาวรใช้ใบตองตึงมุงหลังคากันเป็นส่วนมากสาหรับการปกครองของเขา น, นเขามีหัวหน้า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 ที่จับตัวมานี้ผิดแล้วไม่ใช่ผมเมื่อหัวหน้าพยายามถามเท่าไรก็ไม่รับเจ้าทุก็ยืนยันว่าใช่แน่หัวหน้าพร้อมทั้งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจึงทำพิธีโดยการบวงสวงเทวดาผีป่าต่างๆแล้วก็เอาตะกั่วมาเขี่ยวให้ละลายอยู่ในเบ้าแล้วก็เอาจับมือขโมยกดลงไปที่เบ้าหลอมตะกั่วนั้นแต่ให้ห่างไม่ให้ติดกบประมาณหนึ่งนิ้ว ถ้าเป็นขโมยจริงๆตะกัวที่หลอมละลายนั้นจะพุ่งขึ้นมารับนิ้วมือผู้ทุดจริตถ้าเป็นผู้สุดจริตตะกัวจะไม่พุ่งขึ้นมาขณะนั้นเขาก็จับมือขโมยกดลงใกล้เข้าเพราะได้จังหวะเท่านั้นเองตะกัวได้พุ่งขึ้นจับมือขโมยทันทีเท่านั้นเองเขาก็รู้ว่าเจ้านี้เป็นขโมยตัวจริงแล้วก็ลงโทษกันเองโดยการเคี่ยนบ้าง การล่ามโซ่ไว้5วันบ้างสิวันบ้างแต่พวกเขาก็ยอมกันโดยดีโดยไม่ได้มีการขัดขืนแต่อย่างใดส่วนอาหารนั้นก็เป็นไปตามอย่างชาวป่าทั้งหลายเขาทํากันไปตามมีตามได้และทํากันอย่างง่ายๆไม่ใคร่จะสะอาดกันเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งสำหรับการไปทุดงไม่ถือเอารสชาติความอร่อยชอบใจเป็นเกณฑ์ถือเอาความเพียงอยู่ได้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 ก็จะทําให้การทําความเพียรลําบากขึ้นเช่นฉันเนื้อไข่มากๆก็จะทําให้จิตใจฟุ้งมากกว่าการฉันผักจําพวกดอกเลาเห็ดผักบุ้งผักเต้าเพกาเหล่านี้แม้จะมีปลาบ้างแต่ก็เป็นผักเสีส่วนมากก็จะทําให้การทําจิต ด, ดีขึ้นเมื่อทุดงไปอยู่ในถิ่นธุระกันดารก็จะฉันอาหารผักส่วนมาก จึงเป็นเหตุให้ได้ประโยชน์หลายทางคือทางหนึ่งได้รับกายาวิเวกทางหนึ่งได้อาหารธรรมชาติไม่บำรุงมากนักจึงทำให้เกิดผลมากในการบำเพ็ญสมณธรรมข้าพเจ้าได้ฟังท่านเล่าแล้วจับใจมากเรื่องของอาหารนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสัพเพสัตตาอาหารจิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง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 จึงเป็นการเสียสละของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นปัจจุบันการเดินทุดงจะเหมือนครั้งท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังหรือเปล่าอาจจะเป็นเหมือนหรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้เพราะปรากฏว่าบางแห่งไปธุดงกันเป็นร้อยๆ อ, อันเป็นภาระให้ชาวบ้านหรือตัวท่านลาบาก ต้องจัดอาหารกันใหญ่ไม่ได้ทั้งกายวิเวกไม่ได้ทั้งการกำจัดอาหารผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการทุดงจะเป็นดังรือจึงเป็นเรื่องที่เราจะรู้จักความจริงของการทุดงว่าเป็นอย่างไรเอาไว้บ้างก็จะดีกว่าที่เราจะเอาเรื่องของทุดงเป็นเรื่องโฆษณาหรือเป็นเรื่องอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง เพราะทุดงเป็นการแสวงหาวิโมกขธรรมนั้นดีจริงๆและได้ผลจริงหากการทุดงนั้นได้เป็นไปเพื่อการวิเวกและจำกัดอาหารดังท่านพระอาจารย์มั่นก็จะเป็นการดีปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษเพราะว่าได้ออกจากสิ่งต่างๆที่เป็นปริโภทนั้นแม้จะไม่ทำให้จิตวั่นวหวแต่ก็ไม่ทำให้เกิดความละเอียด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 เมืบุคคลยังเป็นไปเพียงแค่ฌานสมาธิย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมได้ท่านเล่าว่าปีนี้ได้พิจารณาย้อนหลังถึงการอยู่ในวัดเจดีหลวงและกรุงเทพจึงมาพิจารณาได้ทราบความถึงเจตนาของนักปฏิบัติ บ, ตบางท่านที่ยังไม่เข้าใจความจริงและทั้งยังไม่ได้ดำเนินวิปัสสนาอันเป็นทางให้บังเกิดกิเลสไว จึงทำให้เกิดความผันแปรต่างๆของนักปฏิบัติจนถึงออกนอกลูก่นอกทางโดยตัวเองไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานนี้เป็นหลักการที่น่าเคารพนับถือและจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างสูงจึงทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจว่าท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานหรืออยู่ป่าบาเพ็ญสมณธรรมท่านเป็นผู้พิเศษซึ่ง มีสิ่งอันเป็นพิเศษอยู่นี่แหละคือความเห็นความเข้าใจและเชื่อถือในหมู่บุคคลชาวพุทธเป็นส่วนมากพระชาพุทธโดยทั่วไปเมื่อเห็นผู้ใดมีความจงรักภักดีเสียสละให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วเป็นต้องสนับสนุนเคารพนับถือนี้เป็นความจริงข้อหนึ่งท่านเล่าว่าท่านได้วิตกกังวลขึ้นในขณะที่อยู่ในสถานที่นี้ถึงการปฏิบัติกรรมฐาน บำเพ็ญสมณธรรมของพระพิสุสามเนนต่อไปในการข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อมีทุกคนนิยมการปฏิบัติมากขึ้นก็จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะพระพิสุสามเนนเท่านั้นยังจะต้องแผ่กว้างออกไปถึงคารวะผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อไปอีกความกว้างขวางออกไปนั้นก็เป็นการดีอยู่เพราะ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 คือฌานบางหมู่บางพวกตั้งกกขึ้นสอนกรรมฐานกันไปตามอารมณ์นี่แหละเป็นภัยอยู่มากเป็นทางให้เกิดความเสื่อมได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านเล่าว่าเป็นการดีที่อนาคตไม่นานจะมีการแข่งขันกันในด้านการสอนกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานท่านเล่าตอนหนึ่งว่าในสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้มารบกวน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 ได้อยู่จำพรนษาอย่างสงบวิเวกในปีนี้ 30.5 ตอนจำพรรษามีงูเป็นเพื่อนที่บ้านโป่งจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2474หลังจากที่ท่านเดพักผ่อนในอรันราวป่าที่จอมทองในพรรษานั้นแล้วเมื่อออกพรรษาท่านได้เดินธุ ด, ดงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อแสวงหาความสงบต่อไปท่านเล่าต่อไปว่าเชียงใหม่นี้เป็นป่าดงกว้างขวางภูเขามากมายสิงสาราสัตว์เป็นต้นว่าเสือช้างงูก็มากหากแต่สัตว์เหล่านี้ไม่เคยทำอันตรายแก่พระพิสุสัมเณีที่สัญจรไปมาเลยครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในราวป่าเขตของอำเภอสันป่าตองฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนัก ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแถวๆนี้หมู่บ้านที่ไม่ใช่ชาวเขาพากันทำไร่กันอยู่ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนท่านอาศัยหมู่บ้านนี้บินทบาดและที่ท่านอยู่มีครองขวางกั้นอยู่จะไปบ้านต้องข้ามครองไปครองนี้ไม่กว้างนักชาวบ้านเขานำขอนไม้มาวางเป็นสะพานไม้เมื่อฝนตกหนักคราวนี้น้ำบาแรงได้พัดไม้สะพานไป เมื่อน้ำไม่ลดท่านก็ข้ามน้ำไปบิณทบาทไม่ได้โยมก็มาหาท่านไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องอดอาหารส่วนชาวบ้านร้อนใจมากกลัวท่านจะอดจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะข้ามชาวบ้านเขาพยายามอยู่นานก็สามารถข้ามน้ำนาอาหารมาถวายได้ฝนที่ตกติดต่อกันมาหลายวันนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้ ก็ยิ่งทำความลำบากแก่ชาวบ้านที่จะมาถวายอาหารบินทะบาทแก่ท่านที่จะออกบินทะบาทแม้ท่านบอกว่าอาตมาจะอดได้สามสี่วันไม่เป็นไรดอกยมชาวบ้านก็กลัวจะบาปจะยอมให้อดไม่ได้จึงเป็นการต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งสาคัญครั้งหนึ่งเมื่อฝนตกกรา ม, มาหลายเวลายังไม่มีทางว่าจะผ่อนคลายลงนั้น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 ได้มาช่วยปรนิบัติท่านโดยการหาฝืนมาและก่อกองไฟถวายตลอดทั้งต้มน้ำร้อนวันนั้นมีงูตัวหนึ่งเป็นงูสามเหลี่ยมมีปล้องเหลืองปล้องดำขนาดยาวถึงสองวาเห็นจะได้มาขดอยู่ในกองฝืนความจริงตามป่าเขาในย่านนี้ก็เป็นดงงูอยู่แล้วพวกงูจำนวนมากอาศัยอยู่เพราะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ต้นไม้ใหญ่เล็กระเกะระกะ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 มันจึงมีความรู้สึกเกือบจะเป็นคน สามสิบจุดหกตอนคนออกลูกเป็นงูเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าระลึกไปถึงเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นสมณีนอยู่จังหวัดจันทบุรีครั้งเมื่อข้าพเจ้าทุดงไปตามภูเขาสะบาปเข้าไปพักอยู่ที่บ้านกงสีไร ประมาณปีพศ2481พบกับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมอสมอนนามสกุลพักดีมาขอฝึกการทำสมาธิกับข้าพเจ้าและเป็นผู้ทาจริงๆจนถึงกับเกิดสมาธิที่กล้าแข็งขึ้นมีจิตสงบทั้งภรรยาของเขาด้วยบำเพ็ญจนไม่รับประทานอาหารตอนบ่ายรับประทานอาหารหุนเดียวเหมือนกับพระธุดง เมื่อหมอสมอนนี้ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับข้าพเจ้าจนเป็นกันเองขึ้นแล้วเขาก็พูดขึ้นบ่อยๆว่าผมนี้เป็นญาติกับงูข้าพเจ้าก็ไม่ใครจะสนใจนักนึกว่าคงเป็นเรื่องนิยายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อเขาได้พูดหลายครั้งประกอบกับมีพยานหลายคนข้าพเจ้าชักจะสนใจขึ้นจึงขอทราบความจริงของการที่เขาเป็นญาติของงูได้อย่างไร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 แห่งการรักบุตรของตนอยู่จึงห้ามการที่ฆ่าบุตรแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อมามารดาเด็กคนนี้คลอดบุตรอีกเจ็ดคนชายห้าหญิงสองคนสุดท้องเป็นหญิงครั้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นต่างก็มีครอบครัวไปกันหมดและก็ได้ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นหมู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนงูผู้เป็นพี่ใหญ่นั้นเมื่อโตขึ้น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 แม่พูดอย่างไรจะทำตามทุกอย่างเช่นอย่างบอกให้อยู่เฉยเขาก็นอนตามความแนะนำบอกให้ลงไปเล่นข้างล่างก็ลงไปบอกให้อย่ามาใกล้ก็ไม่มาบอกให้มาใกล้ก็มาข้าพเจ้าถามว่าเอาอะไรเป็นอาหารแกงูหมอสมอนบอกว่าไก่และเนื้อสัตว์อื่นๆที่ฆ่ามาแล้วและหมอได้พูดต่อไปว่าแม่ของงูนี้ไม่กลัวงูเลย บางครั้งจะจับคำเล่นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อสรพิษอย่างนั้นแหละจึงรวมความว่าแม่งูรู้จากภาษางูและงูก็รู้จากภาษาคนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็มีมาแล้วกระทั่งบัตรนี้ก็ยังมีญาติของงูเหลืออยู่แม้จะเป็นสิ่งเหลือเชื่อแต่หลักฐานยังบ่งชัดว่าน่าจะเป็นได้ ดันันต่อมาผู้คนในระแวกนั้นเกิดไม่ไว้วางใจงูซึ่งเป็นสัตว์มีพิษมากขึ้นขอร้องให้นำไปปล่อยเสียที่อื่นผู้เป็นแม่ก็จนใจอยู่มาวันหนึ่งแม่จึงเรียกงูนั้นมาแล้วพูดว่าขณะนี้ชาวบ้านเขากลัวกันมากพระเจ้าก็ใหญ่ขึ้นทุกวันแม่จำเป็นต้องขอร้องให้เจ้าหาทางไปอยู่เสียที่ที่เป็นวิสัยของเจ้าเถิด งูก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่เมื่อแม่ขอร้องก็จึงไปหาน้องทุกๆคนแล้วก็พองกหัวลาแม่บังเกิดกล้าวเลื้อยลงจากบ้านอย่างเชื่นช้าพร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลพรากและส่งเสียงวีดวีดประมาณห้าหครั้งแล้วก็เลื้อยหายลงไปในทะเลต่อมาเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาทุกๆเจ็วันและต่อไปเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาทุกๆ นจนถึงปีหนึ่งเขาจะมาเยี่ยมแม่ของเขาครั้งในการมาเยี่ยมแต่ละครั้งนั้นจะมีพวกติดตามมามากมีงูหลายชนิดเหมือนกันเหมือนกับคอยอารักขาเขาเวลามาเยี่ยมนั้นเขาจะอยู่ประมาณครึ่งวันจึงจะกลับครั้งสุดท้ายแม่ป่วยไม่สบายเขารู้ได้อย่างไรไม่ทราบเพราะแม่ป่วยครั้งนี้จะต้องตายแน่เขาพาพวกมาอยู่กับแม่ของเขา จนแม่เขาถึงแก่กรรมและเขาก็มีการแจกสมบัติขณะแจกสมบัตินั้นงูก็ยังอยู่ฟังเขาพูดกันจนรู้เรื่องคำพูดคำหนึ่งนั้นที่งูสนใจคือเราจะแบ่งสมบัติออกเป็นเจ็ส่วนงูผู้เป็นพี่ก็มีส่วนด้วยขณะนั้นเองงูได้ทำกริยาอย่างหนึ่งโดยเอาหางชี้ไปที่น้องคนสุดท้ายเป็นนั้นว่า ง, งูมีความประสงค์ จะมอบสมบัติส่วนตัวให้แก่น้องคนสุดท้องเป็ น, นว่าเสร็จสิ้นกันไปแล้วงูนั้นก็ลาน้องๆจากไปนับแต่นั้นจนบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่างูนั้นหวนกลับมาอีกข้าพเจ้าพูดมายืดยาวเพื่อให้เป็นการแก้อารมณ์ท่านผู้ฟังที่ต้องเคร่งเครียดอยู่กับประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระไปบ้าน ต่อไปก็จะได้เริ่มพูดถึงการจำพรรษาของท่านอีกต่อไปปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านโปง่งอําเภอสันป่าตองบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เล็กมากมีอาชีพทำพืชลมลุกปลูกเผือกมันงาพืชไร่ต่างๆนำเอาเข้าไปขายในอำเภอความเป็นอยู่ของเขาไม่มีอะไรมากเพียงแต่มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งหนึ่งแต่เขาก็อยู่กันอย่างสบาย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 ทั้งเป็นการบั่นทอนกำลังของร่างกายแต่ว่าป่าทึบนั้นก็ดีแต่เฉพาะที่ไม่ใช่หน้าฝนถึงอย่างนั้นจะอยู่นานๆก็ต้องมีการถากถางเบิกป่าออกไปบ้างก็เป็นภาระไม่ค่อยจะจำเป็นนักการอยู่ที่บ้านโป่งนี้เป็นป่าต้นไม้ใหญ่จริงแต่ไม้ใหญ่นี้ขึ้นสูงมากต้นไม้อยู่ข้างๆก็ไม่มีโอกาสจะโตขึ้นได้เพราะร่มต้นไม้ใหญ่บัง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 และจำพรรษาอยู่ในที่นี้ก็ทำให้เขาดีใจเหลือหลายจึงได้ช่วยท่านทาเสนาสะนะพอที่จะอยู่จาพรรษาได้ความจริงพรรษานี้ท่านก็ได้พยายามเพื่อตรวจถึงความจริงของพระพุทธศาสนาจนเห็นว่ามีมิจฉาทิฐิปะพนอยู่มากที่ว่าเช่นนี้นั้นเพราะท่านเห็นชาวบ้านพากันนับถือพูดผีปีศาจ และนับถืออะไรต่อมีอะไรอื่นอีกเหลือคณะนับเช่นตรงไหนมีต้นไม้ครึมครึมเขาก็ไปบูชากันเห็นก้อนหินใหญ่ๆก็ไปบูชากันถึงปีเช่นวันเพ็ญเดือน12บสอเขาก็จะมีการเลี้ยงผีแล้วก็เส้นสวงบูชาทํากันอย่างเออกะเลิกเหมือนกับไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาก็เป็นชาวพุทธท่านว่าเรื่องอย่างนี้ก็แก้ยากเพราะคนยังมีจิตใจต่ํา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 30.7 ตอนจำพัรษาณวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2475ท่านเคยพูดเสมอว่าการันยุตาปาริสันยุตารู้จักการรู้จักบริษัท ผู้จะปฏิบัติอันจะเป็นพระพิสุสัมเณน EN หรือเป็นฆฤหัสนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักสังคมเพราะเราอยู่ในโลกซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากแม้แต่พระพุทธศาสนาก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกคืออาณาจักรการเป็นเช่นนี้จึงจะต้องทำตัวให้เข้ากับเขาได้จึงจะเป็นไปตามหลักฐานที่ถูกต้องและแม้แต่พระพุทธองค์ ก็ต้องนำมาบำเพ็ญยาตัทธจริยาโลกัตะจริย า, ะะยาคือทำประโยชน์แก่ญาติแก่โลกบุคคลหรือนักปฏิบัติที่คร่ำเคร่งอยู่ในการปฏิบัติธรรมเขาจะต้องเป็นผู้การัญญุตารู้จักการปริสัญญุตารู้จักบริษัทธ์มิฉนั้นการปฏิบัติอาจจะเสียผลดังที่ปรากฏว่าการที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร บริษัทนี้ทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรหากไม่ใช้ปัญญาจะบังเกิดผลเสียหายจนถึงการทำลายการปฏิบัติของตนเสียได้เช่นพระพิสุรูปหนึ่งเมื่อประมาณพศส4 8 6ถึง2487อยู่บนภูเขาที่ข้างสถานีมวกเหล็กพอรถไฟขบวนหนึ่งมีผู้โดยสารมากผ่านไป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 ท่านได้ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระโมกคาลานะเทระกับพระลัคนะเทระไปทำความเพียรอยู่บนเขาคิจกูดเมื่อขณะที่ลงมาจากเขาพระโมกคาลานะได้เห็นเปลตนหนึ่งด้วยทิพยจักสุคือเปลวไฟได้ไหม้ขึ้นแต่หางลามขึ้นไปถึงศีรัตั้งขึ้นทั้งสองข้างไปรวมตรงกลางตัวได้รับความทรมานแสนสาหัส พระเถระเห็นดังนั้นแล้วจึงยิ้มขึ้นอันพระลักษณะเถระถามเหตุแห่งการยิ้มตอบว่าที่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ท่านจงถามเราในสำนักพระาศาสดาเถิดท่านทั้งสองเที่ยวไปบินทบาตในนครราชคฤเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาอันพระลักษณะเถระนั้นได้ถามเหตุของการยิ้มแห่งพระโมคคัลลานเถระต่อพระพักของพระาศาสดาแล้ว พระโมคขาลานะจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตัวหนึ่งในที่นั้นอัตภาพของมันเป็นอย่างนี้จึงได้ทําการยิ้มให้ปรากฏเพราะอัตภาพอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นการย้ําความจริงแก่พระโมคขาลานะเฉระว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอ ทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าเปรตตนนั้นเราได้เห็นมันแล้วนับแต่วันที่เราได้ตรัสรู้ณนะโพธิสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าเมื่อมูชนใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อของชนหมูนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะให้โทษแก่เขาเท่านั้นบัดนี้เราได้พระโมฆลลานะเป็นพยานแล้วจึงจะได้พยากรณ์ว่า เปรตนั้นได้ทำกรรมอะไรมาใ น, นที่ตรงนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ย้ำพูดถึงว่าการที่เรามีความรู้อะไรต่างๆอันเป็นภายในแห่งสมาธิสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นความจริงก็มีควรพูดออกมาหรือเขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะผู้อื่นนั้นยังไม่รู้หรือถึงรู้ก็ไม่เข้าใจซึ่งอาจจะเป็นบาปแก่ผู้ฟัง ถ้ามีการเข้าใจอย่างผิดผิดถูกถูกเพราะความไม่เชื่อนับประสาอะไรกับเราผู้เป็นสาวกรุ่นนี้เล่าแม้แต่พระบรมศาสดาพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ในเรื่องเปรตเหล่านั้นในขณะที่ทรงเห็นด้วยพระองค์เองได้ทรงพยากรณ์ก็ต่อเมื่อมีพระโมคคัลลานะเถระมาเป็นพยานในการรู้เห็นของพระองค์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าผู้ที่มีแต่เฉพาะตานอก คือเพียงตาเนื้อแต่ไม่มีตาทิพพระจักษุคือตาภายในนั้นเขาก็รู้อแต่เพียงคาดคะเนเท่านั้นเขาจะชื่อว่ารู้จริงหาได้ไหมดูตัวอย่างชาญก็แล้วกันเขาเรียนทั้งรูปประชานอารูปประชานแต่เขาก็ไม่รู้ว่าชาญ น, นั้นเป็นอย่างไรนี่แหละพึงเข้าใจเสถิดว่าจะเป็นบาปแก่เขาปเปล่าๆแม้แต่เขาเหล่านั้น จะมีความรู้เรียนจบพระไตรปิฎกแต่ตาในไม่มีก็ไม่มีความเข้าใจจริงเมื่อเพียงแต่ดาวเอาก็ไปกันใหญ่เหมือนเขาเล่าว่าอีกาเช็ดปากพอลือกันไปหน่อยก็ค่อยๆยาวไปก็กลายเป็นอีกาเจ็ดปากแตกตื่นกันใหญ่เรื่องของเปรตนั้นท่านกล่าวต่อไปว่าเปรตตนนี้เมื่อยังเป็นคนได้เกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะ มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมังคระได้สร้างพระวิหารถวายโดยเสียสละทรัพย์จํานวนมากเศรษฐีจะต้องไปที่วิหารนั้นทุกๆวันในวันหนึ่งตอนเช้าท่านเศรษฐีได้ไปที่วิหารดังเช่นเคยทุกๆวันในระหว่างทางได้เหลือไปเห็นโจรคนหนึ่งนอนอยู่กระใต้ประตูพระนครมีตัวสกโปรกทั้งตัวแล้วยังเอาผ้ากาสาวะคลุมตัวด้วย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 ก็ได้ไปบังเกิดในเอเวจีมหานรกสิ้นการนานบัดนี้มาเกิดเป็นอชคระเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือในปีพศ2475นี้ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระก็ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่อีกครั้งโดยมีความประสงค์จะได้ดำเนินการพระศาสนา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 30.8 ตอนจำพรรษาที่อรัญญะปัพพตาบ้านห้วยทรายอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2 4 7พรครั้นเพื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวง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 การอยู่ป่าจึงมีส่วนดีและส่วนเสียอยู่เหมือนกันเพราะหากว่าเกิดเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งแล้วจะแก้ยากคือถือว่าการอยู่ป่านั้นวิเศษกว่าถือว่าเรานั้นวิเศษแล้วพู้ที่ไม่ได้อยู่ป่าถือว่าบุคคล น, นั้นอยู่กลางกิเลสจึงถือเอาตัวเป็นใหญ่แล้วทำทิฏฐินี้ให้ฝังอยู่ในใจตำหนิติโทษผู้อื่นอย่างนี้เป็นผลเสียเป็นอย่างยิ่ง ท่านเล่าต่อไปว่าในครั้งพุทธกาลพวกฤาษีจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าหิมะผานท่านจะอยู่เป็นเวลาสี่เดือนในป่าหิมะผา น, นั้น8เดือนท่านจะมาอยู่กับหมู่ชนจากคำพีพระธรรมบทคุทณทกษนิกายท่านอ้างว่ามีพระฤาษีจํานวนหนึ่งประมาณห้าร้อยคนมีโคสกะเศรษฐีเป็นที่คุ้นเคยในตระกูลนั้น สเดือนหรือสีทั้งห้ารจะอยู่ป่าหิมพานแปดเดือนหรือสีทั้งห้าอจะมาหาเศษฉีและเพื่อจะได้ลิ้มรสอาหารหนานาชนิดเพราะอยู่ในป่าหิมพานประเทศนั้นได้ลิ้มแต่รสผลไม้ในวันหนึ่งหรือสีทั้ง500้อยได้มาพักอยู่ที่ใต้โคนต้นไทรต้นใหญ่มีร่มเงาสาขามะฮมาครั้นนั่งพักกันสักครู่แล้วหรือสีทั้ง500้อก็มีความสงสัยว่า ต้นไม้ใหญ่อาจจะมีเทวดาสิงอยู่จึงได้พูดว่าหากว่าเทวดามีอยู่จริงบัดนี้พวกเราต้องการน้ําฉันเพราะกําลังกระหายเทวดาที่สิงอยู่ในต้นใส่นั้นก็เนรมิตน้ําให้ฉันฤาษีทั้ง500อองค์ก็พูดว่าเราต้องการอาหารเทวดานั้นก็เนรมิตอาหารถวายให้ฉันจนอิ่มฤาษีพากันพูดว่าพวกเราต้องการเห็นตัวเทวดา เทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นกันจนทั่วถึงฤาษีจึงถามเทวดาว่าท่านทําบุญอะไรมาเทวดาก็ไม่อยากจะบอกความจริงเพราะทําบุญมาน้อยมากแต่ฤาษีได้อ้อนวอนโดยนาน า, นาประการเทวดาจึงบอกบุพกรรมของตนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในชาติก่อนนั้นกระผมได้เกิดเป็นคนชายของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้ที่เป็นพุทธอุปถาต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 เพราะวันนั้นเย็นแล้วผมคิดว่าแม้กึ่งอุโบสถก็ยังดีผมจึงสมาทานอุโบสถศีลทันทีครั้นเมื่อผมได้สมาทานอุโบสถแล้วข้าที่ผมไม่เคยอดเข้าเย็นมาก่อนผมก็เกิดปวดท้องเป็นลมอย่างรุนแรงในเมื่อเวลาล่วงไปใกล้รุ่งได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเพื่อนๆ เ, เขาบอกให้ผมรับประทานอาหารเสเถะแต่ผมก็ไม่ยอม จนต้องถึงกับเอาผ้าเข่ามามารัดท้องเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดในที่สุดผมก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อไปได้จึงทำการกริยาตายในคืนนั้นเอง้ดยอายนิสงส์กึ่งอุโบสถผมจึงมาเกิดเป็นเทวดาอยู่ในที่นี้อันพวกฤาษีถามแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหรืออุบัติขึ้นแล้วขณะ น, นี้ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร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 บัดนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านเศรษฐีจะไปนมัสการท่านหรือไม่พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้เศรษฐีบังเกิดศรัทธาจากความบอกเล่าของฤาษีจึงบอกว่าพวกท่านหมูฤาษีจงไปก่อนเถิดผมจะตามไปทีหลังฤาษีทั้งห้ารยก็รีบเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าได้เข้าไปนมัสการณวัดเชตวันนครสาวัตถี เมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนายังพวกฤาษีเหล่านั้นให้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยพรัน 30.9 ตอนอุ ป, ปมาฤศี500รละชิฏฐิมานะเรื่องนี้หลังจากท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังโดยย่อแล้วท่านก็ได้อธิบายเป็นข้อๆว่า 1. การที่ประชาชนหรือขราวาสที่รักษาอุโบสถนั้นนับว่าเป็นกุศลแก่เข้ามาก เพียงกึ่งอุโบสถก็ทำให้ได้บุญมิใช่น้อยเพราะเหตุนั้นควรจะแนะนำโยมรักษาอุโบสถให้มากก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 2. การที่ฤาษีบำเพ็ญฌานจนสำเร็จอภิญญาณแล้วได้มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันนั้นท่านบอกว่าเพราะความพอเพียงแห่งพลานุภาพของจิตซึ่งฤาษีเหล่านั้นไดบาเพ็ญมา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 ความเร่าร้อนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในคันธสันดานย่อมเกิดขึ้นอุปมาประดุดดังไฟสมแกรบนั่นทีเดียวพวกฤาษีทั้ง500องค์เหล่านี้ได้มาพิจารณาตัวตนของตัวเองโดยที่มิได้ถือทิฏฐิมานะว่าเรานี้มีริดถึงกระเพาะเหินเดินอากาศได้อีกทั้งยังมีคนร่ำรวยและมียศถาบรรดาศักมาเลื่อมใสละทิฏฐิมานะ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 ตนเองมักจะตีความเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอเมื่อความดีเกิดขึ้นประมาณร้อยก็ตีความเอาว่าเรานี้ได้พันแต่การตีความเช่นนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรและก็ไม่เป็นบาปด้วยเช่นเราทำสมาธิได้รูปประฌานมาเข้าใจว่าเราได้อรูปฌานหรือกำลังพิจารณาความเกิดดับเป็นอุบายของสมถะข้างต้น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 ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้อธิบายธรรมะต่างๆนี้แล้วก็เล่าไปถึงการเดินธุดงครั้งนี้โดยความประสงค์จะไปให้ใครจึงตัดทางไปทางจังหวัดเชียงรายที่ได้ข้ามขุนเขาไปอย่างธุระกันดานที่สุดและในสมัยนั้นไม่ต้องพูดถึงรถยนต์แม้แต่ถนนรถยนต์ก็ไม่มีแต่นั่น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 ท่านว่าคนตื่นนี้มันยิ่งกว่าวัวควายตื่นพอรู้ว่าพระหลวงพ่อขลังมาอยู่บนภูเขาจะแตกตื่นไปใหญ่พบกันใหญ่หลวงพ่อบางองค์กิเลสอย่างเยอะหลงไปกับความแตกตื่นอุตสาห์ตัดถนนรถยนต์ให้คนเข้าไปหาเพื่อให้ความสะดวกแก่คนเลยแตกตื่นกันใหญ่ท่านว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อท่านเห็นว่าที่บ้านห้วยซายนี้ เหมาะแก่การทำความเพียรอันจะเป็นผลทางใจอย่างนี้แล้วท่านก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านโดยยกกระตอบถวายพอจะอยู่ได้ไม่ผิดพระวินัยแล้วท่านจึงปรารกความเพียรอย่างเต็มที่ภายในพรรษานี้ท่านได้เล่าให้กับข้าพเจ้าฟังว่าเราได้พิจารณาดูแล้วว่าต่อไปการทำกรรมฐานของพระพิสุสามเนนนั้นจะรุ่งโรจน์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 จะพากันสนใจกรรมฐ า, านมากขึ้นในอนาคตข้าพเจ้าฟังแล้วยิ่งไตรตรองดูก็ยิ่งเห็นจริงขึ้นตามลำดับเมื่อมามองดูในยุคปัจจุบัน 30.10 ตอนจำพัรษาสอนการแสดงตัวเป็นพุทธมามะกะที่ป่าเมี่ยงแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2477นับเป็นการเดินธุดงที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย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 ยิ่งทําให้ท่านได้รับผลแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าได้สอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านของอําเภอพร้าวที่ท่านพระอาจารย์เคยพักอยู่และชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นสวนลําไยและมีหมู่บ้านหนาแน่นมากแต่ครั้งที่ท่านมาพักนั้น ครั้งนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์จำพวกเสือหมีหมูป่าเข้ามากินวัวควายทำร้ายผู้คนหรือไม่ก็เข้ามาทำลายวัตถุสิ่งของพลาผลต่างๆอยู่เสมอชาวบ้านเล่า ว, ว่าท่านได้แนะนำให้พวกเขาแสดงตัวเป็นพุทธมามกะผู้รับเอาพระปรตนะเป็นที่พึ่งผู้ใกล้ชิดพระปรตนาตรัยและสอนให้พวกเขา เข้าใจในเหตุผลแห่งความเป็นจริงโดยไม่ให้มีความเชื่อถืออย่างงม ง, งายไร้เหตุผลเพราะเหตุผลเป็นความจริงในพระพุทธศาสนาโดยท่านได้สอนเน้นถึงว่าคุณธรรมนั้นมีความสำคัญยิ่งนักเช่นที่เราพากันกราบไหว้พระพุทธปฏิมา ก, ก่อนนี้ไม่ใช่ว่าเราไหว้หรือนอบน้อมต่ออิดปูนทองเหลืองทองแดงทองคา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 อย่างนี้ชื่อว่าไหวพระองค์ท่านด้วยคุณธรรมจึงจะไม่ชื่อว่าไหวอิดปูนการไหวพระธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธองค์เช่นกันโดยกล่าวเป็นคำว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมน้ำสการกราบไหวพระธรรมนั้น เพราะถ้าพระธรรมคําสอนที่กล่าวแล้วไม่ดีและเมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์แล้วว่าไม่มีเหตุผลเราก็ไหว้ไม่นอบน้อมดังนั้นเราจึงไหว้แต่พระธรรมที่กล่าวดีมิฉะนั้นแล้วเราก็จะกราบถูกแต่เพียงใบลานคือใบไม้เพราะไปเข้าใจเสียว่าใบไม้คือธรรมนี้ชื่อว่าไม่ถูกต้องเราจะต้องกราบให้ถูกให้ตรงต่อคาสอน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 เป็นเนื้อนาบุญอันเอกอุกของชาวโลกดังนั้นเมื่อเราจะกราบไหว้เราก็กล่าวคำว่าสุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโคสังคังนา ม, ามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้านอบน้อมกราบไหว้พระสงฆ์นั้นถ้าพระสงฆ์มีการปฏิบัติไม่ดีเราก็ไม่กราบ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 สรุปแล้วกราบไหว้ใดๆก็ตามถ้าเรากราบโดยยึดเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้งเป็นหลักแล้วเราจะไม่มีการกราบผิดเลยเพราะการกราบไหว้โดยเท้าความถึงคุณธรรมนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นเหตุผลหรือสมกับเหตุผลนั้นก็คือกราบได้ไม่ผิดจึงจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นบุญข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมาก ที่ได้ฟังโยมเขาอธิบายถึงคำสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาได้พากันจดจาเอาไว้และได้นำมาเล่าให้ฟังอีกจึงทำให้ได้ความจริงมาอีกข้อหนึ่งว่าท่านพระอาจารย์ท่านได้สอนคนบ้านนอกที่ไกลาจากการศึกษาให้เข้าใจถึงข้อเช็จจริงซึ่งบางทีอาจจะดีกว่าผู้ที่ศึกษาแล้วอยู่ในเมืองหลวงสอีกโยมคนนั้นได้เล่าถึงท่านพระอาจารย์มั่น ท่านสอนต่อไปว่าศาสนาคือตัวของเราและอยู่ที่ตัวของเราเพราะเหตุไรก็เพราะว่าตัวตนของคนเรานี้เป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมก็ทรงสแสดงถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายและที่ใจ ไม่เห็นให้ปฏิบัติที่อื่นนอกจากที่ดังกล่าวบางคนก็ว่าศาสนาอยู่ในคัมภีร์ไบลานโยมคนนั้นได้เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่อยู่ในคัมภีร์ไบลานก็ในไบลานหรือในกระดาษหนังสือทั้งหลายก็คนเรานั่นแหละไปจารึกไว้หรือไปเขียนไว้และทำมันขึ้นมาซึ่งถ้าคนไม่ไปเขียนหรือไปทำมันขึ้นมามันจะเป็นหรือมีขึ้นมาได้อย่างไร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 คือการปฏิบัติโดยการยกตัวของตนขึ้นจากลมหลุมแห่งวังวนวัฏสงสารเป็นต้นข้าพเจ้าได้ฟังแล้วรู้สึกจับใจและมาเข้าใจว่าคนที่อยู่ในตำบล น, น, นอกห่างไกลก็ยังมีความรู้ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้ก็นับว่ายังดีมากแต่ก็เกิดขึ้นจากท่านผู้รู้ที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวโดยเข้าไปสอนให้รู้ทาได้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าสำหรับอำเภอรพราวนี้มีภูมิธรรมเลเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางใจและเป็นสถานที่แปลกประหลาดอยู่เพราะมีภูเขาเรียงรายอยู่ทั่ ว, วไปที่แปลกคือภูเขาวงล้อมเป็นเหมือนกำแพงเมืองมองดูแต่ไกลสูงตรงานงั้มตั้งอยู่เป็นระยะระยะและตอนใดที่เขาไม่จรดถึงกันก็ปรากฏเป็นช่องเขาขาด ดูประหนึ่งประตูของกำแพงเมืองบริเวณนี้แวดวงด้วยขุนเขาและป่าละมาะโปร่งสบายทุ่งนาก็มีเป็นแห่งๆสลับกันลำธารห้วยระแหงซึ่งมีอยู่โดยทั่วๆไปพร้อมกันนี้หมู่บ้านก็ตั้งเรียงรายอยู่กันเป็นหย่อมๆ ม, มากบ้างน้อยบ้างพอได้อาศัยเป็นโครจรคามบินทบาทตามสมควรท่านจึงปลาบในใจว่า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 เมื่อท่านอยู่ที่อำเภอนี้นานเข้าทําให้มีการเล่าลือว่าท่านอยู่แห่งนี้นานพระพิสุสมมัมเณรผู้ได้รับความเย็นใจจากท่านก็ได้โอกาสรีบติดตามเพื่อจะได้พบและต้องการฟังธรรมเทศนาจากท่านท่านเล่าว่าในระยะนี้เราต้องการที่จะพบกับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันเพราะจะได้ปรับความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติทางใจให้มีความละเอียด และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงเพราะการปฏิบัติจิตใจจะต้องศึกษาให้รอบครอบเนื่องจากว่าเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องมีประสบการณ์ในตนเองคือการกระทาที่เกิดขึ้นในใจนั้นมีหลายอย่างที่จะต้องใช้ปัญญาวิจารณ์หาเหตุผลเพื่อให้การดำเนินไปในทางที่ถูกต้องจริงๆเปรียบเทียบเท่ากับพระไตรปิฎกในคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 และอุบาสกอุบาสิกาในระยะแรกที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้พาคณะสิทธิ์เที่ยวทุดงเพื่อวิเวกวกวนเวียนอยู่เฉพาะภาคอีสานในถ้ำภูเขาป่าใหญ่เพราะการทุดงนั้นมีความมุ่งหมายที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทางใจจริงๆในกรณีนี้ท่านเองมีความชำนานลู่ทางการไปมามากท่านจึงแนะนาแก่สิทธิ์ได้ถูกต้อง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 พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาภโลพระอาจารย์เทศเทสรังสีพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์ฟั่นอาจารโอพระอาจารย์แหวนสุจินโนพระอาจารย์กงมาจิระคุณโยพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระอาจารย์ชอบพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนรุ่นสุดท้ายก็ข้าพเจ้าและพระอาจารย์วันอุตโม ยังมีอีกนับได้กว่า800องค์ที่เป็นสิทธิ์ท่านทั้งยังมีชีวิตอยู่และทั้งมรณภาพไปแล้วซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ทำกิจพระศาสนาได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งทั้งตัวของท่านและผู้อื่นข้าพเจ้าจึงกล้าพูดว่าไม่มียุคใดที่การปฏิบัติ จ, จิตใจได้ถูกฟื้นฟูขึ้นเท่ากับยุคนี้แต่ก่อนท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มปฏิบัตินั้น ก็ยังไม่เห็นมีการปฏิบัติกันเท่าไรและดูยังลึกลับอยู่มากหลังจากสิทธิ์ของท่านได้รับความจริงในด้านนี้แล้วนำมาเผยแพร่ทั่วประเทศไทยความตื่นตัวเรื่องการปฏิบัติจึงมีขึ้นเนื่องจากว่าอุบาสกอุบาสิกาได้วรับผลคือความเยือกเย็นสบายเห็นความบริสุทธิ์แท้จริงจากสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้นตามลาดับ เมื่อนำมาปฏิบัติทางด้านจิตใจกันมากขึ้นถ้าหากไม่รีบหาวิธีปฏิบัติแล้วญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องหันมาศึกษาการปฏิบัติกับพระที่เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นเสียมดจะทําให้ประโยชน์บางประการของคนอื่นต้องเสียหมดไปจึงปรากฏมีการตื่นตัวของสํานักวิปัสสนามากมายเกิดขึ้นถูกบ้างผิดบ้างไปตามเรื่องของคําสอนแต่ละคณะ ข้าพเจ้าก็ได้รับประสบการณ์จากสิทธิ์พระอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันเพราะขณะนั้นข้าพเจ้าอายุเพียง13ปีเท่านั้นและขณะนั้นพศ2476ก็มาได้ความดีของการปฏิบัติจิตอย่างน่าพิศวงจนถึงกับบวชปฏิบัติกับสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นจนได้ติดตามปฏิบัติถึงกับได้ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น แต่ก่อนนี้ข้าพเจ้ายังไม่เห็นมีการปฏิบัติวิปัสนาเลยข้าพเจ้าเองยังถูกชาวบ้านเขาตําหนิว่าการปฏิบัติวิปัสนานั้นเดี๋ยวจะบ้าและเขาพูดว่าไม่มีประโยชน์บางพวกก็พูดว่ามัดผลไม่มีแล้วดูๆมันมืดมนเหลือเกินในครั้งนั้นข้าพเจ้ายังว่าไม่มียุคใดในกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะเหมือนกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทธตเถระ ที่ได้ฟื้นฟูการปฏิบัติวิปัสนาเจริญถึงขั้น 30.11 ตอนแนะนำข้อปฏิบัติขั้นสูงณนะทุ่งหมากเขาอําอเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2478จดังได้กล่าวแล้วว่าในท้องที่อําเภอรพร้าวนั้นมีที่วิเวกเหมาะสมกับการบำเพ็ญกรรมฐานมาก ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินทุดงวกเวียนอยู่ในอำเภอนี้หลายปีด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะสิทธิ์ของท่านที่ได้ถูกอบรมไ้แล้วโดยส่วนมากอยู่ทั้งภาคอีสานที่พยายามสืบสะหาพระอาจารย์มั่นว่าอยู่แห่งหนุนตำบลใดจึงได้ข่าวว่าอยู่ทางอำเภอพร้าวต่างก็หาวิธีที่จะมาหาท่านด้วยความยากลาบากเพราะโดยส่วนมากก็เดินด้วยเท้า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 เพื่อจะได้ศึกษาธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นทางอาจารย์ต้องการจะพบจะได้แก้ไขปรับปรุงที่ได้สอนไว้ให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและให้ได้ผลยิ่งขึ้นความประสงค์ตรงกันหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นจากสิทธิ์ไปเป็นประมาณ8ปีนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเทรานุเทระจานวนมากจึงลังไหลขึ้นเชียงใหม่เพื่อการเข้าพบหาท่านพระอาจารย์มั่น ทั้งกิติศักดิ์ก็กำลังเลื่องลือว่าท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์และมีความสามารถในอันที่จะแนะนำสิทธิยานุสิตให้ได้รับผลทางใจผู้ใดต้องการความสงบหรือความพ้นจากทุกแล้วก็จะไปหาไปพบหรือไปอยู่กับท่านก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ทีเดียวท่าวนี้เป็นที่ทราบดีในขณะนั้นข้าพเจ้าก็บริชาเป็นสามเณร ได้พิงสองรษาข่าวความดีงามในการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นก็ส่งเข้าสู่ใจของข้าพเจ้าตลอดทุกระยะเวลาทำให้เกิดความกระตือรือร้อนในอันที่จะต้องการพบท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ขณะนั้นโอกาสยังไม่ให้เลยประกอบกับข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยและการปฏิบัติกรรมฐานยังอยู่ในขั้นที่ยังใช้ไม่ได้ดี ท่านพระอาจารย์กงมาท่านบอกว่าเนนอยากไปหาท่านพระอาจารย์มั่นถ้าหากเนนมีภูมิจิตแค่นี้มีหวังโดนตูมเดียวพังท่านพระอาจารย์กงมาท่านหมายความว่าใครที่มีภูมิจิตอ่อนโดนท่านดุเอาก็สู้ไม่ไหวก็เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าพยายามบำเพ็ญจิตอย่างหนักตลอดมาแต่จนแล้วจนรอดข้าพเจ้า ก็ไม่ได้โอกาสที่จะขึ้นไปพบพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่จนท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่ที่บ้านเดิมของพระอาจารย์กงมาท่านจึงพาข้าพเจ้าไปพบพระอาจารย์มั่นสมใจเมื่อปีพศ .2485 เมื่อคณะสิทธิ์ทั้งหลายไปพบพระอาจารย์มั่นมากขึ้นท่านได้พาเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาถ้ำตามที่เห็นสมควรแล้ว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 เป็นหลักการที่ไม่ใคร่จะปรากฏในที่ต่างๆเพราะเหตุว่าการกระทำเช่นนี้ต้องมีความหนักแน่นหวังเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงจึงจะทำได้เพราะจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากและทุรกันดารตลอดถึงการเอาจิตใจเข้าพัวพันโอบอ้อมระวังเพื่อให้ผู้ดาเนินได้เดินไปในทางที่ถูกตลอดเวลา การและสถานที่ช่างเป็นใจอะไรเช่นนั้นเหตุคือความเจริญของท้องถิ่นแต่และแห่งในแถบนี้ยังเป็นลักษณะบ้านป่าแม้แต่ตัวอำเภอเองตลอดถึงอุปนิสัยใจคอของคนบ้านนี้ก็ยังไม่รู้วัฒนธรรมต่างชาติที่จะเข้ามาครอบครุมเกาะกลุ่มจิตใจให้ละเมอเพอพกไปจนถึงทำให้ตนหลงจากวัฒนธรรมอันดีของพุทธศาสนา จึงทำให้คณะกรรมฐานในสายของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งต้องการความสงบวิเวกปราศจากความปริพภทศได้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านเป็นอย่างดีโดยความเชื่อฟังซึ่งท่านบอกแนะนำให้มาทำบุญตักบาตรฟังธรรมในเวลาที่ควรไม่ต้องมาเฝ้าแหนรบกวนอยู่ตลอดเวลาตลอดถึงบอกให้รู้ว่าคณะนี้ต้องการความสงบ เขาทั้งหลายก็เชื่อฟังมิต้องคอยดุดาเอาในเมื่อผู้คนมารบกวนจากความสงบทั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แก่พระพิสุสามเณรที่จะเชื่อฟังโอวาทของท่านอาจารย์อย่างเต็มเปี่ยมไม่มีการบกพร่องเป็นเหตุให้ต่างได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสิทธิกับอาจารย์จะพึงได้ด้วยเหตุนี้จึงทาให้สิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นแต่ละองค์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 30.12 ตอนสั ป, ปะยะเป็นเหตุให้ได้รับผลเต็มที่ถ้าหากจะย้อนหลังจากปัจจุบันไปอีกสัก38ปีโดยหวนกลับมาระลึกถึงภาพพจน์ในอดีตอันประกอบด้วยป่าเขาลำนาไพร เพียบพร้อมไปด้วยเสียงแจกรจันและเรไรในพื้นที่อำเภอพร้าวซึ่งเราจะไม่เห็นรถยนต์เราจะไม่เห็นตึกรามบ้านเรือนอันสูงตรงานระเกะระกะเราจะไม่เห็นเสาไฟฟ้าอันกอบด้วยแสงสีสว่างประกายแวววับระยิบประยับจับหัวใจของคนในยุคที่กล่าวกันว่าสี่วัยนี้แต่จะเห็นเพียงทางเดินด้วยเท้า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 ที่แสวงหาความวิเวกทางกายและทางจิตแม้แต่เพียงเดินไปไม่กี่กิโลเมตรก็จะพบสถานที่ที่สงบสงัดแล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อเราได้ที่สงบดีจะแนะนำธรรมะต่างๆก็ดีไปด้วยเป็นเหตุให้พิจารณาได้ลึกซึง้งเทศนาได้ลึกซึง้งเพราะผู้ฟังก็สงบ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 สุขุมคัมภีรภาพไพเราะนุ่มนวลควรแก่การสดับสักเพียงใดก็ตามผลก็จะไม่ได้เต็มที่น่าเสียดายทำไมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านได้เปรียบเหมือนกับน้ำที่เต็มขันเมื่อเราเดินถือไปขยอกไปมันก็หกไปโดยเหตุนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่สงบสงัดแสดงธรรมะจึงจะประสบผล อีกประการหนึ่งเล่าผู้ฟังไม่สงบคือไม่ได้ตั้งใจจดจอ่อทำใจส่งไปในที่อื่นตลอดถึงพูดคุยกันอันนี้จะต้องเสียผลไปถึง 50% เซเพราะขาดภาชนะที่รองรับคือผู้ฟังเหมือนกับน้ำตกที่ตกลงมาจากท้องฟ้าผู้ต้องการน้ำฝนแต่รองรับน้ำฝนด้วยภาชนะรั่วแม่ฝนจะตกลงมาสักเพียงใด ก็ไม่สามารถจะขังอยู่ได้พระธรรมแม้จะดีสักเพียงใดก็ตามแต่เมื่อผู้ฟังไม่มีความตั้งใจแล้วธรรมนั้นก็ไร้ผลสำหรับผู้แสดงไม่สงบคือการแสดงธรรมะโดยจับคำภีอ่านบ้างนึกถึงธรรมะตามหัวข้อที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างอัตโนมัติเองเสียบ้างแสดงธรรมะติดตลกบ้าง แสดงทําโดยหวังเพื่อกันเทศบ้างเหล่านี้ชื่อว่าความไม่สงบของผู้แสดงผลที่ได้รับก็มีไม่ถึง 50% เซท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าความสงบจากผู้แสดงความสงบจากผู้ฟังความสงบจากสถานที่ประกอบกับผู้แสดงผู้ฟังมีความภูมิใจนั่นเองที่จะได้รับผลเต็มที่นี่เป็นความจริงซึ่ง ข้าพเจ้าและสหธรรมิกพร้อมกับครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าได้รับผลมาแล้วในอดีต สามสิบจุดสิบสามตอนจำพรรษากับชาวเขาเผ่ามูเซออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า เมื่อคณะสิทธากันมาหามากขึ้นทั้งเก่าและใหม่ท่านอบรมธรรมะอันเป็นภายในที่มีความสำคัญตามสมควรแล้วท่านก็แยกย้ายกันไปสแสวงหาสถานที่วิเวกตามอัจฉริยยส่วนตัวของท่านก็เลือกเอายอดเขาที่พวกชาวเขาเผามูเซอร์อันเป็นยอดเขาลูกหนึ่งที่สูงมากในอำเภอแม่สายแห่งนี้และมีหมู่บ้านประมาณสิบครอบครัว อากาศบนยอดเขานี้หนาวตลอดปีบ้านของชาวเขาที่พวกเขาอยู่กันได้สร้างขึ้น้วยไม้และมุงหญ้าทำไม้เป็นแผ่นมีทั้งกระพี้และเปลือกทากเป็นกระดานล้อมรอบบ้านทุกๆหลังแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ให้อยู่ในบ้านหมดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอากาศหนาวจัดและมีกลิ่นสาบน่าดูถึงฉะนั้นพวกเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะความเคยชินนั่นเอง ท่านเล่าว่าพวกชาวเขาเหล่านี้รูปร่างก็ไม่เลวแต่หนักไปในทางเป็นคนจีนอยู่ไม่น้อยท่านปรารพบว่าการอยู่ในที่วิเวกเป็นเหตุให้มีจิตใจไม่คิดถึงโลกภายนอกซึ่งมีแต่ความนึกคิดนี้หดตัวเข้ายิ่งนานวันก็ยิ่งมีแต่ความมักน้อยในการนึกคิดมากเข้านี่เป็นธรรมชาติช่วยให้เกิดประโยชน์ทางใจ เมื่อคณะสิทธิ์มามากท่านก็ให้อุบายซึ่งเป็นประโยชน์ของการดำเนินจิตและการที่จะสั่งสอนชุมนุมชนความรอบรู้นั้นเกิดจากความวิเวกมีประสิทธิภาพมากมากกว่าการใช้การประชุมในงานที่มีแต่โลกภายนอกเข้าป่าปนซึ่งจะมีแต่ภายนอกแม้จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันกับผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แต่เป็นเพียงสัญญาและตาภายนอกจึงเป็นเรื่องของความสมมุติทั้งเป็นไปเพื่อพักพวกและชิติมานะแต่ก็มีประโยชน์อยู่ตามสมควรเท่าที่จะสมมุติให้ได้ส่วนการประชุมในที่วิเวกและแสวงหาประโยชน์จากการประชุมโดยการไปสถานที่วิเวกนี่แหละเป็นทางพระนิพพานเพื่อความไม่เกี่ยวข้องกังบลเป็นไปโดยเสียสละ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 มองดูเขียวชะอุ่มเหมือนช่างภาพมาระบายสีเมื่ออยู่บนภูเขารูปนี้เมฆสีขาวเหมือนปุยฝ้ายยังถูกล้มพัดผ่านไปต่ำกว่าสถานที่อยู่เสอีกต้นสนที่พวกเขาใช้เอามาทำฟืนจุดไฟแทนขี้ใต้มีมากขึ้นเต็มลูกภูเขาวพวกช น, นีลิงข้านมีมากซึ่งมันเองก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่แถวนี้ ต่างก็พากันมาหากินเป็นหมุหมๆไต่เต้นตามต้นไม้จากต้นไม้นี้ไปต้นไม้นูนส่งเสียงเจียวจาวไปตามภาษาของมันแต่เมื่อพวกมันมาถึงกรดของท่านพระอาจารย์มันก็งงไปเพราะไม่เคยเห็นและพวกมันยิ่งส่งเสียงอึกทึกบางตัวทำชำเลืองมองยกมือป้องหน้าเพ่งดูพวกแกละพวกเราที่ผ่านเข้ามาทางนั้น อันเสียงสัตว์เหล่านี้แม้จะดังพอสมควรเพราะมากตัวแต่ก็ยังเป็นเสียงวิเวกวังเวงอยู่นั่นเองมันไม่เหมือนกับเสียงคนทะเลาะกันหรือเสียงคนเอะอะหรือเสียงรถเสียงเรือบินเรือหะเพราะเสียงเหล่านี้ไม่ได้ให้เกิดวิเวกวังเวงเลยมันทําให้เกิดความไม่สงบกระทบกระเทือนสมาธิของผู้บําเพ็ญตะบะธรรมตกเย็นถึงพลบค่า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 ผู้มีจิตใจไม่แก่กล้าจริงๆแล้วจะต้องให้คิดถึงบ้านแทบอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวแต่สำหรับผู้เที่ยวทุดงหวังเพื่อความสงบแล้วก็ทำให้เพิ่มพลังให้เกิดความสงบยิ่งๆขึ้นไปผู้ฟังคงแปลกใจว่าทำไมปีพศ2479นี้ท่านถึงพูดเรื่องป่าเขามากนั้นเนื่องจากท่านได้เล่าเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบ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 แล้วมันก็ไม่เป็นภัยต่อความสงบของผู้ตการความสงบแต่อย่างใดเลยเนื่องจากไม่มีเสียงอื่นเข้ามาปะปนเพราะสัตว์พวกต่างๆคงจะนอนหลับกันหมดแล้วเสียงขันของไก่จึงทาให้ได้ยินชัดเจนมากอันที่จริงแล้วมันก็ไม่น่าจะขันให้ดังมากเช่นนี้เพราะเสียงของมันอาจเป็นภัยแก่มันเองเมื่อมนุษย์รู้ว่าพวกมันอยู่ตรงไหนก็จะตามเสียงของมัน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 เพื่อให้ได้ศึกษาหรือหาความเย็นใจหรือเพื่อให้ท่านสมณะทั้งหลายอาศัยธรรมชาติหาหนทางให้ถึงซึ่งพระนิพพานหรือมิฉนั้นก็เพื่อที่จะให้สมณะทั้งหลายเที่ยวแสวงหาความสงบตามภาวะของท่านของท่านก็จะได้ธรรมเทศนาหรือธรรมะอันวิจิตลึกซึ้งซึ่งเกิดจากธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็นำมาบรรยายเป็นพระธรรมเทศนา แนะนำประชาชนให้เดินทางถูกต้องตามคันลองครองธรรมเพื่อจะมีประชาชนผู้เป็นชาวพุทธไม่ต้องพากันงมงายในสิ่งต่างๆอันเป็นทางนําไปสู่มิจฉาทิฏฐิให้น้อยลงโดยอาศัยชาวเราช่วยกันรักษาซึ่งธรรมชาติป่าไม้ทั้งสิงสาราสัตว์ไว้คืนวันที่ล่วงไปในป่าใหญ่ที่มีทั้งเหวระหานลําธารน้ํา ยังความวิเวกลึกซึ้งแก่ท่านพระอาจารย์มั่นและสิทธิผู้หวังพ้นทุกอย่างยิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาการยิ่งนักแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในท่ามกลางขุนเขาลำเนาไพรซึ่งจะมีหลายจำพวกเสียงที่ทำให้แว่วบาบในหัวใจของผู้ที่มีตบะอ่อนนั้นก็คือเสียงตัวใหญ่เช่นเสือโคร่งเสือเหลืองช้าง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 เนื่องจากมันเป็นเสียงไม่ไพเราะสนอสดเลยซึ่งเรื่องมันแสดงให้เห็นถึงความตายในเมื่อมันส่งเสียงออกมาแล้วในใจของผู้ได้ยินก็จะต้องนึกถึงตัวของมันว่าอยู่ที่ไหนนึกอยู่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลถ้าอยู่ใกล้ก็จะต้องมีการระวังตัวจิตใจในขณะนี้ได้ยินเสียงคำรามของเสือช้างนั้นหดตัวลงอย่างน่าประหลาดใจทีเดียว แต่มันก็หาฟังยากเหมือนกันเพราะสัตว์พวกนี้จะไม่อยู่เกลื่อนกราดมากมายเหมือนสัตว์เหล่าอื่นจึงต้องมีตามภูเขาในป่าใหญ่ไกลคนจริงๆจึงจะได้ยินเสียงเราจะพยายามตามเข้าไปอยู่ในดงอย่างนั้นหรือหาไม่ได้เราเข้าไปในป่าใหญ่ต้องการวิเวกแต่เพอเอิญเสือมันก็ชอบจะอยู่ในป่าใหญ่ที่ไกลจากคนเหมือนกัน การทุดงนี้ท่านพระอาจารย์มั่นและสิทธิ์ถือเป็นกิจวัตรที่จะต้องทําเป็นประจำเพราะถือไม่ให้อยู่ที่เดียวเป็นจําเจเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆก็จะทําให้ไม่ต้องเป็นปริพโอดกังวลโดยการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเป็นการแสวงหาธรรมะสมควรแก่ธรรมธรรมนั้นก็อยู่ในตัวเรานี่เองทําไมจึงจะต้องไปเที่ยวหาอยู่ป่าเขาทําไมใช่แล้ว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 ก็ต้องบันทอนทางกายให้มากๆเช่นการออกบวชก็ตัดไปส่วนหนึ่งออกบวชแล้วบำเพ็ญสมาธิก็ตัดเข้าไปอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่แต่บวชยังต้องออกไปธุดงฉันหนเดียวก็ตัดเข้าไปอีกเปร่าหนึ่งเมื่อทุดงก็เดินเข้าไปในป่าใหญ่ไม่มีอะไรติดตัวนอกจากกรดมุ้งบาดเท่านั้นที่เป็นบริขารของนักบวชก็ตัดเข้าไปอีก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 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟัง 30.14 ตอนจำพรรษาที Savior, Monate, um, anza, ่พระธาตุจอมแจ้งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2480การบำเพ็ญประโยชน์แก่พวกอยู่ในป่าดงอันเป็นถิ่นที่แสนจะกันดานและต่างภาษานั้นยากนักในสมัยนั้น การไปไหนแต่ละแห่งต้องใช้การเดินใช้เวลาหลา ย, ลายวันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็การอยู่กับพวกชาวเขาเผ่าหนึ่งคือมูเซอร์ท่านก็ได้อาศัยพวกเหล่านี้อยู่จำพรรษาท่านเล่าว่าก็อัศจรรย์พวกนี้อยู่อย่างหนึ่งคือมีพวกมิชชันนารีที่เป็นบาทหลวงขึ้นไปแนะนำให้เขานับถือคริสตังคริสเตียนมีหลายพวกหลายครั้ง ที่พวกบาทหลวงเหล่านั้นไปสอนทั้งแจกสิ่งของมากมายแต่พวกนี้ก็ไม่ยอมจะเข้าศาสนากับพวกนั้นเลยครั้นเมื่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปอยู่พวกนี้จะทําบุญด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะพวกนี้นับถือพูดผีปีศาจอยู่แล้วยังแล้วก็ตามพวกชาวเขานี้ จำนวนมากทั้งเชียงรายเชียงใหม่คณะของท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปช่วยแนะนำสั่งสอนพระพุทธศาสนาไวเป็นพื้นฐานมากทีเดียวจึงเป็นนิสัยติดต่อมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นการปูพื้นฐานการนับถือพระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาเผ่าต่างๆไว้แล้วตามสมควรซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใครสนใจชาวเขากันเลย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 เพียงแต่เห็นว่าเป็นสภาพที่สงบสงัดสมควรแก่การที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้และสมควรที่สิษิ์ติดตามจะได้ใช้สถานที่เหล่านี้บำเพ็ญกรรมฐานได้ดีเท่านั้นแต่ท่านได้ให้ความเห็นแก่ข้าพเจ้าในการที่วดรงนี้ว่ามันเป็นการดีอย่างหนึ่งคือเป็นที่น่ากลัวแก่บุคคลผู้ยังมีกําลังใจอ่อนเพราะวัดนั้นได้ชื่อว่าต้องมีคนตาย ที่ต้องมาอาศัยฝังบ้างเผาบ้างโดยเฉพาะสมพานก็ต้องทำกันเอิกกระเพิสดารทั้งเชื่อว่าวิญญาณเมื่อเข้าใจเอาว่าเป็นผีมันต้องอาศัยอยู่ที่วัดรางเหล่านี้มีมากกว่าแห่งอื่นๆดังนั้นจึงเกิดความหวาดเสียวที่เป็นนิสัยของคนไทยทำให้นึกว่าวัดรางนั้นน่ากลัวมาก จึงเป็นเหตุให้เป็นผลดีแก่นักปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งทำให้จิตใจของบุคคลผู้เข้ามาอยู่วัดร้างบังเกิดความหวาดเสียวตามนิสัยแห่งความเชื่อถือและเป็นผลทำให้เกิดความสงบเงียบขึ้นในใจได้เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าโดยส่วนมากท่านพระอาจารย์มั่นไม่ใครจะจำพรรษาแห่งเดียวหลายปีจะมีมากอยู่ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเท่านั้นเพราะระยะนั้น ท่านก็ชราภาพลงมากการที่ท่านต้องเปลี่ยนที่อยู่เสมอนั้นท่านมีความประสงค์อยู่สองประการคือ 1. ท่านต้องการไม่ให้เป็นการติดถิ่น 2. ท่านต้องการฝึกฝนลูกศิษย์ที่เป็นพระพิสุสมนเนนเพราะท่านได้กล่าวอยู่เสมอว่าพระเนนมีความสำคัญมากในเมื่อมีเหตุอันหนึ่งอันใดเกี่ยวกับพระเนนท่านจะให้ความสาคัญหรือถือว่า เป็นกรณีพิเศษไว้เสมอเกี่ยวกับการเอาอกเอาใจท่านถือเอาพระเนเนเป็นหลักก่อนเสมอตามที่ข้าพเจ้าได้ติดตามท่านอยู่ระยะหนึ่งนั้นก็ทราบเรื่องนี้ดีซึ่งท่านได้แย้มให้ข้าพเจ้าฟังเสมอๆว่าการฝึกฝนพระให้ได้รับประโยชน์องค์เดียวเท่ากับได้โยมเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะว่าพระนี้เมื่อได้รับการฝึกหัดจนเป็นอาจารย์ได้แล้ว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 รู้สึกว่าเกือบทั่วประเทศไทยที่เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านเหล่านั้นได้เดินทางไปประกาศสัจธรรมนี่ก็เป็นผลงานของท่านพระอาจารย์มั่นที่ควรจะได้เป็นตัวอย่างทั้งเตือนสติให้ระลึกถึงว่าผู้เป็นพระอาจารย์ทั้งหลายควรจะกลับมาให้ความสำคัญแก่พระพุสมมเนรมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเพราะบางทีพระอาจารย์บางองค์ก็เข้าใจว่าเมื่อมีโยมมากขึ้น นับถือมาหามากๆเข้าก็เข้าใจว่าเป็นการดีเป็นเรื่องของคุณธรรมที่สูงจึงมีคนเลื่อมใสามากประชาชนเข้าจึงมาหามากอะไรทำนองนี้เกิดความเข้าใจผิดในตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าไม่เกิดความสำคัญผิดในพระพิสุสั ม, มนเณีอันควรจะได้ใช้เวลาฝึกฝนผู้ซึ่งควรเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ในระยะนี้ต่างก็เป็นที่ทราบถึงเกียรติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้นตามลําดับในหมู่ของพระพิสุสมัมเณีจึงได้พยายามที่จะติดตามท่านเพื่ออยากเห็นและอยากฟังเทศท่านบ้างหรืออยากอยู่ปฏิบัติอยู่กับท่านโดยเฉพาะในหมู่พระพิสุสัมเณีมีมากพอสมควรมีบางองค์ก็ได้ยอมเสียสละส่วนอื่นๆ น, น้อมตนเข้าปฏิบัติธรรมกันจึงปรากฏว่า มีการเดินทุดงซึ่งหมายความว่าไปหาสถานที่วิเวกไม่ใช่ไปแสวงหาความขลังอย่างอื่นเพราะปรากฏว่ามีการทุดงเพื่อแสวงหาอะไรไม่ทราบที่แฝงอยู่เบื้องหลังหวังจะเอาการแบกกรดห่มผ้าดำนำพรรคพวกจำนวนมากหาทางให้มันดังจนเป็นข่าวถึงกับทางราชการออกประกาศห้ามปักกรดที่โน้นที่นี้ที่เป็นเรื่องไม่ใคร่จะถูกต้อง การรวมตัวของสิทธิ์มากขึ้นทำให้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านใครครวรพิจารณาถึงความเป็นไปต่างๆของคนภาคเหนือซึ่งระยะ12ปีนี้เป็นการศึกษาถึงนิสัยใจคอตลอดถึงอุปนิสัยวาสนาได้เป็นอย่างดีท่านได้เคยพูดกับข้าพเจ้าอยู่เสมอว่าคนเมืองเหนือนี้ใจอ่อนศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ดีแต่การที่จะยอมเสียสละ บวชอุทิศตนต่อการปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นมีน้อยมาก12ปีของการอยู่ภาคเหนือยังไม่เห็นใครมาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังสักองค์เลยซึ่งตรงกันข้ามกับคนภาคอีสานยังมีคนมาบวชแล้วตั้งใจเด็ดเดี่ยวมีอยู่อีกมากจนถึงมีศรัทธาความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของการปฏิบัติแม้จะได้เรียนจากเรา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 ที่มีความรู้พอสมควรเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อหาทางฝึกปรือชาวบ้านให้เข้าใจถึงความจริงในการปฏิบัติธรรมตลอดถึงสาระที่พึงอันสมควรทั้งเหตุผลของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้มาแก้ความงมงายต่างๆที่พากันเชื่อผิดๆและการนี้ก็ได้ผลคือําให้เกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นมาก เนื่องจากตามชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญขาดผู้ที่มีความรู้ชี้แจงแนะนําก็จําต้องยอมเพื่อบางสิ่งบางอย่างอันอาจจะทําให้เขาสําเร็จผลงานที่ตั้งใจไว้อันความจริงความสําเร็จผลงานนั้นมันก็จะสําเร็จอยู่แล้วแต่เพ อ, เอิญประจบกับที่เขาบูชาเส้นสวงในสิ่งที่เขาบูชาเชื่อถือพอดีจึงทําให้เกิดความเชื่อขึ้นซึ่งเป็นการแก้ยากมาก แต่เมื่อเขาได้รับรถพระธรรมพร้อมทั้งการปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญจิตให้สนุกบังเกิดผลอันเป็นภายในเข้าแล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองครั้นแล้วเราก็แนะนำธรรมะต่างๆเพิ่มเติมก็จะบังเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดผลในการเผยแพร่ธรรมได้เป็นอย่างดีการไปทาความเพียนกรรมฐานตามที่ต่างๆก็ดี การออกไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆนั้นก็ดีท่านจะมีเวลานัดให้ไปรวมกันเมื่อถึงเวลาคือหากได้ไปทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพอสมควรแล้วในระยะเป็นเดือนจะนัดไปประชุมกันที่แห่งใดแห่งหนึ่งพระเถรานุเถระที่เป็นสิทธิ์ของท่านที่ไปทำงานนั้นๆมาแล้วก็จะมาเล่าความเป็นไปหรือสิ่งที่ประสบมา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 แต่ก็พยายามที่จะแสวงหาสถานที่สงบเป็นสำคัญเพราะในขณะที่จะฟื้นฟูการปฏิบัติทำให้หนาแน่นยิ่งขึ้นและการแก้ไขสิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปเพื่อความงมงายทั้งฝ่ายคารวาสและบรรพชิต 30.15 จตอนจำพรรษาวัดเจดีหลวงและธรรมนิมิตเกิดขึ้นระหว่างจำพรรษาที่แม่คอยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2481ถึง2 4 8พร ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเรามาอยู่เชียงใหม่โดยเฉพาะได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในป่าเป็นส่วนมากเพราะมีที่ควรแก่การวิเวกมากผลจากการพิจารณาถึงความเสื่อมความเจริญของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติทางกรรมฐานก็ปรากฏชัดแก่ท่านเป็นอันมากครั้งหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในอรัญยวิเวกธรรมนิมิตได้ปรากฏแก่ท่านว่า เราได้เดินไปตามทางซึ่งทางนั้นโล่งเตียนสะอาดขณะที่เราเดินไปนั้นปรากฏว่ามีพระพิสุสั ม, มนเณรเดินตามท่านมาเป็นอันมากดูเป็นแถวยาวเหยียดเมื่อเดินไปและเดินไปก็ปรากฏต่อไปว่าพระพิสุสั ม, มนเณรเหล่านั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่และผู้น้อยต่างก็เดินไปคนละทางบางก็แยกไปทางซ้าย บ้างก็แยกไปทางขวาบ้างก็ล้ำหน้าเดินไปอย่างไม่เกรงใจดูครุกคลานไปข้าพเจ้าเกิดความสนใจในธรรมนิมิตนี้มากจึงได้ถามท่านว่าธรรมนิมิตนี้หมายถึงอะไรท่านตอบว่าก็พิจารณาเอาเองสิข้าพเจ้าได้ถามท่านต่อไปว่ากระผมเองไม่สามารถจะเข้าใจได้ลึกซึ้งและการตีความหมายอาจจะไม่ตรงจุดสาคัญ จึงขอให้ท่านพระอาจารย์จงได้กรุณาแก้ไขปัญหานี้ให้กระผมด้วยเมื่อท่านได้ถูกข้าพเจ้ารบเรา้าขอให้อธิบายธรรมนิมิตนี้แล้วท่านจึงเริ่มที่จะอธิบายว่าในการต่อไปข้างหน้านี้จะมีผู้นิยมการทำกรรมฐานภาวนามากขึ้นกลับจะมีการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนากันมาก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 นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้วิเศษแต่การดำเนินของเรานั้นได้ทำไปโดยความบริสุทธิ์ใจมุ่งเพื่อความหลุดพ้นและพ้นทุกข์โดยปฏิปทานี้ก็ทำให้ได้ผลทั้งตนเองและศิษยานุศิษย์ตลอดมาการต่างคนต่างตั้งตนเป็นอาจารย์นั้นย่อมทำให้เสียผลเพราะทำให้เกิดความลังเลแก่ผู้เข้ามาเรียนกรรมฐานภาวนาว่า จะถืออาวัจารย์ไหนจึงจะถูกนี่คือการแก้ธรรมนิมิตที่พระอาจารย์มั่นท่านแสดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล่วงการผ่านวัยมาถึงบัดนี้ก็ได้38มพรรษาแล้วนับแต่บวชมาก็พิจารณาตามธรรมนิมิตของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นก็เข้าเขาขึ้นมากทีเดียวในปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้าบวชเป็นสามเณรอายุ1 6บ7ปีนั้น จำความได้ว่ายังไม่มีการนิยมเรียนและสอนกรรมฐานภาวนากันเท่าไรเลยหาคนจะมาสนใจเรียนสมาธิก็แสนยากแม้อาจารย์จะสอนเป็นล่าเป็นสันก็แสนยากจะมีก็แต่ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นนี้เท่านั้นที่ออกธุดงและถือโอกาสแนะนำสั่งสอนประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิภาวนาตัวข้าพเจ้าเองก็ได้รับการฝึกอบรมสมาธิภาวนา กับสิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นเช่นกันท่านโูนั้นคือท่านพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญในขณะนั้นข้าพเจ้าอายุเพียง1 3าปีเท่านั้นได้รู้สึกว่ามีสิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นเช่นกับพระอาจารย์กงมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของข้าพเจ้าจำนวนหลายองค์ที่ท่านได้กรุณาออกแนะนำสั่งสอนประชาชนในเรื่องของกรรมฐานภาวนาและก็ได้ผลมาก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 และกระจายกันทั่วไปจนปรากฏเป็นวัดป่าอันเป็นแหล่งของการทำกรรมฐานทั้งพระพิษุสัมเนินและอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าคิดว่านี้เองเป็นต้นเหตุของการเกิดขึ้นซึ่งพระอาจารย์กรรมฐานเพราะมาคิดว่าเป็นการที่ถูกต้องแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญกรรมฐานจนได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกก็เช่นกัน และผู้ต้องการสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องทำกรรมฐานและทรงตรัสสนเสริญผู้ทากรรมฐานจึงเป็นการถูกต้องที่ผู้บวชเข้ามาแล้วจะต้องทำเช่นนี้ทรงตาหนิผู้ที่ไม่ทำกรรมฐานว่าเป็นเพียงลูกจ้างเฝ้าพระาศาสนา ตอนพระอาจารย์เทศอารัธนาพระอาจารย์มั่นกลับอีสาน ja. การปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาที่เจริญขึ้นในประเทศไทยจะด้วยเหตุใดก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นการดีมากเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนามากถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติผิดนอกครีดนอกรอยไป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 แต่จะอย่างไรก็ตามพุทธบริษัทก็คงจะมีปัญญาพิจารณาโดยตนเองแล้วก็ใช้โยนิโสไคร่ครวนก็อาจจะรู้ความผิดด้วยตนเองไม่ยากนักในระยะนี้พระอาจารย์เทศได้อาศัยอยู่กับท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลากับได้พยายามที่จะอาราธนาให้ท่านกลับทางภาคอีสานเพื่อจะได้แนะนำธรรมปฏิบัติแก่คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นสิทธิของท่านจำนวนมากที่ไม่สามารถจะตามมาหาท่านที่เชียงใหม่นี้ได้ท่านพระอาจารย์เทศได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆเป็นต้นว่านับแต่ท่านพระอาจารย์ได้มาอยู่ที่ภาคเหนือถึงเป็นสิบสิบปียังไม่ปรากฏว่ามีนักบวชชาวเหนือสนใจและตั้งใจปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างจริงจังแม้แต่องค์เดียวมีแต่ท่านพระอาจารย์ปฏิบัติได้รับความวิเวกเฉพาะองค์เท่านั้น และบัดนี้ก็เป็นเวลานานสมควรแล้วที่ท่านพระอาจารย์ได้รับผลทางใจซึ่งควรที่จะกรุณาแก่นักปฏิบัติที่กำลังเอาจริงเอาจังอยู่ทางภาคอีสานกระผมเองก็ยังคิดถึงหมู่คณะที่ควรจะได้รับอุบายการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์และคิดว่าจะเป็นประโยชน์จริงเมื่อท่านได้รับการแนะนาอารัธนาของท่านพระอาจารย์เทศอย่างนี้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 และแน่ใจพอสมควรแล้วท่านก็มีจดหมายไปถึงท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลกจเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของท่านพระอาจารย์เทศก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งออกพรรษาของปีพศ .2482 ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็ขึ้นไปเชียงใหม่ด้วยตนเองโดยไปพักอยู่ที่วัดเจดีหลวง มีความกระหายที่จะได้พบพระจารมัน่นทั้งฝ่ายพระจารมัน่นเมื่อทราบว่าสิทธิ์คนโปรดคือท่านเจ้าคุณธรรมเจดีมาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนี้แต่ครั้งเป็นสา ม, มเณรได้มาอาศัยอยู่กับท่านพระจารย์มัน่นที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระจารย์มัน่นท่านเล่าว่าเป็นสา ม, มเณรโครงคือเป็นเนนใหญ่ได้ทําการปลูกมะพร้าวเป็นอันมากให้แก่วัดนี้ และเป็นสามเณรที่ว่านอนสอนง่ายท่านพระอาจารย์มั่นก็ลงจากดอยเดินทางมาพบกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีที่วัดเจดีหลวงท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็เข้าไปกราบอาราธนาให้เดินทางกลับอีสานท่านก็รับที่จะเดินทางไปตามประสงค์เป็นอันว่า12ปีของการอยู่ภาคเหนือของท่านพระอาจารย์มั่นผู้ริทธะเทระโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็เป็นอันสิ้นสุดลง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 32. ตอนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทธะเทระกลับภาคอีสานการเดินทางกลับภาคอีสานของท่านพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจัดบริขารแปดของพระธุดงค์พึงมีเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จท่านเจ้าคุณธรรมใจดีได้ล่วงหน้ากลับมาก่อนแล้ว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 คือไม่เลือกการไม่เลือกเวลาสามารถจะประเพณจิตได้ในทุกสถานในการทุกเมื่อปีนี้เมื่อท่านมาถึงกรุงเทพได้พักอยู่ที่วัดบรมนิวาสเป็นการชั่วคราวและผู้ที่ขอร้องให้ไปอยู่เชียงใหม่คือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโทจเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสก็ได้มรณภาพไปแล้ว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 ไม่มีตำราจะหาธรรมะที่ถูกต้องได้อย่างไรท่านพระอาจารย์มั่นตอบโดยไม่ต้องคิดว่าธรรมะนั้นมีอยู่ทุกย่อมย่าสำหรับผู้มีปัญญาสมเด็จได้อุทานขึ้นมาว่าจริงๆและขอให้ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายต่อไปว่าที่ว่าธรรมะมีทุกย่อมย่าสำหรับผู้มีปัญญานั้นหมายความว่าอย่างไรท่านได้อธิบายว่า จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองอะไรก็เป็นนิยานิกะธรรมทั้งสิ้นส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงไม่เกิดแม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไปส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎก แต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดพระไตรปิฎกได้ยกตัวอย่างเช่นสังกษษษษษษษษิจจะสำเนนไปบินทบาตเห็นเขาไถนาเห็นเขาไขาน้ำนำเอามาเป็นอุบายจนเกิดปัญญาแล้วท่านก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เพราะเหตุที่ท่านได้นำเอาดินที่ชาวนากำลังไถนาเป็นอุบายว่าดินไม่มีใจทำไมเขาจึงนาเอาไปตามประสงค์ได้ น้ำไม่มีใจทำไมเขาจึงทำเอาตามประสงได้เรามีใจทำไมไม่ทำใจให้เป็นไปตามประสงเพราะเหตุนั้นธรรมะจึงมีอยู่ทุกย่อมญ้ามิใช่หรือเป็นนั้นว่าท่านมาอยู่วัดบ ร, รมนิวาสชั่วขณะหนึ่งก็ยังได้ทำประโยชน์แนะนำรรมาปฏิบัติแก่พระพิสุสัมเนนอุบาสกอุบาสิกาตามสมควรแล้วท่านก็เดินทางต่อไป และได้แวะจังหวัดนครราชสีมาพักอยู่วัดป่าสารวันขณะนั้นพระอาจารย์สิงห์เป็นเจ้าอาวาสอยู่และพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมก็เป็นสิทธิขั้นพระเถระเป็นสิทธิรุ่นแรกของท่านเมื่อพระอาจารย์มั่นมาเยี่ยมคราวนั้นมีความดีใจมากกับทั้งพระเถระอื่นๆทั้งท่านพระอาจารยาา์อ่อนญาณัชลิพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเป็นต้นก็ยังอยู่ที่นั้น เป็นโอกาสที่ท่านจะได้แสดงธรรมะอันเป็นส่วนของการแก้ไขจิตทั้งพระเทระทั้งหลายก็สนใจที่จะฟังเพื่อการดําเนินปฏิปทาอันถูกต้องขณะนั้นข้าพเจ้ายังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่วัดสารวัตรชั่วระยะหนึ่งแล้วและได้สถิตรมส่วนลึกอันเป็นธรรมะสําคัญไว้เพื่อเป็นการให้ความคิดของท่าน แกพระเถระทั้งหลายจนมีความคิดว่าจะต้องติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปขณะนั้นท่านพระเถระทั้งหลายก็ยังต้องอยู่เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนไปพรางก่อนแต่ปรากฏว่าบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายในการต่อไปได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นมาเป็นส่วนมากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีได้จัดเสนาสะนะถวายท่านพระอาจารย์มั่น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 ที่ได้กล่าวว่าท่านได้เปิดตัวเองนั้นก็คือท่านจำพรรษาอยู่ใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้พระพิสุสั ม, มนเนนทั้งหลายเข้าศึกษาและปฏิบัติอยู่กับท่านได้และท่านก็อบรมและให้อวาดแนะนําแก้ไขปฏิบัติต่างๆทั้งภายในและภายนอกให้อย่างไม่อั้นเป็นเหตุให้พระพิสุสั ม, มนเนนผู้สนใจในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคล น, นี้อย่างรวดเร็วพระเล็กเนนน้อยพระเทรานุเถระจึงหลั่งไหลกันเข้ามามอบตัวเป็นศิษย์เป็นอันมากแม้ข้าพเจ้าได้สดับข่าวอันเป็นมงคล น, นี้เช่นกันมีความกระตือรือร้นอยากที่จะมาหาท่านให้จงได้แต่พระอาจารย์กงมาผู้เป็นพระอาจารย์ของข้าพเจ้ายังไม่ให้โอกาสเพราะขณะนั้น ท่านยังสร้างวัดทรายงามบ้านหนองบัวจังหวัดจันทบุรีอยู่ท่านก็บอกว่าจะพาไปข้าพเจ้าก็พยายามทําความเพียรอย่างอุกฤษไม่หลับไม่นอนตลอดเวลาหลายเดือนเพื่อเร่งความเพียรหวังเพื่อจะได้ศึกษาต่อกับพระอาจารย์มั่นจนเมื่อพศ2484ข้าพเจ้าก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิสุและก็ได้ทําการรบเร้าพระอาจารย์คงมา เพื่อให้นำไปหาพระอาจารย์มั่นให้ได้ปีนี้ออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์คงมาก็ได้พาข้าพเจ้าเดินทุดงจากจังหวัดจันทบุรีผ่านพระตะบองจังหวัดมงคลบุรีศรีสุพลตัดขึ้นไปอรั ญ, ญประเทศและข้ามภูเขาไปที่ถ้มบัวแดงผ่านอำเภอกระโทอกเข้าจังหวัดนครราชสีมาต่อไปถึงจังหวัดขอนแก่นอุดร แล้วก็ตรงไปยังจังหวัดสกลนครพบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระอาจารย์กงมาผู้เป็นพระอาจารย์ของข้าพเจ้า 32.1 ตอนจำพรรษาที่วัดป่าโนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพุทธศกราช2483ถึง2485 พระอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงการมาอยู่ที่วัดป่าโนโนิเวศอุดรธานีว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจุมพันธุโลมีความประสงค์จะอยู่ใกล้ชิดเพื่อขอการแนะนำในทางจิตอันที่จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเพื่อความอบอุ่นของคณะเพราะเวลานั้นความมั่นคงของคณะไม่ค่อยจะดีพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานได้ไปอยู่คนละทิศละทาง การกระทบเพื่อความมั่นคงของคณะมีมากและกำลังพระพิสุสัมเนนมีน้อยที่เป็นชนีพระขาดหลักที่ยึดถือหมายถึงพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแกนกลางเจ้าจคุณธรรมไปใจดีเองท่านเป็นเจ้าคณะเป็นพระผู้ใหญ่ก็จริงแต่ยังไม่สามารถจะรวมกำลังของพระพิสุสัมเ น, นินที่เป็นพระปฏิบัติได้หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ความร่อยหรอของพระพิสุสัมเณี น, นก็จะมีมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นความอ่อนแอของคณะได้ดังนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงได้สลับเวลาถึงสปีในการอยู่ที่วัดโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมาอยู่ที่นี่แล้วพระเถรานุเถระทั้งหลายจํานวนมากเมื่อทราบข่าวต่างพากันมาเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ เป็นเหตุให้เกิดพลังคณะสงฆ์ขึ้นเพราะท่านพระเถรานุเถระเหล่านี้เป็นที่เลื่อมใสของอุบาสกอุบาสิกาพระพิษุสมเณนเป็นอันมากเมื่อพระเถรานุเถระมารวมกันมากท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ให้แยกย้ายกันออกไปอยู่แห่งละหองค์สิบองค์ถึงเวลาอันควรพระเถรานุเถระเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ศึกษาธรรมปฏิบัติเป็นครั้งคราว และก็ได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งทางด้านจิตใจและปฏิบัติจนเป็นต้นเหตุให้เกิดวัดป่าขึ้นอีกนับโดยร้อยวัดวัดป่าคือสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านพระเถรานุเถระที่มาศึกษาธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นนั่นเองฉะนั้นการมาอยู่ของท่านพระอาจารย์มั่นสามปีที่จังหวัดอุดรธานีนี้จึงถือว่าเป็นการฟื้นฟูคณะธรรมยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่ จังหวัดอุดรธานีจนถึงจังหวัดหนองคายนครพนมเป็นต้นความเป็นพลังคณะสงฆ์ปรากฏเด่นชัดขึ้นตามลำดับจนถึงกับพระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นต้องมารับหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นเจ้าคณะเราอัดกล่าวได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานกำลังพระธรรมยุทธ์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย รับข้อปฏิบัติอันเป็นปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มัน่นแม้จะเข้ามาบริหารหมู่คณะเป็นป่ายปกครองได้รับการเชื่อถือจากมหาชนอย่างมากประโยชน์อันจะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงแก่คณะ น, นี้เองที่ทําให้ท่านพระอาจารย์มัน่นได้กลับจากเชียงใหม่ตามคําอาราธนาของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโล ทั้งนี้ก็ต้องระลึกถึงพระคุณของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลที่ท่านมีสายตาอันยาวไกลเพื่อหมู่คณะไม่ใช่เพียงเพื่อตัวของท่านเองด้วยความพยายามอย่างยิ่งเป็นเวลาหลายปีกว่าจะอารัธนาท่านพระอาจารย์มั่นกลับภาคอีสานได้ลบไม่สูญคือความดีงามและความเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมความประเสริฐเลิดยิ่งแห่งความบริสุทธิ์ใจ แกมูคณะธรรมยุทธภาคอีสานที่จะต้องจารึกไว้นี่เองคือคำว่าลบไม่ศูนย์ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลก 32.2 สองตอนเสนาชนะบ้านโคกตําบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนอครพุทธศักราช2485น่หณสถานที่นี้ ที่ข้าพเจ้าได้อยู่จำพรรสาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นพรรษาแรกเป็นความดีใจของข้าพเจ้าอย่างยิ่งเพราะเป็นความหวังความตั้งใจอันสูงส่งบรรลุความประสงค์เป็นความดีใจเช่นกับนักเรียนสอบเข้าเ็นทรานส์มหาวิทยาลัยได้ซึ่งเขาก็มีหวังเป็นบัณฑิตแน่นอนเช่นกับข้าพเจ้าได้เข้ามาอยู่กับท่านปรมาจารย์ชั้นสูงสุด ในพรรษานี้ตามที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้แสดงธรรมะอย่างสม่ำเสมอแก่ศิษย์ผู้เข้ามาอยู่ในสำนักนี้เนื้อหาธรรมะนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งเพราะเป็นธรรมะจากจิตใจสรรหาออกมาเป็นคำพูดและถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาซาบซึ้งแก่ผู้ฟังยังลึกลงสู่ผวังแห่งจิต ขจัดความสงสัยนานับประการแก่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านที่ได้รับรถพระธรรมของท่านต่างก็ปรารถเช่นเดียวกันเช่นคำว่ามัชิมาทางกลางท่านก็แสดงว่าทางพอดีเช่นท่านแสดงว่าต้นบัญญัติคือผู้ทาจิตถึงผู้รู้ที่เป็นถีติภูตังหรือเป็นที่สุดทั้งสองอันบรรพชิตไม่พึงเสพคือหนึ่งอัตกิลมฐานโยก ทำตนให้ลำบากเปล่าสการมาสุขาริการุโยกผู้หมกมุ่นในการนี้ท่านก็แปลว่าผู้บำเพ็ญจิตยังตกอยู่ในความรักชอบชังเกลียดผู้นั้นยังไม่ถึงหนทางกลางอธิบายว่าผู้บำเพ็ญจิตทั้งหลายเมื่อจิตสงบดีใจไม่สงบไม่ได้ดังใจเสียใจถือว่าตกไปในทางรักชังชื่อว่า ยังใช้ไม่ได้หรือผู้ที่บำเพ็ญจิตกล่าวโทษผู้อื่นที่มีความเห็นไม่ตรงกับตนถือว่าตกไปในทางชั่วหรือผู้ที่ยกย่องผู้อื่นด้วยความเกรงใจตกไปในทางรักถือว่าไม่เป็นมัชิมาไม่ได้เป็นทางกลางบุคคลเหล่านี้ยังห่างไกลความพ้นทุกยังห่างไกลความอริยะยิ่งนักข้าพเจ้าฟังแล้วในพระธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดง ได้ความรู้ความเข้าใจแจมแจ้งในเหตุผลทำให้เข้าใจตนและบุคคลผู้อื่นคณะตนคณะผู้อื่นอีกมากในเรื่องของการปฏิบัติจิตแม้การอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านโคกผลทางไกลจากการขมานาคมมากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลกก็ได้มาพบนมัส ก, การท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เป็นนิด ทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้พระพิสุสัมมณีมีความรวมตัวกันยิ่งขึ้นให้สมกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เสียสละเวลาจากเชียงใหม่กลับไปภาคอีสานเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งท่านเจ้คุณธรรมเจดีท่านจึงไม่ทิ้งโอกาสนี้และก็เป็นจริงเช่นนั้นข้าพเจ้าได้มาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นในฐานะผู้อุปถากหรือผู้ใครชิดได้เห็นพระอาจารย์ใหญ่ๆหลายองค์ ได้เข้ามานมัสการหรืออยู่กับท่านในระยะนี้เรียกได้ว่ามีการประชุมใหญ่ของพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานท่านพระอาจารย์เหล่านี้ได้เผยแผ่พระธรรมทุกๆุกแห่งได้ผลเกินความคาดหมายมีประชาชนเลื่อมใสยอยู่ในขั้นสูงจนเป็นการปฏิบัติจิตได้แพร่หลายไปโดยทั่วซึ่งการก่อนนั้นการปฏิบัติดูเหมือนมืดมน การเลื่อมสายยิ่งของมหาชนได้เพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้หลายแห่งต้องดำเนินสอนด้านจิตใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการอยู่จังหวัดสกลนครของท่านพระอาจารย์มั่นก็คือรวบรวมพระคณาจารย์ให้มาประชุมหาทางให้สอนด้านการปฏิบัติให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อไปจึงไม่แปลกไม่แปลกอะไรที่ผู้เขียนไดพบพระคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิตลอดเวลา และท่านคณาจารย์ก็ได้มาพักอยู่ฟังธรรมและศึกษาธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นองละเป็นเวลายาวนาน 32.3 ตอนเสนาชนะป่าบ้านนามนตํบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2486น่ณที่บ้านนามนนี้เป็นบ้านเดิมของพระอาจารย์เนียม ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระอาจารย์คงมาจิระุญโยพระอาจารย์องค์แรกของข้าพเจ้าในครั้งเป็นคราวาดสถานที่ตั้งสำนักสงฆ์นี้มีป่าธรรมชาติเช่นไม้ ย, ยางไม้ตะเคียนไม้เต่งไม้รังไม้อื่นๆแม้จะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแต่ก็เป็นป่ารกชัดเหมาะแก่การทำความเพียรท่านพระอาจารย์มั่น ท้าด้เลือกเอาสถานที่นี้จำพรรษาซึ่งก็ไม่ไกลจากเสนาสนะเป็นการเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองผลก็ได้เหมือนเดิมเพราะพระอาจารย์ทั้งหลายทั่วภาคอีสานได้เข้ามานมัสะการฟังธรรมะมากเพิ่มขึ้นและท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ได้แสดงธรรมวิจิตยิ่งขึ้นเป็นที่ถูกอกถูกใจซาบซึ้งในรสพระธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่ง ได้จำพรรษาอยู่ณที่นี้และก็ได้ทราบซึ้งตรึงใจในรถพระธรรมจนไม่สามารถจะอดใจได้ที่คิดถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ฟังธรรมะอันวิจิตรนี้ข้าพเจ้าจึงต้องบันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นตลอดพรรษานี้จนได้นามหนังสือนี้ข้าพเจ้าบันทึกว่าหนังสือมุตโตไทยการประชุมพระคณาจารย์ทั้งหลายได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะพระคณาจารย์เหล่านี้ไม่ได้มีการอาราธนาหรือบอกกล่าวแต่อย่างใดท่านทั้งหลายนั้นได้มาสู่สถานที่นี้โดยมีพระอาจารย์มั่นเป็นจุดมุ่งหมายด้วยเหตุนี้จึงเป็นการประชุมที่อัศจรรย์เนื่องจากพระคณาจารย์เหล่านี้ไม่ต้องมีพิธีการต้อนรับหรือต้องเกรงใจหรือต้องทำระเบียบการประชุมเรื่องต้องการของงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ข้าพเจ้ายังอัศจรรย์และแปลกใจในการมาของคณาจาร์เหล่านี้ล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่และผู้น้อยผู้ติดตามจึงเป็นเด็ชใ้การประชุมรวมตัวของคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างล้นเหลือข้าพเจ้าครุ่นคิดว่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ทั้งส่วนตัวและแก่ทั้งส่วนคณะได้ผลจริง มิฉะนั้นคณะธรรมยุทธ์ภาคอีสานคงจะไม่แกร่งมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากพระอาจารย์มั่นได้วางนโยบายสำคัญสำคัญทั้งทางด้านการปกครองและด้านการปฏิบัติกรรมฐานผู้คนทั้งหลายยังไม่ทราบข้อเช็จริงนี้เท่าไรข้าพเจ้าจึงขอจารึกประวัติศาสตร์แห่งคณะไว้ณที่นี้เพราะความใกล้ชิดที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์มั่น ข้าพเจ้าจึงได้เป็นพระอุปทาคทำให้ได้สร้างความตื้นลึกหนาบางในการอยู่จังหวัดสกลนครบั้นสุดท้ายชีวิตของท่านพระอาจารย์มัน่นที่ได้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้แก่คณะดุจปิดทองหลังพระแต่นั่นคือการแก้ไขสิ่งบกพร่องดำเนินการพัฒนาในธรรมปฏิบัติบรรลุสิ่งที่เป็นประโยชน์ลงสู่จิตใจของบรรดาพระคณาจารย์ต่างๆอย่างเต็มเพียบ ท่านพระคณาจารย์ต่างๆเหล่านั้นล้วนมีคุณธรรมเป็นฐานรองรับข้อปฏิบัติได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งในการรับข้อปฏิบัติในสมัยนั้นจึงทราบดีถึงความรอบรู้สามารถลึกซึ้งของท่านพระอาจารย์มัน่นเป็นอน่าเสนาสนะป่าบ้านนาโมนนี้เป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งควรค่าแก่การศึกษา กุติของท่านพระอาจารย์มั่นยังคงรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมแม้กุติข้าพเจ้าก็ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 32.4 ตอนจำพรรษาที่เสนาสะนะป่าบ้านโคกครั้งที่สองพุทธศักราช2487พระอาจารย์คงมาจิระคุณโยพระอาจารย์องค์แรกของข้าพเจ้า ท่านได้พยายามที่จะให้ท่านพระอาจารย์มั่นกลับมาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอีกสักครั้งและแล้วความปรารถนาก็ได้สมดังความตั้งใจของท่านพระอาจารย์โกงมาโดยที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ตัดสินใจกลับมาจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกเป็นครั้งที่สองในญานนี้เป็นหมู่บ้านเหมือนกับบ้านป่า เพราะการคมนาคมยังไม่ดีไปไหนก็ต้องเดินด้วยเท้าด้วยเหตุนี้ที่ว่างเปล่าเป็นป่าละมะ่อที่ไม่มีผู้ใดจับจองจึงมีอยู่มากป่าไม้เหล่านี้ก็มีเป็นต้นว่าไม้เต่งไม้รังไม้ประดูไม้แดงไม้ยางไม้ตะบากไม้ตะแบกเป็นต้นสูงบ้างต่ำบ้างเป็นร่มเงาได้ดี เหมาะแก่การสร้างวัดในทางปฏิบัติกรรมฐานซึ่งหาที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจนเกินไปพออาศัยบินทะบาทยังชีพของสงฆ์เป็นสถานที่สงบสงัดดีจึงเป็นการง่ายมากที่จะสร้างเสนาสนะป่าพออาศัยทาความเพียรซึ่งสถานที่เสนาสนะป่าเหล่านี้เองได้กลับกลายเป็นวัดที่แท้จริงเป็นจำนวนมากเพราะหากไม่ได้ขออนุญาตตั้งวัด ก็จะกลายเป็นสำนักสงเถือนแม้ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายที่คงแก่ธรรมก็จำเป็นต้องขออนุญาตให้เป็นวัดทั้งที่ท่านก็ไม่ปรารถนาวัดที่เกิดขึ้นจากเสนาสนะป่านี้มั่นคงถาวรบางแห่งมีอาคารไม่สักวิหารศาลาการปรเรียนกุฏิดีกว่าวัดในบ้านในเมืองฉะนั้นการอยู่จำพรรษาที่เสนาสนะบ้านโคกครั้งที่สองนี้ จึงเป็น ท, ที่ทราบจากท่านพระเถรานุเถระที่ฝ่ายการปฏิบัติธรรมกว้างขวางยิ่งขึ้นจึงได้มีพระอาจารย์จำนวนมากที่แปลกหน้าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นได้มารวมตัวกันจึงเป็นโอกาสที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงข้อวัดปฏิบัติตืต้นลึกหนาบางของความเสื่อมความเจริญนับว่าเป็นบุญหูบุญตาของข้าพเจ้ามากมายเหลือประมาณ เพราะการที่พระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายมาพบกันนั้นยากมากเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่และก็เป็นที่พอใจแก่ท่านพระอาจารย์มั่นเพราะท่านต้องการจะพบกับคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเพื่อจะได้แนะนำการปฏิบัติจิตขั้นสูงเพราะขั้นธรรมดาทุกๆ ท, ท่านก็ทราบมาก่อนแล้วและการดาเนินการปกครองหมู่คณะได้มีมากขึ้น ปัญหาต่างๆก็ตามมาเป็นธรรมดาแต่เพราะความรอบครอบของท่านพระอาจารย์มั่นคณะปฏิบัติสายพระอาจารย์มั่นจึงเป็นที่ยอมรับและนับถือเชื่อมั่นกันเป็นเวลานานตราบจนปัจจุบันมีข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าฝังแล้วใส่ใจอยู่ตลอดคือท่านพระอาจารย์ท่านพูดว่าอย่าทำให้โลดโผนหรือดังเกินไปอย่าทาให้คนขาดความเลื่อมใส เพราะไม่มีเสียงสิ่งที่จะมั่นคงคือเป็นไปพอดีพอดีแต่หนักแน่นจากนี้ไปเป็นการที่ข้าพเจ้าได้ประสบความเป็นไปต่างๆของท่านพระอาจารย์มั่นด้วยตนเองหลังจากที่ได้รับคําบอกเล่าจากท่านและสานุสิทธิ์ของท่านและได้เขียนไปตามที่ท่านทราบมาก็นับว่าพอจะให้ความรู้และความเข้าใจตามความเป็นจริงแก่ท่านผู้สนใจ ในประวัติความเป็นมาของท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรจะอย่างไรก็ตามขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งตําห ม, มากแล้วรินน้ําชาถวายท่านพร้อมกับได้ฟังเรื่องของเชียงใหม่จนจุใจก็นับว่าเป็นกุศลจิตที่ได้มาพบท่านผู้สรงคุณวุฒิเนื่องจากการเล่าความเป็นมาหรือประวัติของท่านเองนั้นโดยมากท่านก็ไม่ใคร่จะเล่าให้ใครฟังเท่าไหรนัก ท่านแสดงธรรมะอันลึกซึ่งนั้นมากกว่าแต่การที่ท่านจะเล่าถึงความเป็นไปต่างๆของท่านนั้นก็ต่อเมื่อถูกรบเร้าจากลูกศิษย์ผู้ทงการจะทราบความเป็นมาของท่านบ้างเท่านั้น 32.5 ตอนเดินธุดงที่ยาวไกลครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นในขณะที่ท่านอยู่เสนาชนะป่าบ้านโคกนามนเป็นเวลาสามปีแล้ว ท่านก็ได้ปราถนาที่จะย้ายไปอยู่ที่บ้านหนองผือตำบลนานานอำเภอพนนิคมซึ่งเป็นการเตรียมงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ท่านจะไปคราวนี้เพราะขณะนี้มีพระอาจารย์ใหญ่ๆที่เป็นสิทธิ์ของท่านเต็มรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อข่าวการเคลื่อน ย, าย้ายแพร่ออกไปทุกทุกท่านก็รีบเข้าประชุมเพื่อจะได้ติดตามท่านไปการเดินทางครั้งนี้ เป็นการเดินทางโดยเท้าอีกครั้งหนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตถระซึ่งเป็นการเดินธุดงครั้งสุดท้ายแต่เป็นความกรุณาอย่างยิ่งของท่านแก่ข้าพเจ้าในการครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งคือท่านได้ไปแวะพักที่บ้านหุยแคนอยู่ระยะหนึ่งเดือนกว่าๆบ้านนี้เป็นบ้านของพวกซ่งอยู่ตามชายเขาภูผานข้าพเจ้าได้ไปพบกับพวกเขาหลายเดือนโดยแนะนำธรรมะต่างๆ จนเขาเกิดความเลื่อมใสามากขณะที่ท่านพักอยู่ที่ป่าใกล้บ้านแห่งนี้ข้าพเจ้าได้พักอยู่กับท่านและพระออื่นสองสามรูปทำให้ชาวบ้านแถวนั้นยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ชาวบ้านเหล่านั้นได้รับรดพระธรรมจากข้าพเจ้าที่ได้ไปวางรากฐานการปฏิบัติไว้ก่อนแล้วเมื่อได้กาหนดที่เดินทางต่อไปอยังบ้านหนองผือพระเถรานุเถระ ได้ทราบข่าวการเดินทางก็ได้เตรียมตัวที่จะติดตามไปในระยะใกล้บ้างห่างบ้างขนทางลัดที่จะไปบ้านหนองผือนั้นจะต้องเดินตัดตงไปทางบ้านห้วยกับแก่หรือตุ๊กแก่ผ่านไปทางบ้านกุดไหบ้านกุดบากบ้านผักอีเลศผักชนิดนี้มีใบคล้ายใบพผูบทานกับลาบหรือเมียงคําการเดินทางครั้งนี้เดินวันเดียวไม่ถึง จึงต้องค้างคืนกลางทางทั้งการเดินทางก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรถือว่าข้ามไหนนอนนั่นตามสบายพระเถรานุเถระผู้ติดตามนั้นก็หาที่พักที่มีหมู่บ้านอยู่ห่างๆออกไปเพราะถ้ารวมกันอยู่เป็นหมู่ก็จะลำบากด้วยอาหารบินทบาทส่วนข้าพเจ้าก็ได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นภูริะตะทตเถระไปตลอดทางเมื่อถึงบ้านผัดอีเลศ เป็นเวลาเย็นมากแล้วท่านจึงสั่งให้พักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านในแถวนี้เป็นชาวบ้านป่าทำมาหากินด้วยการทำไร่ฐานป่าบ้านไม่ค่อยเป็นหลักฐานเท่าไหร่สถานที่เป็นภูเขาแต่ก็ไม่สูงนักส่วนต้นไม้เท่าที่สังเกตดูเป็นไม้เตงรังไม้แดงไม้มะข่ามงเป็นส่วนมากบางแห่งเป็นต้นเตี้ย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 ก็ยังเดินอย่างกระฉับกระเฉงว่องไวเดินไปได้อย่างสบายข้าพเจ้าก็เดินตามท่านไปอย่างใกล้ชิดตลอดทางภูเขาที่เดินผ่านไปนั้นเรียกว่าภูผานโดยส่วนมากจะเป็นภูเขาหินทรายไม่ใช่หินปูนเหมือนแถบลบบุรีจึงทำให้คนอยู่ได้อย่างสบายไม่มีการแพ้ถ้าเป็นภูเขาหินปูนคนอยู่แล้วจะเกิดอาการแพ้เกิดโรคภัยต่างๆ จึงปรากฏว่ามีผู้คนอาศัยทรมาหากินอยู่เป็นอันมากแต่ก็เป็นชาวเขาแทบทั้งนั้นเขาเรียกผู้คนในแถวนี้ว่าลาวซ่งโซคาและลาวภูไทยและทุกๆคนชาวเขาเหล่านี้เลื่อมใสพระพุทธศาสนากันทั้งนั้นมีการทำบุญตักบาตรสร้างวัดวาอารามเช่นเดียวกับคนไทยทั่วๆไปแต่ยังขาดการศึกษาเท่านั้นเพราะไม่มีโรงเรียน จึงทำให้ไม่มีอะไรละหลายอย่างที่ควรจะดีกว่านี้แต่ไม่สามารถจะทำได้การศึกษาจึงมีความสำคัญแก่มวลมนุษยชาติตั้งแต่ดึกดำบรรจจนกระทั่งบัดนี้เมื่อได้พักค้างคืนที่ข้างๆหมู่บ้านผักอีเลิศการเดินทางไปบ้านหนองผือก็ไม่ไกลเท่าไหร่วันนั้นหลังจากฉันพัทหารชาวแล้วท่านก็พักผ่อนพอสมควรบ่ายจึงออกเดินทาง ถึงบ้านหนองผือประมาณห้ามงเย็นชาวบ้านทางนี้ทราบข่าวการมาของท่านพระอาจารย์มั่นก่อนแล้วจึงพร้อมด้วยพระเถระบางรูปผู้สันทัดในการจัดเสนาสะนะได้คอยให้ความสะดวกแก่ท่านและพระติดตามในบริเวณวัดหนองผือนี้เป็นดงมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมครึ้มทำให้อากาศถ่ายเทลำบากจึงเป็นแหล่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง คือต้องทำความเพียรให้มากนอนมากไม่ได้อาจจะถึงล้มป่วยและตายได้จึงปรากฏว่าผู้ที่มาหาท่านพระอาจารย์ได้ป่วยและมรณภาพไปหลายรูปครั้นเมื่อท่านไปถึงและบอกแก่คณะศิษยานุสิตญาติโยมว่าจะอยู่จำพรรษาที่นี่ทั้งญาติโยมและพระก็ช่วยกันจัดการซ่อมแซมเสนาสนะซึ่งมุงด้วยหญ้าคามาแต่เดิม ผุพังไปเป็นส่วนมากที่ต้องซ่อมแซมให้ไว้ได้มากนั้นเพราะพระภิกษุสา ม, มนเณรมีความประสงค์จะเข้ามาอยู่กับท่านทั่วทุกสารทิศเมื่อการออกพรรษาก็จะเดินทางมาศึกษาธรรมะกับท่านตลอดเวลาชุดนั้นออกชุดนี้เข้าเป็นประจำอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าเองขณะ น, นี้ก็ได้จากท่านไปอยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่ง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 32.6 ตอนทำไมพระอาจารย์มั่นจึงมาจําพรรษาที่บ้านหนองผือถึง5ปีความจริงภูมิประเทศของบ้านหนองผือนี้เป็นที่เหมาะแก่การทำความเพียรมากและเป็นที่ไกลต่อการขมานาคมผู้ที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนี้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 โยมก็มาวุ่นเสเรื่อยทำให้เสียจังหวะไม่ได้ผลเท่าที่ควรท่านจึงหาทางไปที่อื่นและได้บ้านหนองผือเป็นสับปายะตอนนี้จะขอพูดถึงบริเวณบ้านหนองผือเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยไปจะได้ทราบถึงสถานที่แห่งนี้ว่าเพราะเหตุใดท่านพระอาจารย์มั่นจึงจำพรรษาอยู่ที่นี่ถึงห้าปีบ้านหนองผือนี้เอานามของหนองน้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นผือหรือต้นปลือเป็นต้นไม้สำหรับทอเสือ่อเหมือนกับชาวจันทบุรีทอเสือกกนั่นเองบ้านหนองผือนี้อยู่ในแอ่งของภูเขามีภูเขาล้อมรอบอยู่ทุกด้านในขณะที่เราเดินข้ามทางเข้ามาและยืนอยู่บนภูเขาแล้วแลลงมาดูบ้านหนองผือจะเห็นเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะก่อนเข้าถึงหมู่บ้านก็จะพบลาธารน้าเล็ก ไหลผ่านไม่ขาดสายอยู่แห่งหนึ่งซะก่อนและข้างลำทารมีหินก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างเรียงรายกันอยู่เข้าไปถึงกลางลำทารเป็นหินมีหลังนั่งพักสบายโดยเฉพาะผู้เดินทางจากบ้านหนองผือไปที่อำเภอพน น, นิคมออกเดินทางแต่เช้าจะต้องมาหยุดพักรับประทานอาหารกันที่นี่แม้ข้าพเจ้าเองก็เคยมาฉันอาหารเช้าที่นี่หลายหนโดยนั่งฉันบนหิน ด้านหลังมีน้าําใสร่มเย็นนั่งฉันสบายแต่เมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วก็จะไม่ทราบเลยว่าหมู่บ้านหนองผือมีลักษณะเป็นแอ่งเหมือนก้นกระทะเพราะพื้นที่เป็นราบกว้างเหมาะแก่การทำไร่ทํานาเมื่อเพาะปลูกอะไรลงไปแล้วเป็นงอกงามดีทั้งนั้นซึ่งจะสังเกตได้ในวัดปลูกต้นกล้วยมะม่วงมะละกอขึนินมะพร้าว ทุกอย่างงอกงามมีใบสดเขียวชะอุ่มการทานาดีมากเหลืออยู่เหลือกินมีแม่น้าอยู่สายหนึ่งเป็นที่อาศัยทรมาหากินของชาวบ้านหนองผือนี้คือแม่น้าอูนมีต้นไม้ไผ่ติดต่อกันไปตามลำคลองการสร้างที่อยู่ของชาวบ้านเป็นแบบโบราณธรรมนาบุงยาคนรวยก็มุงกระดานอาหารหลักคือการรับประทานข้าวเหนียวล้วนชาวบ้านเป็นคนภูไทย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 ตามธรรมเนียมของวัดป่ามีศาลาสวดมนต์ศาลาหอฉันสถานที่สุขขาหลุมเทอยากเยื่อบ่อน้ำใช้และฉันสะอาดดีเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่สงัด ก, การพิขาจานก็ไม่ไกลนักประชาชนมีศรัทธาดีขณะนี้ท่านพระอาจารย์มั่นก็มีวัยชราภาพมากแล้วอายุ75ปีจึงพักอยู่ที่วัดนี้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 2. วัดโคกมะนาว 3. ห้วยบุญน 4. บ้านอูนโคก 5. บ้านผักอีเลิศ 6. บ้านดงบากที่ซึ่งท่านแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่งตางๆเหล่านี้จะมารวมกันทำอุโบสถคือฟังปาติโมกที่วัดปา่าหนองผือกันทั้งนั้นเพราะเมื่อถึงวันอุโบสถท่านพระอาจารย์มั่นก็จะได้ให้โอวาดหลังจากทำอุโบสถเสร็จแล้ว โดยการชี้แนวทางในทางธรรมะข้อปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินจิตทุกๆคราวไปส่วนท่านที่อยู่ใกล้พอสมควรก็จะมาฟังทมได้สะดวกในเวลากลางคืนซึ่งก็ได้มาแทบทุกๆคืนได้ฟังธรรมะปกิณกะมีนัยยะต่างๆแล้วก็กลับไปนะับว่าเป็นความอุตสาหะวิริยะอย่างยอดเยี่ยมของท่านเหล่านี้พระเถระ ิสุสัมเณนทั้งหลายที่อยู่โดยรอบใกล้บ้างไกลบ้างเหล่านี้จะคอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลและเป็นผู้ที่มีจิตเป็นไปในทางธรรมอันละเอียดซึ่งท่านเหล่านั้นจะได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเนื่องจากว่าพระเถระรูปใดเป็นผู้มีความสำคัญในทางปฏิบัติและเป็นผู้มีความหนักแน่น มีสมรรถนะและความสามารถสูงมีการดำเนินทางจิตที่ถูกต้องมีความเมตตาต่อหมู่คณะท่านจะต้องกล่าวถึงพระเถระรูปนั้นๆในถ้ำกลางสงฆ์หรือกล่าวกับผู้ปฏิบัติใกล้ชิดอยู่เสมอว่าท่านองค์นั้นองค์นี้ดีมากหากใครต้องการจะปฏิบัติก็ให้ติดตามองค์นั้นไปเถิดจะเกิดผลอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจึงไม่แปลกอะไร พวกเราและพวกเทระรุ่นใหม่จะต้องทราบถึงความดีของพระเทระรุ่นเก่าๆว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมด้วยเหตุนี้เมื่อพวกเราได้ข่าวว่าพระเทระองค์ที่มีความสำคัญมาจากไกลท่านพระอาจารย์มั่นก็จะแสดงธรรมอย่างวิ จ, จิตหรือเรียกว่าธรรมกาถากันใหญ่เพราะเหตุที่พระเทระเหล่านั้นจะได้แต่ถามอัฏปัญหา ท่านพระอาจารย์มั่นก็จะได้วิสัชนาและแสดงธรรมะไปพร้อมซึ่งการเช่นนี้หาฟังได้ยากนักจึงทำให้พวกเราต้องตั้งใจคอยเพื่อให้มีให้เกิดมาหาธรรมกถาจึงปรากฏว่าเมื่อถึงการเช่นนี้จะปรากฏมีพระพิสุสมมณ น, นพระเถรานุเถระมากันมากเป็นพิเศษจนเต็มไปหมดไม่ทราบว่าออกมาจากป่าเขาจากถ้าจากที่ไหนกันนัก 32.7 ตอนท่านพระอาจารย์มั่นผู้ริธทตถิระจำพรรษาเซนาสนาป่าบ้านหนองผือเนื่องจากท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาเป็นหลักแหล่ง ที่บ้านหนองผือนี้นานถึงห้าพรรษาจึงทำให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอันหนึ่งกิตติศัพท์ของท่านได้ปรากฏมานานแม้ผู้เขียนมีอายุเพียงสิบสามปีก็ได้ทราบข่าวแล้วแต่ก่อนนั้นท่านไม่ได้จำพรรษาซ้ำเป็นปีที่สองเลยสักแห่งเดียวถึงจะจำพรรษาอยู่ที่เดิมก็ต้องไปที่อื่นมาก่อนแล้วจึงหวนกลับมา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 เมื่อท่านองใดได้ติดตามศึกษาปฏิบัติอยู่กับท่านก็ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในอันที่จะได้สั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นพระอาจารย์เป็นผู้หน้าเคาเรพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งแม้ผู้เขียนเองเคยได้ยินกิตติศัพท์มาตั้งแต่อายุ13ปีจนถึงอายุ23ปี จึงได้พบและปฏิบัติอยู่กับท่าน ทันประชาชนได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นผู้ริทธะเทระได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นหลักแหล่งเช่นนี้แล้วคณะพระพิสุสัมเนนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เคยเป็นศิษย์ท่านมาแต่เดิมและเพิ่งได้รับฟังกิตติศัพท์ใหม่ๆก็ไม่ได้รอรังต่างก็เข้ามาศึกษาหาข้อปฏิบัติฟังธรรมเทศนา บางก็พากันมาบำเพ็ญทานทั้งทางไกลและทางใกล้ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ต่างก็ทยอยกันมาเข้าน้ำมัสการทุกๆวันไม่ขาดสาย บรรดาท่านที่เข้ามานั้นในปีหนึ่งหนึ่งมีประมาณไม่น้อยเลยมากันแทบทุกวัน ท, ทั้งทั้งที่ถนนหนทางก็ไม่สะดวกแสนที่จะกันดานและอากาศก็ไม่ใช่เล่นใครๆที่เข้ามาต้องระวังตัวมากถ้าพลาดพลั้งก็รักษาตัวกันไม่ไหวเพราะเคยปรากฏว่าผู้ที่เข้ามานมัสการ พักอยู่กับท่านเกิดอาการแพ้อากาศเจ็บป่วยล้มตายไปทั้งพระทั้งเนนและญาติโยมก็หลายคนถึงแม่เหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นทุกทกคนก็หามีความท้อถอยไม่เพราะต้องการฟังธรรมะอันวิจิตของท่านจึงยอมสละชีวิตเข้ามาหาท่านอย่างน่าอัศจรรย์แม้ข้าพเจ้าเองจากท่านไปอยู่จันทบุรี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 จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนี้ตลอดระยะเวลาห้าพรรษาท่านก็ได้พยายามชี้แจงธรรมะต่างๆแกบ่บรรดาศิษย์ทั้งหลายตลอดเวลาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีกำลังวังชาดีเดินไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วอันหนึง่งขณะที่ท่านอยู่ที่วัดป่านี้ท่านได้แสดงธรรมะอันเป็นส่วนข้อปฏิบัติมากที่สุด มิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเลยแม้ผู้ใดเข้ามาหาท่านท่านก็แสดงทำให้ฟังในว่าจะเป็นพระเล็กเน่นน้อยตลอดถึงพระเทระผู้ใหญ่บางครั้งเป็นวันวิสาขาบูชามาขาบูชาท่านไดแสดงผู้เดียวจนถึงเที่ยงคืนการแสดงธรรมก็เป็นไปวิจิตพิสดารมีอัธรรตแห่งข้อปฏิบัติ สำนวนไพเราะมากซึ่งบางแห่งบางข้อข้าพเจ้าเคยได้บันทึกไว้ในหนังสือมุดตัวไทยเป็นที่เข้าอกเข้าใจแก่บรรดาสาธุสิทธิ์บางองค์ถึงกับบนว่าเราไปภาวนาตั้งเดือนสู้ฟังเทศของท่านพระอาจารย์ครั้งเดียวก็ไม่ได้เช่นนี้ก็มีมาก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 ตรงต่อพุทธพจน์จริงๆในการที่ท่านอยู่ที่วัดหนองผือนี้มีความประสงค์เพื่อให้บรรดาสิทธเก่าและสิทธใหม่เข้ามาศึกษาเป็นการเปิดโอกาสแก่บรรดาพระพิสุสมมเนนและเพื่อให้เข้าใจในธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นกับทั้งการแสดงธรรมนั้นยังความชื่นชมและแก้ความสงสัยให้อย่างไม่มีข้อแยง้งซึ่งคล้ายกับว่า ท่านจะรู้จักการแห่งสังขารธรรมจักอยู่ไปไม่ได้นานใครจะสอนให้แกบ่บรรดาสิ์เป็นผู้เข้าใจในธรรมะอันควรที่จะพึงรู้พึงเข้าใจสืบแทนท่านได้เป็นหลักฐานแก่คณะกรรมฐานสืบต่อไป 32.8 ตอนกฎข้อปฏิบัติประจำวันของท่านพระอาจารย์มัน ปฏิบัติอันเป็นอาจินวัตของท่านนั้นเป็นไปโดยสม่ำเสมอขณะนี้ท่านชราภาพมากแล้วแม้ปฏิปทาจะเพลาวกว่าเดิมไปบ้างก็ยังปรากฏว่าเป็นที่น่าเคารพและลื่มใสดังที่ผู้เขียนเคยอยู่และเคยเห็นมาจะเล่าสู่กันฟังโดยย่อพอเป็นคติแก่อนุสิต ต, ต่อไป ก่อนออกบินธบาตรตอนเช้าท่านต้องขึ้นสู่ที่จงกรมก่อนและก่อนที่จะไปบินทบทัตรขณะที่ท่านจงกรมอยู่สิทธิ์ทั้งหลายต่างพากาันทำวัดปฏิบัติต่างๆมีการเก็บบาทกวาดสถานที่เทกระถนเก็บอาสนะไปปูยังโรงฉันและเตรียมคลี่สังฆาติไว้รอท่านเพราะตามธรรมดาแล้ว การซ้อนผ้าสังาติเข้าสู่คัจรคามนั้นไม่เคยขาดเลยเว้นแต่จะมีฝนตกใหญ่เท่านั้นเมื่อท่านเดินจงกรมจนถึงเวลาที่ออกเที่ยวบินทบาทแล้วก็ลงจากที่จงกรมไปสู่โรงฉันสิทธิ์ทั้งหลายก็ถวายผ้าสังขติช่วยครองกลัดลูกดุมรังดุมทั้งข้างล่างและข้างบนแล้วเข้าไปสู่บ้าน ถือบาทไปก่อนโดยไปรออยู่ที่นอกอุปจาระบ้านเมื่อท่านไปถึงก็รับเอาบาทสิทธิ์ก็ตามเข้าไปเป็นแถวตามลำดับอาวุโสมีสิ20 30สบสถึงห้าสบหองค์และเป็นแถวยาวเหยียดตอนขากลับสิทธิ์ก็รับเอาบาทล่วงหน้ามาจัดการแก้ถลกบาทเตรียมรอไว้โดยเรียบร้อย การบินทบาทใช้สะพายอุ้มบาดไว้ข้างหน้าซึ่งก็ไม่ผิดอะไรกับการอุ้มบาทซึ่งท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้นำมาใช้ปฏิบัติในคณะกรรมฐานและคณะกรรมฐานทั้งหมดจึงได้กระทำเหมือนท่านด้วยกันทั้งนั้น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 เว้นเสียแต่ว่าไปไม่ได้จริงๆซึ่งตามธรรมดาเมื่อสุขภาพและกำลังของท่านยังดีอยู่แต่หากท่านป่วยอาพาธแล้วท่านมักจะระงับด้วยการไม่ฉันจังหันและไม่ออกบินทบาทประกอบความเพียรบางครั้งถึงสามวันก็มีพอโรคระงับแล้วจึงค่อยฉันต่อไปท่านเคยพูดว่าการเที่ยวบิณทบาทโปรดสัตนั้น แม้แต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเสด็จไปและพระอริยะเจ้าผู้สาวกก็ไปบินทบาทเราผู้สาวกภายหลังจะไม่ไปบินทบาทก็เท่ากับว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาซึ่งก็เท่ากับว่าดีเกินครูไปเท่านั้นหมายความว่านอกครู เมื่อคราวท่านอาพาธครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อเข้าบินทบาทตลอดบ้านไม่ได้ก็ไปเยี่ยมครึ่งบ้านเมื่อเข้าไปบ้านไม่ไหวท่านก็ไปสุดเขตวัดและเมื่อไปสูดเขตวัดไม่ไหวก็ไปแค่ศาลาโรงฉันเมื่อไปบินทบาทถึงศาลาไม่ไหวจริงๆจึงงดบิทบาตจนถึงวาระสุดท้ายอันเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ในข้อวัดปฏิบัติของท่านในการออกบินธบาตเป็นวัดอันหนึ่งการฉันนั้นรวมฉันแห่งเดียวกันหมดเมื่อจัดอาหารใส่บาตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วการจัดอาหารนั้นมีพระผู้แจกคือตักแจกไปตามลาดับจนกว่าจะหมดและเพียงพอพระที่แจกมีสองสามองค์เป็นพัตตุเทศที่สงตั้งไว้ท่านก็นำพิจารณา เป็นปัจจเวขนาบางครั้งก็เตือนเมื่อมีเสียงบางครั้งก็พิจารณาด้วย 32.9 ตอนบทสรุปผลงานท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถีระหลังจากท่านได้มอบงานใหญ่ให้ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขโมแล้วท่านก็ได้เดินธุดงวิเวกไปทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย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 เมื่อบันดาสิทธ์ทั้งหลายของท่านได้ทราบข่าวถึงการกลับมาอยู่จังหวัดสกลนครโดยเฉพาะบ้านหนองผืออำเภอพนานิคมซึ่งท่านอยู่นานกว่าทุกแห่งแล้วเป็นโอกาสให้บรรดาคณาจารย์ผู้เป็นสิทธ์ได้เข้ามาพบและอยู่กับท่านซึ่งก็เป็นความประสงค์ของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่แล้วเพราะว่า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 ท่านพยากรไว้ล่วงหน้าล่วงเลยมาเป็นเวลานานถึงสิบปีในปีนี้นับแต่วันเข้าบรรษาผ่านไปท่านก็เริ่มไม่สบายอาการก็รู้สึกจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเดือนที่หนึ่งผ่านไปอาการของท่านไม่มีเบาขึ้นเลยถึงกับพระอาจารย์ผู้เป็นสิทธิ์อยู่แถวๆใกล้ๆได้มาพยาบาลท่านกันเป็นจําวนมากอาการของท่านก็มีแต่สงกับสุดเท่านั้น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 ท่านก็ได้บอกพระที่อยู่ใกล้ชิดว่าชีวิตของเราใกล้จะสิ้นแล้วให้รีบส่งข่าวไปบอกแก่ขณาจารย์ที่เป็นศิษย์เราทั้งใกล้และไกลให้รีบมาประชุมกันที่บ้านหนองผือนี้เพื่อจะได้มาฟังธรรมะเป็นครั้งสุดท้ายบรรดาพระที่อยู่ใกล้ชิดก็ได้จดหมายบ้างโทูลเรขบ้างไปยังที่อยู่ของพระคณาจารย์เหล่านั้นบรรดาคณาจารย์ทั้งหลาย เมื่อได้รับจดหมายบ้างโทรเลขบ้างต่างก็ได้บอกข่าวแก่กันต่อไปจนทั่วเมื่อการปราวณาออกพรรษาแล้วต่างองค์ก็ต่างรีบเดินทางมุ่งหน้ามาหาท่านพระอาจารย์มั่นยังบ้านหนองผืออันเป็นจุดหมายเดียวกันท่านพระอาจารย์เทศกับท่านพระอาจารย์วริยังก็ได้มาจากจันทบุรีร่วมในครั้งนี้ด้วยวันนั้นเป็นวันขึ้นหนึ่งคำ่ำเดือนสบสอง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 ถือเป็นการถูกต้องการปฏิบัติข้อวัดมีการฉันหนุนเดียวเป็นต้นเป็นทางพระอริยะผู้เดินผิดทางย่อมไม่ถึงที่หมายคือพระนิพพาน 32.10 จุดตอนพระอาจารย์มั่นจำต้องจากบ้านหนองผือท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่บ้านหนองผือเป็นเวลาห้าปีนั้น นับว่าเป็นลาบของชาวหนองผือยิ่งนักทุกทุกปีจะมีคนมานิมนต์ให้ท่านไปทางโน้นทางนี้แต่ท่านก็ไม่ไปทั้งทำให้เห็นหน้าแขกต่างบ้านมากมายทั้งพระและคราวา์คล้ายกับว่าบ้านหนองผือเป็นบ้านสำคัญแห่งหนึ่งทำให้ชื่อเสียงปรากฏทั่วประเทศไทยและชาวบ้านก็ศรัทธาในตัวท่านพระอาจารย์ใหญ่กันทั่วทุกคน มาในขั้นสุดท้ายชีวิตของท่านพระอาจารย์มันชาวบ้านเขาก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะแทนคุณท่านพระอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายคือขอให้ท่านมรณาภาพที่บ้านหนองผือนี้ท่านได้บอกกับชาวบ้านและพระภิกษุสา ม, มเณรทั้งหลายว่าเราจะไม่มรณาภาพที่นี่เพราะถ้าเราตายที่นี่แล้วคนทั้งหลายก็จะพากันมามากจะพากันฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเนื่องด้วยศพของเราจะทำให้ชาวบ้านเป็นบาปสมควรที่จะจัดให้เราไปมรณภาพในจังหวัดสกลนครเถิดพระคณาจารย์ผู้เป็นสิทธิ์ทั้งหลายเมื่อได้ทราบความประสงค์ของท่านแล้วก็พากันประชุมกันในค่ำคืนวันขึ้น9าค่ำเดือนส2องนั่นเองตกลงจะนำท่านไปวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวว่า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 พิสุสามเนยในเช้า ว, วันนั้นต่างก็รีบฉันกันแต่เชา้าครั้นเมื่อถึงกำหนดเวลาซึ่งเป็นวันไปจากบ้านหนองผือของท่านพระอาจารย์มั่นชาวบ้านทั้งแก่เท่าและหนุ่มสาวหลั่งไหลเข้ามาวัดกันอย่างคับคั่งทุกคนในมือถือดอกไม้และทูบเทียนนำเข้าถวายท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็ก่าวขอขมาลาโทษพร้อมทั้งสะอึกสะอื้น น้ำตาร่วงไหลทุกคนส่วนพระเถรานุเถระได้มาประชุมกันที่หน้ากุฏิใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นจัดแคร่สาหรับหามที่มุงด้วยผ้าขาวมาวางไว้ข้างบันไดเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านพระอาจารย์มั่นก็เตรียมตัวลุกขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งทั้งที่ท่านลุกไม่ได้มาตั้ง9้าวันแล้วท่านเรียกเอาไม้เท้าคายันเดินไป และนี่ก็เป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านได้เดินเข้าไปที่แคร่หามผู้มีกำลังก็เข้าประจำที่จะหามท่านพระอาจารย์ใหญ่ออกจากบ้านหนองผือในวันนี้ตรงกับวันขึ้น10บค่าเดือน12ราบเก้นาฬกาอันเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านที่บ้านหนองผือสายตาท่าน ได้สอดสายไปดูญาติโยมจนท่วนทั่วแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรครั้นแล้วขบวนก็ได้เคลื่อนออกจากวัดป่าบ้านหนองผือบรรดาพระพิสุสัมมาเนนอุบาสกอุบาสิกาก็ออกติดตามเป็นคิวแถวเป็นขบวนผ่านใจกลางบ้านชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พากันชะเง้อคอมองดูบางก็เตรียมตัวออกมาส่งบางก็แสดงความเศร้าโศก ทั้งออกหน้าและตามหลังเป็นราวกับว่าของที่เคารพ บ, บูชาจะพลัดพรากจากไปทันทั้งที่แลเห็นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกครั้งเมื่อท่านกับพระพิสุสัมเนนทั้งหลายแวดล้อมติดตามไปเป็นแถวนั้นคือการไปบินทบาทแล้วก็กลับมายังที่วัดป่านี้ก็มีจิตคิดว่ายังเห็นยังอุ่นใจอยู่พากันติดตามมาส่งอาหารกัน ก็มาบัดนี้ท่านได้ผ่านไปพร้อมกับท่างพระพิสุสมัมมณีเป็นการไปไม่กลับเสียแล้วต่างก็พากันติดตามคล้ายๆกับจะพาท่านให้กลับคืนมาให้ได้เสียดังนี้แต่จะทำไหนเล่าเป็นการเหลือวิสัยเสียแล้วจึงเท่ากับติดตามไปส่งเพื่อไวไอไ้อะไรที่ท่านได้มาสั่งสอนในธรรมะปฏิบั ต, ติต่างๆจนพากันเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นระยะเวลาถึงห้าปีทีเดียวในวันนั้นชาวบ้านหนองผือเกิดโกลาห์นออลหมานเป็นการใหญ่ซึ่งราวกับว่าแผ่นดินจะสุดฉะนั้นผู้คนออกติดตามส่งประมาณสองอคนเศษเมื่อขบวนผ่านพ้นจากบ้านหนองผือก็เป็นที่น่าชวนให้คิดดังนี้ว่าโอ้ชาวบ้านหนองผือคราวนี้ช่างไกลจกพากันได้รับความเศร้าโศกอัดอั้นตันใจ ขับแค้นแน่นใจอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาแต่การใดๆ ท, ๆทั้งทั้งที่ความเศร้าโศกแม้จะปรากฏขึ้นซ้ํากับความว้าเหวก็เข้ามาแทนที่โอ้ความอ้างวางเปล่าเปลี่ยวทั้งทางวัดและทางบ้านให้เงียบเชียบยังกลับไม่มีคนโอ้หนอบ้านหนองผือจะต้องเงียบเชียบทั้งทั้งที่มีคนเต็มบ้านหลานเต็มเมือง แต่ก็ควรคิดไปในธรรมนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพาโววินาพาโวแปลว่าเราจะต้องพรัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปขบวนได้ไปถึงบ้านห้วยบุญท่านพระจารย์หลุยกับท่านพระจารย์เนรกำลังออกวิเวกอยู่ เพิ่งรู้ออกมารับและติดตามไปด้วยท่านพระอาจารย์วิริยังจึงได้ถามว่าเอา้าททำไมไม่รู้เรื่องหรื อ, อยังไงท่านพระอาจารย์หลุยจึงได้ตอบทันทีว่าแหมภาวนาอยู่ในถ้ำกำลังดีได้ยินเสียงอึกกระทึกคึโครมก็เลยออกมาดูเจอพอดีแหมเกือบเสียคนคราวนี้ผู้ออกหน้าก็คอยถางทางอันมีเรียวไม้ต้นไม้ระเกะระ ก, กะ อยู่ทางพวกหามก็ผลัดกันเข้าเคลื่อนขบวนกันไปเรื่อยๆโดยอาการช้าๆตามราวป่าแถวนั้นมีบ้านชาวเขาอยู่ประปรายห่างๆกันพอทราบข่าวการจากไปของท่านพระอาจารย์มัน่นก็พากันออกจากป่ามาเข้าขบวนเลยกลายเป็นขบวนใหญ่ขบวนนี้ก็ขึ้นดงลงห้วยลำธารเลาะลัดไปตามป่าไม้น้อยใหญ่ เลียบไปตามชายภูเขาประกอบกับเนินสูงๆต่ำๆทั้งขึ้นโคกออกทุ่งเป็นแห่งๆไปมีทั้งต้นไม้เดรดาษอันมีต้นพฤกษชาติต่างๆหลายอย่างหลายประการมีทั้งสมอมะขามป้อมซึ่งกำลังปริดอกออกผลยังกับจะชวนท่านพระพิสุสมัมเณนให้แวะนั่งพักฉันเพื่อเป็นยาประมัดขบวนได้หยุดลงณทีนี้พอดี 32.11 ตอนพระอาจารย์มั่นโปรดลูกศิษย์คารวาสเป็นครั้งสุดท้ายผู้คนไปส่งก็พากันกลับเหลือแต่ผู้หามเคลื่อนขบวนกันไปเรื่อยๆ บ่ายโมงถึงบ้านโคกกระงได้หยุดพักถวายยาชูกำลังและบำบัดโรคตามสมควรเท่าที่จะหาได้เพื่อประทังไปขบวนหามก็เริ่มหามต่อไปในเมช้าข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปโดยรวดเร็วถึงชาวบ้านโคกสาวขวัญบ้านกุดก่อมบ้านบงบ้านม่วงไข่พันนาอำเภอพันนาว่าท่านพระจารมั่นกำลังมา ประชาชนต่างก็พากันหลั่งไหลออกมาดักขบวนเข้าช่วยหามเวลาบ่ายห้าโมงเย็นก็ถึงบ้านโคกสาวขวัญถึงบ้านบงและพระได้เรียนท่านว่าบัดนี้ถึงกุดก้อมแล้วท่านบอกว่าให้นำท่านไปวัดป่าบ้านนาผู้แต่ชาวบ้านม่วงไข่ก็จะเอาไปม่วงไข่ตอนนี้อยู่ระหว่างกลึ่งกลางทางจะไปบ้านม่วงไข่และดงนาผู้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 เจ้าของนาก็ออกมารับและประวัลนาบอกว่าให้ย่ำข้าวไปเลยจะเสียหายสักเท่าใดไม่ว่าท่านพระอาจารย์ผ่านนาโชคดีแท้แทเจ้าของนาว่าในที่สุดขบวนก็มาถึงวัดปา่าดงนาผู้เป็นเวลา21นาฬิกาพอดีจึงได้นำท่านพระอาจารย์ขึ้นสู่ศาลาครั้งนั้นแหละข่าวอันนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปโดยรวดเร็ว ทั้งทางไกลและทางใกล้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเวลานี้พักอยู่วัดป่าดงนาผู้พระพิสุสมัมเนนอุบาสกอุบาสิกาต่างหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเพื่อทัศนานุตรยะครั้งสุดท้ายและบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอ่อนและนางสำมโมราราชสองสามีภรยาได้มีความปราบปลื้มปิติล้นเหลือ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 ท่านจึงถามต่อว่าสบายดีหรือสบายดีค่ะท่านจึงพูดกับนางสำต่อไปว่าเราเต็มทีแล้วโรคเกิดขึ้นคราวนี้หนักมากนะเป็นคำพูดที่ท่านพูดโตตอบมากกว่าใครๆทั้งสิน้นทำให้นางสำ ม, มีความยินดีปรีดาอย่างยิ่งและก็สลดใจฝ่ายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโล ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขโมท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานสิงห์ปุตโสพึ่งจะมาถึงก็ทยอยกันเข้ามาเป็นลําดับท่านพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่บ้านดงนาผู้เป็นเวลาเก้าวันจวบกระทั่งวันแรมห้าค่านางนุ่มชุวาโนนผู้อุปถากมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยท่านพระอาจารย์เสาได้เข้าไปนมาสการท่านท่านได้พูดกับนางนุ่มว่า เราเต็มทีแล้วอาการหนักเหมือนบุรุษมีกำลังหลายคนจับคนไม่มีกำลังคนเดียวเมื่อนางนุ่มได้ฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจจนไม่ทราบว่าจะกล่าวประการใดก็ลากลับในระยะที่อยู่บ้านนาผู้นี้ไม่ทราบว่าคนได้หลังไหลกันมาอย่างไรทั้งไปกลับทั้งนอนค้างนน่นขนาดไปหมดทั่วบริเวณ การเข้านมัสการท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเข้ากันจนไม่ขาดระยะศาลาหลังนี้สูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรพระอาจารย์วิรยังผู้ที่ได้อุปถากมาตั้งแต่นองผือจนกระทั่งขณะนี้เห็นว่าจะเป็นการรบกวนมากเกินไปเลยห้ามไม่ให้คนเข้ามาภายในศาลาให้นมาการข้างนอกแล้วปิดประตูไว้เมื่อท่านได้ยินเข้า กลั บ, บอกให้เขาเปิดประตูให้เข้ามาตามความพอใจทีนี้ละ่ะผู้คนต่างพากันได้อวกาศลังไหลกันเข้ามาทางประตูเกิดแน่นขนาดจนถึงประตูผู้ที่เข้าไม่ได้ก็ยืนมองอยู่ข้างนอกประตูเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องเปิดหน้าต่างอีกข้างหนึ่งใกล้ๆท่านคนก็ไหลเข้ามาทางนี้พอค่อยอย่างชั่ว 1 2 1 2ตอนพระอาจารย์มั่นละสังขารตอนที่ท่านพักอยู่ที่บ้านนาผู้นั้นท่านได้พูดกับสิทธิที่ใกล้ชิดว่า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 เพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วชาวสกุลนครมีนางนุ่มเป็นต้นได้จัดการนารถมาเพื่อจะนาท่านไปยังวัดสุดทธาวาสจอดรถคอยตั้งแต่เช้าตรู่ของวันแรมห้าค่านั้นแล้วแต่ด้วยเหตุที่นายอ่อนนางสำาทัดทานอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้การเดินทางต้องล่าช้าเพราะว่าคณาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ของท่านต่างรู้แล้วว่า ท่านจะสิ้นใจไปเสียวันนี้เป็นแน่จึงได้เตรียมการกันเสี้เอิกเกระเิกเพื่อให้พอเพียงต่อความสะดวกต่างๆประชาชนและคฤหัสต่างเนืองแน่นอยู่เต็มบริเวณวัดในที่สุดพระก็ได้อุ้มท่านเข้าสู่แคร่คานหามอีกรอบหนึ่งเมื่อเวลา10บนาฬิกาสินาทีก่อนที่จะขึ้นแคร่ท่านได้พูดกับพระคณาจารย์ที่ยืนออกันอยู่ณที่นั้นว่า เราจะเข้าฌานสงบแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครอีกต่อไปเลยมีผู้คนติดตามไปส่งท่านที่รถเป็นขบวนยาวเหยียดเพื่อไปขึ้นรถยนต์ที่ถนนใหญ่ซึ่งมีท่านพระอาจารย์เทศกับท่านอาจารย์วิริยังสุรินทโรและท่านพระอาจารย์วันอุตโมท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านพระอาจ า, ารย์กงมาเจ้าคุณธรรมเจดีสามเณรอัมพล ผู้ซึ่งเป็นเหลนของท่านเป็นผู้พยุงท่านไปกับรถขณะนั้นเองนายอ่อนนางสำอุบาศกอุบาสิ ก, กาในแถบพันนานิคมที่มาประชุมกันอยู่นั้นถึงกับตกตะลึงนางสำถึงกับเป็นลมล้มพับลงไปต้องช่วยกันเยียวยาจึงฟืน้นเพราะการไปของท่านพระอาจารย์มั่นคราวนี้ด่วนมากตกลงเพียงชั่วโมวงเดียวจึงทาให้เมทันคิดหลัง ยับยังจิตไม่ทันอันทำให้เป็นเหตุให้เกิดโทมนัตเหลือกำลังถึงกับร้องโ่ o มร้องไห้กันเสียงระงมรถฟา้าโกขนาดเล็กพาท่านพระจารย์มั่นและคณะแล่นไปตามถนนหลวงส่วนญาติโยมต่างนั่งร้องไห้กันอยู่เต็มลานวัดทั้งเบื้องหลังดังระงมอยู่ไปหมดซึ่งวันนั้นฝนตกพรำๆท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมด อันทำให้สิทธ์ทุกคนได้คิดถึงคำพยากรณ์ของท่านว่าวันที่ท่านจะสิ้นลมพราณ น, นั้นฝนจะต้องตกพรๆและก็สมจริง14นาฬิกา30นาทีรถฟาโกเล็กคันนั้นก็นำท่านพระอาจารย์ไปจอดสงบนิ่งอยู่ในลานวัดสุทธาวาสครั้นถึงแล้วก็ได้จัดแจงเข้าพักในกุฏิเป็นที่เรียบร้อยและท่านก็นอนในสภาพปกติ ชาวจังหวัดสกลนครเมื่อได้ยินข่าวต่างพากันดีใจที่ท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางมาถึงต่างก็หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้กันเป็นทีวแถวทั้งพ่อค้าข้าขราชการประชาชนเป็นจานวนมากเมื่อดึกควรแก่เวลาแล้วชาวบ้านที่มานำมาส ก, การก็พากันทยอยกลับส่วนพระคณาจารย์ที่เป็นศิทธยานุสิ์ทั้งหลายก็ได้นั่งประชุมกันอยู่ตลอดเวลา อาการของท่านก็ปกติอยู่จนกระทั่ง24่สีนาฬิกาครั้นเมื่อถึงหนึ่งนาฬิกาตรงอาการของท่านผิดปกติขึ้นทันทีท่านพระอาจารย์วันอุ ต, ตโมโผู้ปฏิบัติใกล้ชิดก็ได้รีบไปแจ้งแก่พระคณาจารย์ทุกองแล้วก็พร้อมกันอยู่ในห้องเพื่อคอยดูอาการครั้นถึงเวลาสองนาฬิกาสานาทีชีพรจรทั้งหลายก็อ่อนลง พดเข้าทุกทีทุกทีถอนขึ้นทุกระยะจนเหลืออยู่แต่ที่หัวใจภายในไม่ช้าก็สิ้นลมหายใจด้วยอาการปกติทุกประการต่อจากนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายก็ผลัดกันเข้าไปกราบุขเป็นลำดับจนถึงวาระของพระอาจารย์วฤดิยังท่านได้กราบลงบนหมอนข้างศีรษะของท่านจิตก็คิดว่าท่านพระอาจารย์หนอ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 จะยังคงเหลืออยู่แต่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ออกเผยแพร่ธรรมะและสร้างเสนาสนะไว้เป็นอนุสร์เพื่อสอนลูกหลานสืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ 32.13 ตอนถวายการประชุมเพลิงศพพระอาจารย์มั่นหลังจากการมรณภาพของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถีระขณะพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้มาประชุมกันอยู่ แล้วก็ได้กำหนดการประชุมเพลิงเพื่อเป็นการถวายการกัตยู ก, กัตเวทีของบรรดาศิสยานุสิทธิเป็นครั้งสุดท้ายทั่วสารทิศอีกเช่นกันบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้หลั่งไหลกันเข้ามานมัสการศพของพระอาจารย์มั่นและได้ถือโอกาสนั้นบำเพ็ญกุศลฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่นับเนื่องเป็นสิทธิของพระอาจารย์มั่น นับวันก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับเพราะทั่วทุกสารทิศข่าวการบราทภาพของท่านพระอาจารย์มั่นได้แพร่ไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุดังกล่าวทั้งพิสุสัมณนนุบาสุอุบาสิ ก, กาจึงเนืองแน่นในวัดสุทาวาสเหมือนกับมีงานเทศกาลก็ไม่ปานข้าพเจ้าได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ซึ่งปรากฏการเช่นนี้ยังไม่เคยเห็นที่ใดเลย เพราะบรรดาทุกคนที่มากันนี้ไม่ได้นำความเดือดร้อนมาให้เจ้าภาพเลยเนื่องจากทุกผลทุกแห่งประชาชนที่มาต่างก็นำสเสบียงมาพร้อมๆกับของที่จะมาทำบุญเกี่ยวกับงานศพด้วยมหนาซ้ำยังมาช่วยถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพิสุสัมเณีนที่มาในงานจำนวนกว่าพันรูปอีกด้วยท้งฝ่ายพระพิสุสัมมณีที่มาในงานศพพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ ก็ไม่ได้ทำความลำบากหนักใจให้แก่เจ้าภาพเลยเพราะเมื่อทุกท่านมาถึงท่านก็ช่วยตัวเองกันทั้งนั้นโดยไปหาที่อยู่เอาเองตามอัธยาศัยใต้โคนต้นไม้เรื่องหมอนมุ้งก็ไม่ต้องจัดให้ท่านพักกับโคนต้นไม้ใช้ผ้าอาบน้ำเป็นเสือ่อใช้ตีนบาดเป็นหมอนทุกอย่างไม่ต้องรบกวนเจ้าภาพที่ใส่น้าทุกองก็มีกันมาเอง ซึ่งต่อมาคณะกรรมฐานหมายถึงคณะวัดป่าได้ถือเอาธรรมเนียมนี้ใช้ต่องานประชุมเพลิงศพหรืองานอื่นๆโดยต่างคนต่างเตรียมสเสบียงมาพร้อมไม่ให้เป็นที่หนักใจแก่เจ้าภาพบรรยากาศก่อนการประชุมเพลิงตลอดระยะเวลาสาเดือนนั้นเป็นบรรยากาศล้วนธรรมะที่ประกาศแววเสียงลงสู่โสดประสาสตแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นผลประโยชน์อันมหาศาลทำให้เกิดความเลื่อมใสในธรรมอย่างยิ่งเพราะรถพระธรรมเทศนานั้นมาจากพระอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นทั้งนั้นล้วนแต่มีความสามารถในทางแสดงธรรมะเป็นยอดมาร่วมในงานและได้แสดงธรรมะเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาแด่พระอาจารย์มั่นกันทั้งนั้น จึงเป็นพระสัทธรรมที่ไพเราะและเพราะพริ้งสิจริงๆข้าพเจ้าก็ตั้งใจฟังอย่างไม่ให้เหลือเศษคือฟังทุกๆองค์ทุกๆ ก, กันทุกๆเวลาเพราะยิ่งฟังก็ยิ่งอิ่มใจได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะในขณะนี้ประชาชนได้สละกิจการบ้านเรือนทั้งทางไกลทางใกล้เข้ามา บำเพ็ญกุศลต่อพระอาจารย์มั่นเนืองแน่นขึ้นทุกๆวันหน้าประหลาดใจที่เข้าทั้งหลายเหล่านั้นบอกต่อกันไปเพียงเท่านั้นไม่มีออกข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุไม่มีโทรทัศน์หมายความว่าสื่อมวลชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานประชุมเพลิงศพของท่านพระอาจารย์มั่นครั้งนี้แต่อย่างใดแต่ก็อัศจรรย์คนได้ไปกันแทบทุกจังหวัด ในภาคอีสานแม้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ไปกันทั้งนั้นทั้งทั้งที่ทางคมนาคมไม่สะดวกเท่าใดนักทางรถยนต์ก็มีแต่ลูกรังเครื่องบินก็ไม่มีถนนจากกรุงเทพสู่ภาคอีสานก็ยังไม่มีแต่ผู้คนได้มากันจนวัดสุทธาวาดกว้างห0กว่าไร่แน่นจนไม่มีที่จะอยู่ ข้าพเจ้ามองเห็นพระอาจารย์ออกบินธบาตจากวัดสุทธาวาสไปถึงในเมืองประมาณสองกิโลเมตรหัวแถวเข้าเมืองแล้วหางแถวยังอยู่ที่วัดสุทธาวาสเลยหมายถึงแถวเรียงหนึ่งเป็นทัศนียภาพที่น่าเลื่อมใส ย, ยิ่งข้าพเจ้าเองก็ได้เข้าแถวบินทบาตเช่นเดียวกับสงองอื่นๆก็ยิ่งทำให้ตนของตนเข้าสู่บรรยากาศที่แท้จริง คือได้สัมผัสด้วยตนเองจึงมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งในธรรมะยิ่งนักจะหาทัศนียภาพเช่นนี้เห็นจะไม่มีอีกแล้วแต่มีในงานศพของท่านพระอาจารย์มั่นในระหว่างรอการเวลาที่จะมีการประชุมเพลิงของถวายพระพิสุสัมเณีที่มาในงานศพครั้งนี้ได้รับโดยทั่วถึงกันเพราะเฉพาะผ้าขาวที่จะตัดเป็นสบงจีวร น, นั้นมากมายเหลือเกิน ผ้าขาวเหล่านี้เป็นผ้าที่เขาเอามาถวายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แม้จะเป็นเวลาหลังสงครามที่เข้าของกำลังแพงและหายากถึงอย่างนั้นก็ได้มีผู้มีศรัทธานำไปถวายท่านมิได้ขาดวันที่ท่านมรณภาพบรรดาญาติโยมทางบ้านหนองผือได้ช่วยกันขนผ้าขาวเหล่านั้นจำนวนหลายสิบเล่มเกวียนนับเป็นผ้าที่จะตัดจีวอลได้ จำนวนหลายพันตัวจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้จัดจีวอลให้แก่พระที่อยู่กับท่านและที่มาเยี่ยมท่านเป็นอันมากถึงอย่างนั้นผ้าขาวที่จะทำจีวอลก็ยังเหลือแม้ข้าพเจ้าเองในปีนี้ 2,492 ก็ได้หาโยมานดามาทอดกรถิ่นเป็นปีสุดท้ายโดยนำผ้าขาวมาถึงสิบพับ แต่เมื่อมาถึงท่านก็ให้ทอดเป็นผ้าป่าโยมานดาก็ได้ทำตามท่านแนะนำแม้ขณะนั้นท่านกำลังอาพาธแต่ท่านก็ได้ลุกขึ้นมารับผ้าป่าของโยมันดาข้าพเจ้าทาให้โยมานดาปลื้มปิติอย่างยิ่งหลังจากนี้ท่านก็ลุกไปศาลาโรงฉันไม่ได้แล้วจริงอย่างที่ได้พูดไว้ข้างต้นว่าในระยะเวลาก่อนจะถึงวันประชุมเพลิงพระอาจารย์มั่น เป็นเวลาสามเดือนเต็มเวลาที่มีอยู่นี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าเหลือล้นพ้นประมาณเพราะมีการแสดงธรรมเทศนานั่งสมาธิภาวนาตลอดถือว่าอุดมธรรมะจริงๆท่านพระอาจารย์ทั้งหลายท่านจะเปิดเผยธรรมะในใจของท่านออกมาทั้งการแสดงธรรมเทศนาบางทีเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งจนผู้มีจิตธรรมดาไม่สามารถจะเข้าใจได้ แต่ท่านก็แสดงทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่าเข้าใจยากแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่รู้แล้วเข้าใจจึงเรียกว่าธรรมกถาที่ใหญ่ยิ่งจริงๆณวันนี้ที่จะต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์คือวันเคลื่อนศพจากศาลาสู่เมนที่ได้จัดไว้อย่างธรรมดาไม่หรูหราและไม่เลวนักประชาชนทั่วไปได้ฟังประกาศว่า บัดนี้จะได้เคลื่อนศพแล้วเวลานั้นเป็นเวลา10นบนาฬิกาบรรดาพระพิษุสมัมมณเณรอุบาศกอุบาสิกาทั้งในบริเวณนอกบริเวณวัดต่างก็รีบเดินเข้ามาดุดนัดหมายกันเอาไว้เพริบเดียวเท่านั้นแน่นขนาดไปทั่วบริเวณบรรยากาศในขณะนี้เป็นบรรยากาศเศร้าสลดหมายถึงว่าทุกคนในขณะศพกำลังถูกยกเคลื่อนที่ จากที่ตั้งบนศาลากำลังเคลื่อนลงมาอย่างช้าๆขณะนั้นนั่นเองน้ำตาของทุกคนจากดวงตาหลายหมื่นดวงได้ร่วงพลูลงพร้อมกันเหมือนกับนักพร้อมทั้งข้าพเจ้าซึ่งกำลังยืนเคารพศพอยู่ข้างๆนั้นข้าพเจ้าได้มองไปทั่วบริเวณเห็นน้ำตาอันบริสุทธิ์ลังไหลาจากดวงตาของคนทุกเพศทุกวัยนี้ เป็นสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่บอกเหตุแห่งความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทธะเทระข้าพระเจ้ารู้สึกใจหายวา้วาววับเป็นครั้งครั้งทุกคนที่ยืนอยู่กันอย่างสงบดุจตุ ก, กตาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเงียบปริบไม่มีแม้กระทั่งเสียงไอและจามเป็นการหยุดเหมือนถูกสะกด ในขณะที่ศพกำลังถูกเคลื่อนออกจากศาลาไปสู่เมนอย่างช้าๆขณะนั้นเหลือเวลาอีกสามวันที่จะถึงวันประชุมเพลิงบรรดาพระพิสุสมัมเนรประชาชนทั้งทางไกลและทางใกล้ต่างได้สวเวลาอันมีค่าของตนมาพร้อมกันแล้วณนะที่วัดสุดทธาวาสเป็นจำนวนมากบรรยากาศในขณะนั้นมีการบาเพ็ญกุศล ทอดผ้าป่าบางสกุลตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนข้าพเจ้าได้สังเกตดูเป็นผ้าที่ชาวบ้านทอกันเองเป็นส่วนมากญาติโยมก็หานิมนต์พระภิสุสัมมณเณรที่มาในงานมารับผ้าบางสกุลดูก็เป็นธรรมชาติดีเหลือเกินเพราะไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรใครมาเมื่อไรก็ได้บางสกุลเมื่อไรก็ได้พระพิสุสมมณเณรมารับเมื่อไรก็ได้ ข้าพเจ้าก็ถูกนิมนต์ให้รับก็หลายครั้งรู้สึกว่าทุกคนที่บำเพ็ญกุศลไม่มีการห่วงห้ามหรือปิดกั้นขั้นเวลาต่างๆญาติโยมได้หลังไหลเข้ามาสู่เมนเพื่อทอดพระปาบังสกุลไม่ขาดสายตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนบรรยากาศอย่างนี้คงหาดูได้ยากแม้จะมีการประชุมเพลิงพระอาจารย์องค์ใดๆ ก็คงไม่เหมือนงานศพของท่านพระอาจารย์มั่นเพราะเป็นศรัทธาในตัวของทั้งพระพิสุสา ม, มนเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีต่อท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเปี่ยมล้นด้วยกันฉะนั้นเมื่อมีการบําเพ็ญกุศลใดๆโดยเฉพาะงานประชุมเพลิงเป็นงานขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนจึงแสดงออกแห่งศรัทธาอันยิ่งยวดในใจออกมาเป็นภาพที่มีแต่ความดืมดำ พลังแห่งความนึกคิดเป็นปรากฏการณ์ออกมาให้ทุกคนได้ทึ่งและอัศจรรย์ดังนั้นพลังศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้และสามารถนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทุกๆ ก, กรณีเวลา17นาฬิกาของวันเผาคือรวมกันวางดอกไม้จันทร์หรือเรียกว่าเผาหลอกประชาชนนั่นขนะดในบริเวณ เนื้อที่ของวัดกว่าห้สิบไร่แม่เขาเหล่านั้นจะวางดอกไม้จันทร์กันแล้วทุกคนไม่กลับรอคอยประชุมเพลิงจริงคือเผาจริงดังนั้นถึงคราวเผาจริงคนจึงยิ่งมาเพิ่มขึ้นในเวลา2ี่สินาฬิกาบัดนี้การประชุมเพลิงสรีระของท่านพระจารย์มั่นได้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนที่มาต้องการอัฐิของท่าน แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้อารักขาอย่างเข้มแข็งถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ศรัทธาในองค์ท่านถึงกับเอามือล้วงเอาขณะไฟยังไม่มอดในที่สุดพระเถรานุเถระผู้เป็นสิทธิ์ของท่านก็ได้เก็บรวบรวมอัฐิแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ตัวแทนสิทธิที่อยู่ตามที่ต่างๆพอควรแล้วข้าพเจ้าในขณะนั้นก็เป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี เพราะไม่มีใครมีข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่จันทบุรีเมื่อเสร็จทุกอย่างประชาชนก็ยังอยู่ในบริเวณเป็นอันมากหลังวันถัดมาตางก็เก็บเอาเท่าทานถึงกับกอบเอาดินที่ตรงประชุมเพลิงไปคนละกรรมสองกรรมพระเถรานุเถระเหล่านั้นก็ได้มีฉันทานอุทิศให้เก็บอัฐิส่วนใหญ่ไว้ที่วัดสุทธาวาส ในเมื่อสร้างโบสถ์เสร็จก็ให้เก็บอัฐิไว้ในอุโบสถเพื่อสาการะบูชาแก่ศิษยานุศิ์ทั้งหลายต่อไปเป็นนันว่าการประชุมเพลิงศพพระอาจารย์มั่นได้เรียบร้อยแล้วทุกประการทุกคนที่มาในงานศพต่างก็ชื่นชมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แสดงโดยพระเถรานุเถระที่มาในงานอย่างวิจิตรพิสดารซาบซึ้งตรึงใจ ได้บุญกุศลจากการมาทำการประชุมเพลิงศพท่านพระจารย์มั่นโดยทั่วกัน ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระจบสมบูรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2512เวลา24นาฬิกานาทีต้นฉบับนั้นข้าพเจ้าได้บันทึกไว้เมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่กับท่านเป็นเวลา4ปี ตั้งแต่พศ2485ถึงพศ2488ให้เสียงบรรยายโดยวุฒิกรสถานอ่าน